เจริญพรท่านสาธชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพูดกัอนอีกครั้งหนึ่งในการสมนาธรรมตามการตามเวลาอันสมควร <c oughs> ใครเข้ามาก่อนก็จะได้มีโอกาสได้พูดได้คุยในทางก่อนเรียงตามลาดับไปข้าหน้าคืนนี้ก็คือคุณปุญญาณุยยัคุณ ป, ปุญญาณุถ้ามีอะไรก็ถามได้ ลุกลกเข้ามากลับน้มัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคาถามาค่ะหมอพิเชษเชื่อยู่หมอพชต่ออันนี้ตั้งจอพระอาจารย์ครับตังจอนอน <c oughs> อ่าได้ลครับได้ได้ลครับพระอาจารย์กับน้ำมั ก, การพระอาจารย์ครับ ที น, นี้มา ม, มาร่วมฟังธรรมะจากพระอาจารย์ครับไม่ไม่ไม่มีคําถามอะไรครับพอาจารย์โอ okay. เคไปที่สองพี่น้องจอมัดกับชาติกับน้ำสกาดพระอาจารย์อ่าสาธุวันนี้ไับ ไ, <ะ>ไม่มีอะไรเลยวันนี้โอเคเข้ามากับนมัสการพระอาจารย์ okay. ทำความดีต่อไปนะ ลาสีหน้าให้ได้แล้วก็ทําบุญทําทานมีอะไรก็แบ่งให้คนที่เขาไม่มีบ้างมีเของเล่นเยอะๆถ้ามีเพื่อนคนเขายากจนเขาไม่มีอะไรก็ให้เขาเนี่ก็เป็นการทําบุญนะไม่ต้องทํากับผ้าอย่างเดียวทําบุญกับใครก็ได้มีความเมตตาเห็ น, นเห็นนัข ก, ก็ช่วยเหลือเขาอะไอ ย, อย่าไปทําร้ายสุนัขอย่าไปทําร้ายพวกนี้ อย่าไปฆ่าสัตว์นะอย่าไปตอกยูงอย่าไปข้า ม, มดข้ามอะไรลายเข้าไปได้นะพ<ะ>ยายามทำให้ได้นะแล้วจิตใจจะสูงขึ้นจะดีขึ้นนะอโอเคจะไะนนันพัฒต่อใช่ไหมนันพัฒ กลับมาพิธีการก็เจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ลูกไม่มีคําถามค่ะเข้ามาร่วมรับฟังค่ะค่ะห okay. น้โมเพอนนี้คงเข้าไปถามเป็นภาษาอังกฤษมาในภาษาไทยแล้วพิธีการกาแฟอาจารย์เมื่อวานคืออยากได้ความคิดเห็นจากอาจารย์มากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนอยากจะรีบนํามาปรับปรุงเลยค่ะอาจารย์เลยรีบเข้าไปถามครับเมื่อวานเรื่องอาการปวดฟันค่ะอาจารย์ uh huh. แล้วก็ ใช่ครับพอพระอาจารย์ให้ f e แ d กมาก็รีบนําไปปฏิบัติเลยครับเมื่อคืนก็ปกติก่อนนอนนั่งแค่ประมาณสิบห้านาทีครับพระอาจารย์เมื่อคืนเปลี่ยนเป็นครึ่งชั่วโมงครับแต่ว่าครึ่งชั่วโมงก็ไม่ไหวครับพระอาจารย์เผลอลับไปก่อนเนีัยพระอาจารย์ mm. แล้วก็อ่ต้องว่าวันนี้ทั้งวันเลยครับพระอาจารย์ก็ไปฝึกปฏิบัติสติทั้งวันเลยครับก็คือพยายามให้จิตออกจากล่างเลยครับแล้วก็ มันก็มีหลุดบ้างไม่หลุดบ้างครับอาจารย์แต่สังเกตรครับว่าเวลาที่เรียนหนังสือครับอาจารย์ความคิดต่างๆมันจะมาจากเราเราเป็นผู้ที่คิดเองเช่นเรากําลังทําโจทย์คณิตศาสตร์เนี้ครับอาจารย์มันก็คือเราคิดเองแต่มันจะไม่มีฟุงงซ่านที่มาแบบเอ้ยเมื่อไหร่จะพักเที่ยงอะไรเงี้ยครับอาจารย์เมื่อเรามีสติคอยคุไมไว้ถ้ามันคิดไม่ดีเราก็ใช้สติมันได้ ครับอาจารย์ก็เ อ, อตอนปฏิบัติกาจาะประมาณนี้ครับอาจารย์แล้วก็เพิ่งมานึกขึ้นได้ก่อนข้อศูพระอาจารย์ว่าวันนี้ทนะั้งวันลืมมัวแต่ฝึกปฏิบัติสติจนลืมพิจารณากระดูกเลยครับพระอาจารย์ไม่เห็นข้อกระดูกเลยตั้งแต่เช้ามาถึงวันนี้ไม่เห็นเลยครับอาจารย์ลืมดูครับเห็นใครก็ไม่เห็นข้อกระดูกของเขาเลยนะอย่าอย่าต้องกลับไปดูของพระอาจารย์คือมัวแต่จําที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่อง เอันนี้จังนะครับแล้วก็แบบว่าลืมไปเลยครับอาจารย์เพิ่งมันิกะได้ก่อนเข้าซูมนครับแล้วก็พอนึกได้ก็เอ่อก็เข้าซูมมาแล้วครับอาจารย์ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวมองทุกคนในซูมเป็นกระดูกนะครับต่อไปพอเปลี่ยนช่างขึ้นมาก็มองที่ร่างกายสำคัญนะว่ามองโครงกระดูกของเราก่อนไหนมองโครงกระดูกมื่อไหรจับแขนจับขาจับหัวดู ครับอาจารย์แล้วก็เมื่อเช้าครับตื่นมาก่อนไปโรงเรียนก็ตื่นมาปฏิบัติครับพระอาจารย์แต่ว่ า, อาพอเราตื่นมาแล้วนั่งสมาธิอะครับพระอาจารย์ปรากฏว่ามันมีความฟุ้งซ่านที่แบบว่ามันถาโถมเข้ามาเลยอะครับอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนอริยบทจากการานั่งสมาธิเป็นการเดินจงกรมแทนนะครับอาจารย์ต้องมีสติคอยควบคุมนะต้องพุโทโธพุโทโธไปแล้วดูเท้าที่เราเดินก้าวไป ครับแล้วก็วันนี้หลังเลิกเรียนก็หลังจากคุยโทรศัพท์กับคุณพ่อนัดว่าจะเจอกันที่ไหนเสร็จก็เดินกลับไปหาคุณพ่อครับแล้วก็ระหว่างทางเดินกลับก็พุดโธพุดโธไปครับแล้วก็อยู่ๆก็มีความคิดแวบเข้ามาครับอาจารย์เป็นผมกําลังไขควนดีเหมือนภอาจารย์สอนเมื่อวานครับแล้วก็สงเกิดความสงสัยครับอาจารย์ว่า คำว่าอันนีจังที่อาจารย์พูดถึงเมื่อวันในสูงคืออะไรก็เลยลองไปค้นหาดูค่ะอาจารย์ปรากฏว่ามันขึ้นคําว่าไตรักครับอาจารย์ก็เลยสงสัยว่าไตรักคืออะไรครับเพราะว่าตอนเซิร์ชดูแล้วมันมีคําว่าอั น, นิจ้จังถุกขงังดัตตาสัมคำค่ะอาจารย์ก็เลยคาว่าไตแปลว่าสามรักก็คือลักษณะบค่ะอาจารย์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า t h r e characteristic of existence คือคุนะคุณลนะักษณะของของสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงมีอยู่สามลักษณะด้วยกันเป็นหนึ่งอนิจจังไม่เที่ยงเห่นไหมเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนจะเริ่เติบโตไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวก็แก่แล้วเดี๋ยวก็ตายเนี่ยไม่เที่ยงไม่ใช่เกิดมาเป็นทาโร่แล้วเป็นทาร่ราไ ป, ไปมันตุกตาตุกตานี่มัน ทำตุ๊กตามันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมแต่มันก็มันก็ตายในที่สุดมันก็พังมันก็เสียได้ทุกอยาก่างสปปรรพสิ่งสปปรรพสัตว์มีคุณลักษณะสามประการแค่หนึ่งเป็นของไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดมีการดแบบับเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนะ นไมมี iche, ตัวตนไหมไม่มีใช่ไนมะไม่มีครับอตอนเห็นมีตัวตนไหมไม่มีครับอาจารย์ร่างกายเราก็เหมือนกันร่างกายเราก็ไม่มีตัวตนตัวตนไม่ได้อยู่ในร่างกายตัวตอนอยู่ที่จิตนะที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นตัวตนจิตพ <ท daunting. S 1> ูดรู้พูดคิดก็ไม่มีตัวตน แต่ความหลงเราให้จิตคิดมันตัวเป็นเป็นตัวตนขึ้นมาครับจันข้อที่สามทุกขรั้งทุกคราวอะไรถ้าไปติดไปยึดไปยึดยึดในของที่ไม่เที่ยงมันอยากให้มันเที่ยงมันจะทุกข์ขึ้นมาใช่ครับอยากอยากไม่แก่ทุกข์ไหมเวลามันจะแก่อยากอยากไม่เจ็บคได้ไม่ป่วยเวลวมันอยากแล้วทุกข์ก็ไม่ทุกข์ โอ้โหเมื่อวานนี้ทุกมากเลยครับอาจารย์ถ้าถ้าเจฉยๆถ้ามันมันจะเจ็บ ก, ก็ปล่ายมันเจ็บไปเราไม่ต้องไปอยากแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์ครับอาจารย์นี่คือคำวายรักอันนี้จำทุกครั้งนะตานนจำเป็นของแม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงเกิดดับถ้าไปยึดไปอยากให้มันไม่เกิดไม่ดับเกิดแล้วไม่ให้มันดับก็จะทุกข์เวลามันดับ ครับอาจารย์ได้ครับอาจารย์ได้อะไรมาแล้วลว่าก็อยากให้อยู่กับเราไปนานๆใช่ไหมครับอาจารย์พอมันจากเราไปแล้วก็เสียใจใช่ไหมทุกข์ใช่ไหมได้ครับอาจารย์แล้วเรห้ามมันได้ปะห้ามไม่ได้ครับมันเพราะมันไม่ใช่ตัวเราขอเงเราเองน ะ, ะงมันเป็นธรรมชาติมันต้นไม้อาจา่ย์มองให้ทุกเห็นว่าทุกอย่างมันอย่างนี้ ก็คือไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมไม่มีแน่นอนแล้วก็ไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปชงเราไปได้ตลอดวันใดวันหนึ่งก็จะอมต้องมีการสูญเสียไปแต่เพราแม่ของหนูก็ไม่ได้อยู่กับหนูไว่ไ้ตลอดใช่ไหมใช่ครับแล้วตัวหนูเองร่างกายของหนูเองตอ่อไปมันก็ไม่อยู่กับหนูไม่ได้อยู่กับใจอหนูนองครับคุณเจ้าสอนให้มองอย่างนี้จะได้ไม่ไป เไปไปยืดไปติดไปอยะให้มันอยู่เราไปาา็นตลอดเพราะมันเป็นไปไม่ได้เป็นกฎของธรรมชาติหลักนิจจามันเป็นกฎของธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้จะต้องมีการหมดไปเราเตรียมตัวเตรียมใจให้มันไปเป็นเหมือนของเรายืเข้ามายื ม, มา้าเดี๋ยวต้องคืนเจ้าของเขาไป การเยีมร่างกายนี่มาจากธรรมชาติเด้วธรรมชาติเขาขอเอาึ้นไปใช่ท่านทำใจนะถ้ามีอุบเติขาก็ถับใจได้ไวว ก, ไดก็เฉยๆไปไม่เสียใจไม่เสียได้เมื่อวานสอบตกมากเลยครับอาจารย์สอบตกเพราะอะไรเพราะยำอยากให้ทำจุดหายไปเลยใช่ครับกังวลครับอาจารย์ใช่ครับ ันเป็นเรื่องของธรรมชาติของมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปนะคิดอย่างนี้ใจยได้ไม่ทุกข์กับมันนะแล้วก็วันนี้ตอนขากลับนอกจากจากะคิดทบทวนเรื่องที่พระอาจารย์สอนเมื่อวันในซูมแล้วครับก็พอพูดโทรพูดโทไปครับแล้วก็เดินไปแล้วเห็นเป็นซากนกที่เสียชีวิตแล้วครับพระอาจารย์แล้วก็ เห็นพวกไส้พวกอะไรขยะขยะงั้งในมันนะครับตอนเดินกลับมาเราก็เลยก็เลยนึกถึงคําสอนของอาจารย์ครับแล้วก็ลองปฏิบัติตามพี่ว่าเวลาเห็นอะไรแบบนี้ให้ย้อนกลับมาทิ่ตัวเราว่าเดี๋ยววันหนึ่งตัวอข้างในตัวเราก็มีแบบนี้แล้วก็เดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องตายแบบนกครับแล้วเป็นไงเสียใจไหมกลัวไหมเฉยๆครับอาจารย์แล้วก็ แวถ่ายรูปศพนกครับอาจารย์ถ่ายรูปกลับมาดูที่บ้านแล้วตอนผมถ่ายรูปมีคนมีนักศึกษาที่เดินผ่านมาข้างหลังครับมองแล้วก็งงว่าผมทําอะไรถ่ายรูปศพนกครับอาจารย์เป็นปัญญาแล้วไหบครับปภาพที่จะทำให้เราเกิดมีปัญญาในข้ามลาตครับอาจารย์แล้วก็ผมสงสัยอะค่ะอาจารย์ว่าการที่ พวกเราอะครับใช้เหมือนยาดมหรือยหมองอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วมันคือการที่เราไปติดกับกลิ่นแล้วก็อ่ากลิ่นกับเท็กซ์เจอร์ของมันหรือเปล่าครับอาจารย์มันคือความโลภของเราหรือเปล่าครับส่วนเนนก็คือมันอยากจะมันเทาาการที่เรารู้สึกไม่สบายของร่างกายเราก็เลไปยมงดมแล้วมันก็อาจจะทําให้เราสดชื่นขึ้นมา มันทําให้เราลืมเรื่องนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ในทางแบบก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าเราใช้ใช้ธรรมะสดแค่ไม่ต้องใช้พวกยาหม่องใช้สติแต่ใช้พุทโธพุทโธแท่แด้ธรรมยาว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันเกิดแล้วก็มันเกิดของมันเองอย่างมันก็ดับของมันเองถ้าไปอยากให้มันดับตอนที่มันยังไม่ดับก็จะทําให้เราไม่สบายใจขึ้นมาเครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมา เพราะที่มีเพรที่มีเพราะที่มีสติมีปัญญาก็ไม่ต้องใช้ยาหมองไม่ต้องใช้ยาโนมอยู่กอบมันไปสารจิตให้อยู่กับมันไปถ้ามันเป็นความรู้แบบนี้ต้องหยุดใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่าถ้าเกิดปัญหาไม่มียาหมองเนี่ยยามาไม่มียาโนมนี่ยยาเลี่ยวลายครับอาจารย์ใช้ของที่เรามีอยู่ไม่ดีกว่าที่อยู่กับตัวเราตลอดเวลาครับอาจารย์ใช่ครับ ใช้สติใช้ปัญญาทงใจให้นิ่งๆเป็นอุเบกขาแล้วอะไรจะเกิดอะไระดับก็ไม่เป็นปนัญหาอะไรใช่ค่ะพอาจารย์เนี่ยที่มามาเรียนกันนี่กมาม า, ม า, มาสร้างสติสร้างปัญญาเพื่อทําให้ใจเราเป็นอุเบกขาพอใจเป็นอุเบกขาแล้วมันจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวอะไรมัเฉยๆพระอาจารย์แล้วก็ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ผมอผมได้ยินคุณแม่เคุณแม่ครับอธิบายผมฟังเกี่ยวกับเรื่องของเหมือนถ้าจะไม่ผิดสติปัมหาสติปัญฐาสี่ครับอาจารย์แล้วก็มีกายเวชนาจิตธรรมใช่ไหมครับอาจารย์นั่นแหละมันเป็นหลักสูตรเหมือนกับหลักสูตรปัญญาตีโทเองคับมไม่ได้เรียนทีเดียวเพราะมันหนักแน่นดูกายก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ตอนต้นก ดูกายเพื่อให้มีสติก่อนควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเรานั่งสมาธิก็ให้ดูลมหายใจเข้าผมพอเข้าใจกับการที่เอาสติไปรับรู้กายเวทนากับจิตคับอาจารย์แต่เกิดแต่ผมสงสัยว่าการเอาสติไปไว่าที่ทําคืออะไรครับอาจารย์ก็ในงานฟังธรรมนี่ไงอาจารย์ผมนึกว่าหมายถึงว่ากา ร, <ค>รทํา ก็ดูว่าเรามีธรรมต่างๆอยู่ในใจหรือเปล่าเราเห็นอริยสัจ ส, สี่หรือเปล่าเราเราเห็นมรรคแปดหรือเปล่ า, าอันนี้มันเป็นมันมันเป็นเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนก้าวไกลกว่าที่เราเริ่มตน้นเริ่มตน้นในเราอาจจะมีก่อไก่ขอขไถ่ไปก่อนพอรู้รู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะเรายังไม่มีเครื่องมือที่จะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เราต้องสร้างเครื่องมือเครื่องมือคือสติใช่ค่ะยังสอนให้ฝึกสติไปเรื่อยๆให้อยุดคิดควบคุมใจให้ได้ก่อนควบคุมความคิดให้ได้หยุดคิดให้ได้ก่อนครับอาจารย์ใช่ครับต้องฝึกสติก่อนครับอาจารย์เดี๋ยวเวลาเกิดวิทนาขึ้นมาก็เป็นบ้าไปนะเป็นทุกข์ไปไม่ต้องไม่มีสติ ครับรแฟร์จัสร่างมีถ้ามีสติเวลาเกิดอาการปวดตามนั่งทายขึ้นมามันก็เฉยได้พุโทโธพุโทโธแต่ว่าสติผมนี่น้อยมากเลยครับแฟร์จ <laughs> มสร่าวานนี้สติหลุดเลยครับพแฟร์จัสร่างั้นต้อนต้องเข้าใจว่าสติประฐานสูตรนี้เป็นหนักสูตรที่แบ่งแบ่งเลยแบ่งการเรียนเป็นขั้นขั้นไปไม่ใช่จะมาเรียนทีเดียวว่างกันหมด แล้วก็ใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็สงสัยอะค่ะพระอาจารย์คือบางทีแบบว่าเอ่อเราครบนับถือแบบพระอาจารย์บางรูปอะครับ mm hmm. เหมือนมีบางองค์ท่านแบบว่าไม่เวลาท่านทําอะไรต่างๆกิจะแบบท่านดูไม่ค่อยเรียบร้อยอะค่ะพระอาจารย mm hmm. แ์แล้วก็เลยเกิดความสงสัยในตัวทา่าน mm hmm. อันนี้ความสงสัยนี้คือบาปไหมพระอาจารย์ สงสัยอะไรก็เห็นน้องสงสัยถ้าไม่เรียบร้อยก็รวมถ้าไม่เรียบร้อยจนะอนี้จะไปสงสัยอะไรเป็ความสงสัยว่าถ้าแบบพกท่านอย่างแบบไม่ค่อยเรียบร้อยแบบนี้แล้ว ท, ทางทำท่านยังโอเคตือนขงวนว่าเราจะปฏิบัติเราจะแบบได้ไหมหรือว่าท่านเป็นแบบเเออ่ก็<บ>กสแสดงว่าเราไม่ศรัทธาท่านเราก็ไม่เรียนจากท่านนะั้นเองเมื่อเราไม่เรา สงสายว่าท่านมีความรู้มาสอนเราได้หรือเปล่าในเมื่อท่านยังสอนตัวนั่นเองไม่ได้ก็เท่านั้นเองก็แหมือนแม่ปูสอนลูกปูใช่ไหมแม่ปูบอกให้ลูกปูเดินตรงๆใช่ไมเคยไปได้ยินที่ทานไหมอาจารย์ปนไม่เคยครับไปเจ้ามันมีทีทานแม่ปูเห็นลูกปูเดินเฉไปเฉมาแล้วบอกให้ดันนี้ไม่สวยให้ดินตรงๆแบบแม่ แล้วแม่ก็เดินเฉยไปเฉยมาพูดตะกได้แต่ทำเองไม่ได้ท่าก็เหมือนกันท่าที่บอกให้สำรวมกายวาจาให้สงบแต่ตัวเองยิยาการเป็นเหมือนเดียวนี่มันก็เป็นหมือนแม่ปู่สอนลูกปู่เข้าใจไหมการที่เราจะเรียนจากเขาเราต้องต้องดูทั้งคำพูดของเขาแล้วดูการกระทําของเขาด้วยถึงจะมั่นใจ ถ้าคำพูดของเขาขกับการทําของเขามันขัดกันก็แสดงว่าไม่ใช่่แ ล, แล้ว ก, ก, าาวก็ช่วงนี้ก็พยายามรักษาสีลข้อหนึ่งครับอาจารย์ด้วยกันไม่ฆ่าสัตว์เอช่วงนี้ครับจะมีพวกมแมลงเข้ามาในบ้านเยอะมากเลยแล้วก็ปกติเราก็ดีดออกไปธรรมดาเบาๆครับอาจารย์เลย มีทําให้บางตัวตายได้ครับเพราะเราไม่กินแรงไปหรือเปล่าก็เลยเปลี่ยนจากกานดีดเป็นการเป่าแทนนะแพทย์ตอนนี้ผมเป่าแมลงออกจากโต๊ะเก่งมากเลยครับแพทย์เอออย่าทำแล้วมันตายแล้วนครับแพทย์จะพยายามครับเขาไม่ได้อยากฆ่าสัตว์นะแพทย์ผมคิดว่าเขาเขาก็เป็นเหมือนเราเขากระกรอกตัวเขาเหมือนเราลากตัวนะที่เขาก็อาจจะหลงเข้ามาในบ้านเราแดยที่เ้าก็ไม่อยากจะเข้ามา อาจารย์แต่ผมกลัวครับต้องเมตตาเมตตาตอนยินดีตานรับนะแต่ผมผมเห็นมแมลงครับผมไม่ได้อะไรนะครับแต่ผมกลัวว่าเดี๋ยวมันไม่ได้อยู่ตรงผมนะครับมันจะไปอยู่ตรงหมาผมที่จะกัดมแมลงนะอาจารย์ผมกลัวไอ้ตรงเนี้ยก็เรามีสติเราจะไปกัดมันได้ครับไม่ใช่ไหมหมายถึงหมาผมครับหมาแล้วเรื่องของหมาไปไม่ใช <c oughs> ่เรื่องของเ ผมจะฟิกกันแล้วไม่ได้ก็าปแล้วแล้วก็ป๋ามันก็ไม่รู้ทำไมมันไม่มีสติปัญญาที่จะรักษาสิ่งได้ครับแต่ใช่แล้วก็พระจานทร์ครับผมสงสัยครับว่าพระจานทร์ลงสาระฉันวันไหนบ้างครับก็ลงวันธรรมดาไม่ลงเสาร์อาทิตย์วันพระไม่วันขุนราชการไม่วันชดเชยโันจฉพาะชดเชยลงวันที่คนไปทํางานเนี่ยไปทำงาน ฉันอย่างวันพระใหญ่ที่จะถึงนี้พระจานทร์ก็ไม่ไม่ไดรินธบานเยอะบินธบานทุกวันยุ่งว้นน่ะทำไม่สบายอันถ้าอยากจะทำบุญก็ไปใส่บาทง่ายดีที่สุดสะดวกดีถ้าอยากจะฟังธรรม้ามาเข้ามาในชมนี่ยพอไปเจอตัวที่สารานก็ไม่มีเวลาคุยกันอยู่บุญแต่ต้องคอยรับประทานอาหารอะไรครับ ไม่จำเป็นไม่จาเป็นเรามาสาระถ้าอยากจะถามธรรมะ ก, ก็เข้ามาในชุมนี้ถ้าอยากจะทําบุญก็ไปใส่บาตรหรือองค์เงินเข้าบัญชีก็ได้ผ่า น, านทางคุณดาเข้าไปอจาอจารย์ครับวันนี้ครับตอนขากลับเดินค่ะกลับมาครับอาจารย์เอผมเห็นขอชานนะครัะอาจารย์ปกติจะอยากให้เงินครับแต่ด้วยความที่ไม่ได้พบเงินนะคะ แบบไม่มีเงินไปนะครับก็ไม่รู้จะให้อะไรก็เลยตอนเดินผ่านก็เลยยิ้มอะค่ะพระอาจารย์อันนี้ถือเป็นการแฝงนต่างนะครับก็ยิ้มให้เขาแสดงเอาแล้วในความเป็นเบ้นแมกจิตนะครับก็ยิ้มให้เขาครับเพราะไม่มีอะไรจะให้อาจจะท่านถามถามชาวทุสุเด็บว่าเป็นไงสบายดีหรือขาดหรืออะไรหน้าขาดพรุ่งนี้คุณอยู่ตรงนี้นะพรุ่งนี้ท่นทานจะมาจะ้อมา มาให้เขาก็ได้อาจารเดี๋ยวต้องลองดูครับถามเขาเป็นยังไงขาดเนื้อะไรไหมถ้าบอกขาดสตางค์เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผ่านมาจะาสตางค์มาให้ให้ทําบุญทาทาเหมือนกันครับอาจารย์ได้ครับเดี๋ยวจะลองดูครับอาจารย์วันนี้หมดคําถามแล้วครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครั ค, คุณซาตากาจากจีน่าอาจ มาเชานี้ก็มามาที่ศาลามาที่วัดเดินทางจากไชน่ามาใสมาทําบุญที่ศาลาเช้านี้ม า, ารา่าว ม, มฟังธรรมคับพระอาจารย์ค่ะไม่มีอะไรนะอ่าดูหมดแล้วเนี่ยฟังมาละนาพอสมควรนะ <c oughs> แล้เ <c oughs> มีอะไรมีความสุขมีความสุขนะก็ก็มันมันนิ่งขึ้นพระอาจารย์ก็แบบ อย่างกับว่าขับรถหลงอะไรเงี้ยแฟนปกติวันนี้แฟนไม่แม่หงุดหงิดเลยแฟนแต่เราอะคือนิ่งอยู่แล้วประจาตั้งแต่งนั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะแต่แฟนเนี่ยวันเนี้ยเขาไม่หงุดหงิดเลยให้หลงยังไงก็ก็กลัวลูกหงุดหงิดลูกบอกลูกเฉยเฉหลงก็คือหลงอจะขับไปอย่างเงี้ยค่ะวนหลายรอบอยู่เราไม่มีหน้าที่ขับเนี่ยไปยุ่งกัคนขับคนขับต้องขับไป แ้วเขา <c oughs> ไม่ถาม <c oughs> เราก็ <c oughs> ไม่ต้องไปบอกค่ะลูกก็แบบเฉยเยียงเดียวแล้วเขาเขาชอบค่ะ <c oughs> เขาบอกถ้าอย่างเงี้ยเขาเขามาได้เขามาบ่อยๆเขาชอบค่ะเขาไม่มีเขไม่ราคาญเราเขาเขาชอบไม่ไม่เขชอบเขาชอบเขาบอกว่าถ้าเข้ามาอย่างเงี้ยมาทําบุญอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออเขาชอบลูกก็เลยเออเพราะว่าไม่งั้นน่ะเขาก็จะต้องชวนไปนู่นไปนี่ ลูกก็เลยบอกให้มาวัดอมาทำบุญยังดีป่ะในความสุข ป, ป่ะอ่าค่ะงั้นแค่เนี้ค่ะพระอาจารย์เข้าถึงคุณดาวดาวจากอุบลนะหมอใช่ไหมหมอดาวใช่ไหมใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะการนมัสการนะคะพอดีว่าตอนนี้หนูจะมีสภาวะทำรบกวนสอบถามพระอาจารย์หลายอย่างนะคะเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่เหมือนกันนะค ะ, ะคือ คือตอนนี้เนี่ยนะคะเวลาเวลาหนูภาวนาพุโทโธในชีวิตประจําวันนะคะพระอาจารย์พุโทโธเนี่ยพอพอเราพุโทโธไปเรื่อยเนี่ยลมหายใจมันจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนตอนเรานั่งสมาธิอะคะ่ะคือพุโทโธมันจะหายไปโดยที่เรายังลืมตานะคะปกติหนูพุโทโธหายเนี่ยจะเป็นเฉพาะช่วงเดินจงกรมกับนั่งสมาธิแต่ในขณะลืมตาเนี่ยคําภาวนาพุโทโธเราไม่ได้เผลอเลยแต่มันคิดไม่ออกจริงๆ หนูก็เลยใช้วิธีเหมือนตอนนั่งสมาธิคือปล่อยอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องภาวนาพุโทโธละแล้วลคราวนี้ยมันมีความรู้สึกตอนนั้นกําลังกําลังอติดไฟแดงอยู่อะค่ะแล้วอยู่ดีๆมันก็มีมันก็มีสิ่งที่รู้สึกว่ามันผุดขึ้นมาเองว่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ใช่คนที่กําลังหายใจอยู่เนี้ยคือมันเหมือนกับว่า เหมือนกายนี้มันหางใจของมันเองกับพิปตาของมันเองนะคะคือเหมือนเหมือนเหมือนหนูอีกคนนึงอยู่ห่างออกไปอีกหนูอธิบายไม่ถูกมันเหมือนมันแยกค่ะถูกต้องแล้สติจะแยกกายออกจากใจค่ะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือสภาวะที่ตอนเดินจงกรมเนี่ยพอหนูเดินจงกรมเข้าไปถึงระยะหนึ่งก็เป็นแบบเดียวกันเลยค่ะพระอาจารย์ว่าว่าตอนเวลาหนูเดินจงกรมนี่หนูไม่ได้มองเท้าตัวเองหนูมองไปข้างหน้า แต่หนูมีความรู้สึกว่าหลังพุทโธหายแล้วสมาธิมันเข้าลึกเข้าเรื่อยๆเนี่ยหนูสามารถเห็นขาตัวเองแบบเหมือนกับติดอีกตาหนึ่งอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใส่ตาตาเนื้อเราค่ะมันเห็นทุกการเคลื่อนไหวของการก้าวแล้วก็การเคลื่อนไหวของทั้งตัวทั้งกระพิตตาทั้งหายใจทุกอย่างมันมันแปลกมากคะ่ะอันนี้มันเพิ่งเกิดมาเมื่อประมาณอาทิตย์ต่อนนะคะแล้วก็เป็นทุกครั้งเลยที่ เข้าสมาธิในลักษณะเดินจงกรมแล้วที่สําคัญคือเหมือน ก, นกันกับตอนที่หนูอธิบายเมื่อตะกี้คือเหมือนเหมือนเหมือนตัวหนูมันจะอยู่ห่างมาจากกายเนื้อค่ะหนไูไม่รู้ว่ามันจะอธิบายยังไง ร, รู้แต่ว่ามันม ค, ความรู้สําคัญนะให้รู้ตา ม, ม, ม, ม, ม, ม, มความเป็นจริงว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปกังวลกันเป้าหมายก็คือขอให้เรารู้เฉยๆอย่าให้เราคิดปุ่มแตก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแล้วพอหนูรู้สึกว่าการก้าวของหนูในแต่ละก้าวที่เดินจงกรมนะคะว่าอาจารย์มันไม่ได้ต่อกันนะคะอาจารย์นั้นเพราะว่ามันไม่ได้ต่อกันในแต่ละก้าวอะค่ะมันเหมือนกับมันมีการเคลื่อนไหวอิริยาบถย่อยซ้อนอยู่เยอะมากค่ะมันเร็วมากอ่ะค่ะแต่ว่าหนูเริ่มรู้สึกว่ามันมันไม่เชื่อมต่อกันในแต่ละก้าวอ่ะไ่ะค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คื อ, อการพิจารณากายของหนูตอนนี้ค่ะเมื่อก่อนหนูพิจารณาอสุภาพอถึงระยะที่เป็นหนอนป่าช้าก้าวศพอะค่ะแล้วหนูจะเข้าฌาน4ี่เองโดยอัตโนมัติหนูก็เลยเลิกเลิกเลิกพิจารณาสุภาแล้วหนูก็เลยมาพิจารณาแค่ผมคนเล็บฟันหนังแล้วก็หนูไม่เข้าฌานก่อนพิจารณากายเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเวลาหนูเข้าฌานก่อนแล้วมาพิจารณาแล้วถอยออกมาพิจารณากายเนี่ยมันจะชอบเข้าฌานเองโดยที่แบบหนูไม่ทันจะได้พิจารณากรรมาฐานสักเท่าไหร่แบบ เดินปัญญาโน้ตมากมันก็วิ่งเข้าชานเองเลยหนูเลยใช้วิธีว่าเข้าแค่อุปจารแล้วหนูมาพิจารณากายเลยคือไล่ผมคนเล็บฝ น, นงังวนไปวนมาวนไปวนมามันก็ยังคงเข้าชานอยู่นะคะแต่ว่าเป็นลักษณะชานที่ค่อยๆไต่ละอันนี้มันจะละเอียดขึ้นกว่าครั้งที่มันเห็นเป็นนอนหนูเข้าใจว่าเห็นเป็นนอนเนี่ยหนูคงขยะกขยงหนูก็เลยหนีเข้าชานไปโดยอัตโนมัติพอพอเราพอเร า, เราผมคนเล็บฝ น, นั่งไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆเนี่ย มันมันกลับเป็นการเข้าชานที่ค่อนข้างจะละเมียดละไมขึ้นแล้วก็เราคุมได้สติมันตามคุมทันนะคะอันนี้หนูคิดเองหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าพอมันเข้าไปรอบรอบเนี้ค่ะมันจะสว่างพอมันมันตอนที่มันเข้ารอบสองนี่มันเข้าไปตนที่มันแบบจิตรวมมันจะสว่างสว่างแล้วก็เย็นสบายสงบคล้ายๆกับตอนที่ว่าเข้าลึกจนถึงขั้นจิตรวมค่ะมันเป็นสภาวะนั้นแล้วก็ หรอก็ถอยออกมาพิจารณาต่อแล้วมันก็สามารถทำได้คือไว้ไงว่ามันติดตรงที่ว่ามันเข้าชาญสีเองเนี่ยมันมันเริ่มดีขึ้นโดยค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาพอจะคุมได้บ้างค่ะอันนี้น่าจะถูกอยู่ใช่ไหมคะคือถ้าเรานั่งนะามันสงบเราอย่าไปอย่าไปฝื้นมันความสงบไม่เป็นพิษอย่นงัยให้มันมันอยากจะสงบมันจะนิ่งก็ไยมันนิ่งไปเรกลัวมันเสียเวลาเดินไปยาไม่เสียไม่เสีย เพรา่าเดินปัญญาได้ตลอดเวลาเวลาที่ไม่นั่เสมอทาธิตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เดินปัญญาได้เห็นร่างกายเราเห็นร่างกายคนหนึ่งก็มองให้เป็นธากุศพไปเลยเนี่แหละค่ะหนูจะถามอาจารย์ว่าการที่พิจารณากายนี้จําเป็นว่าเราต้องเห็นมิติที่เป็นรูปเป็นแบบเป็นเป็นหรือว่ามาจากความคิดก็เหมือนกับเห็นธนบัตรในใจเราเห็นธนบัตรเห็น้ำมือของเรเห็นค่ะ อย่างนั้นก็แสดงว่าพอเราคิดแล้วมันออกมาเป็นภาพก็ถือว่าใช่อยู่แล้วอ่าใช่แอนคลกระดูกแอนคลกระดูกของเราก็แบบของคนทั้งแบบแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูพยายามสู้คือลองลองดูว่าตัวเองจะเข้าสู่ฐานเวทนาได้หรือเปล่าหนูก็เลยนั่งสมาธิแบบนั่งจนสู้เวทนาจนแบบมันปวดถึงที่สุดอะคะ่ะแต่ตอนนั้นหนูก็คิดว่าหนูคงแบบ หนูจะไม่ยอมรูอ้อ่ะถ้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรหนูจะสู้กับมันไปเรื่อยๆจนตายก็ยอมแล้วแหละอะไรเงี้ยหนูก็สู้ไปเรื่อยๆค่ะสักพักหนึ่งอะ่ะหนูเข้าใจว่าตัวเองคงจะทนเจ็บไม่ไหวจนหนีเข้าฌานมันก็เลยกายดับตัวดับลมหายใจดับแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยนั่งไปอย่างนั้นไปตั้งนานนะคะมันไม่ได้นี้แล้มันปล่อยว่าอ๋อถ้านีมันต้องลุกขึ้นถ้าขยับร่างกายถึงนี้ว่ามี ดูเรื่องของว่าถ้าเราถ้าเรานั่งเฉยๆเราจิตมันมันมันถอนของมันเองเข้าไปสู่ภาพสมบุแสดงว่าวมันปล่อยเวทนาทไม่เสียหายค่ะดูก็เข้าไปนั่งอยู่งั้นจนไม่รู้สึกอะไรจนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ไปไหนมาไหนสะพั่พอคิดอย่างนี้ปุ๊บหลุดเลยออกมาเลยออกมาปกติก็เริ่มรู้สึกเจ็บทำเพื่อให้ใจเราสบายให้ใจเราสงบค่ะ <G ül> ไม่ทุกกับเวทนาไม่ทุกกับอาการเจ็บป่วยของร่างกายแต่พอเข้าาใจเข้าสมาธิก็ได้ไม่เข้าก็ไะเข้าเอาใสมาธิมาก็ยังอยู่กับความเจ็บได้ท่นะาจารย์ใช้ได้ค่ะแล้วก็ส่วนการเดินจิตเข้าอริยาาสัจสีเวลาเจอผัสสะมากระทบหนูก็ฝึกเป็นประจำอยู่ค่ะแต่ว่าตัวที่มันเหนียวแน่นมากที่เอาออกไม่ได้เลยคืออัตตา ม, มานะหนูไม่เคยชนะเลยค่ะชนะได้อย่างมากก็แค่โทสะอาฆาตลิสยาแต่ว่า ไอ้อตามานะนี่มันมันยากมากเะยค่ะเไม่สามารถต้องปล่อยร่างกายให้ได้ค่ะร่างกายแล้วถึงจะค่อยปล่อยอัตาในจิตอีกทีหนึงมั น, นอยู่ในจิตค่ะ อ, อยู่ในร่างกายนะนอาจารยนอันนี้ฝึก<อ>ปล่อยร่างกายปล่อยเวทนาให้ได้แั้วเดี๋ยวถึงจะเข้าไป<อ>ปล่อยปล่อยอตาในจิตมันลึกกว่ามันลึกกว่าเวทนาลึก ลึกลึกว่าร่างกายมันก็ผ่านร่างกายไปไม่ธรรมดาได้ค่ะแล้วแล้วแล้วอย่างนี้เราจะเราจะทราบได้ไงคะพระอาจารย์ว่าเรามีวิปัสนาญาณแล้วอะค่ะก็เราปว่อยวางได้เราไม่ทุกกับร่างกายไม่ทูกขเวทนาอ๋อก็คือผ่านเป็นโลกุตละธรรมแล้วเห็นเห็นว่าเป็นตาแล้วเห็ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมเวทนาไม่ใช่ตัวโอเคค่ะ ก็หนูก็มารายงานสภาวะพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าอยู่ไกลก็ได้แต่มาปรึกษาทางสูงขอบพระคุณนะคะคราวนี้ดีที่สุดครอยากจะปรึกษากันสามารถมาทาง z น o m ได้เลยพอมาเจอตัวก็ไม่มีเวลาไม่ค่ะขอบพระคุณนะที่บอกะโอเคนะปฏิบัติต่อไปต้องมีอะไรก็เข้ามารายงานไปพักๆไปกะได้ขอขอบพระคุณค่ะดับนักสังคมเยคุณเอง สิทธิ ก, กรจากรุงเทพนเอยครับกรุงเทพครับมาตร ก, การครับอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้อ่าวันนี้เข้ามารับฟังครับโอเคเน้นไปที่คุดอคุณแด น, แ ก, นาา ก, การนักมาตรการครัอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะหมอวินคุณอ้อมหมอวิ น, นไม่งันใกล้จะเข้าออไฟบังคับแล้วนะค่ะอาทิตย์หน้าค่ะ ไป okay. สู้กับเขาไปส well. okay. ู้กับความกลัวไป check ดูว่าความกลัวยังย wow. ังอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะไม่มีคำถามค่ะคท่านี้กี่กี่วันสามวันสามคืนค่ะสามคืนค่ะคุณขอภาสนาจะไปเข้าไปบังคับเมื่อไหร่ก็ อาทิตย์หน้าแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งค่ะก็ตอนนี้จัดได้สองอาทิตย์นะคะพระอาจารย์เขาย้ำแบบเคลียให้มันทุกอย่างแล้วก็ได้ได้ประมาณสองอาทิตย์ค่ะพระอาจารย์ต้ออาจารย์ไปที่ถ้เต่าใช่คะ่ะก็เป็นถ้ำเต่าก่อนแล้วก็กลับมาแล้วเดี๋ยวก็จะจัดเวลาก็ต่อสาราน้อยแล้วก็ค่อยไปเข่าชีโอนก็จะทุดลงมาเรื่อยๆก็สองวันเมื่อสักสอนก่อนคุณเวียดนามเขก็มาอ๋อต้องักแล้วใช่ไหมคะเฮดดิ้งเ่วเข้าไป เขากลับไปฮาหนอยแล้วค่ะกลับไปฮาหนอยก็เขาได้นเมื่อวานที่ในซูมภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่าอะไรนะเขากลับบ้านแล้วแปลกแปกก็เลยเออจริงเพราะเขามานานใช่ไหมพระอาจารย์น่าจะเป็นปีแล้ะค่ะอาวเดือได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ยังรู้สึกว่าเออยังคงคับสงบแล้ความสุขของใจได้นะคะพระอาจารย์แล้วก็เรียกว่าแบบ ทำงานทำทุกอย่างละเอียดขึ้นค่ะพระอาจารย์คือเขารู้สึกว่าเออมันมันตรงเนี้มันก็มีกําลังใจแล้วก็พยายามมีสติแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันละเอียดขึ้นการพิจารณาการนั่งสมาธิกันอะไรอย่างเงี้ยให้มันละเอียดขึ้นแล้วก็ให้มันไวให้มันไวขึ้นให้มันไวขึ้นค่ะให้นเติมน้อยที่สุดคิดไปทำทำตลอดนี่ะหละคิดไปทํเอาอะไรนะสัต์นี่เห็นแบบโอ้โหแบบมาเองเลยพระอาจารย์มีทั้งคน คือแบบโอเพื่อนตายแบบอายุยังไม่ถึงเลยอะไรเงี้ยแบบเห็นทั้งคันตายการแก่เจ็บแล้วก็ยังเห็นเนี้ยเห็นแบบรถชนนกแล้วก็เราตะกอนเราจะไม่กล้าพิจารณาแบบพวกสัตว์ที่มันเละๆนะฮะตอนนี้ก็คือดูอย่างที่บอกแบบเห็นเมื่อกี้ร้องนโมว่าพูดก็คือเราก็เอ่ยยืนดูพิจารณาได้ก็ก็คือแบบเราเหมลอนเราเราเหมือนเข า, าต่อไปแล้วก็ต้องไปแบบนี้ก็พยายามทำเดี๋ยวตั้งใจแล้วก็เดี๋ยวชิดหน้าเข้าซูมอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่โน่นค่ะป้าจ๋า ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์อาจารย์พรบุตลายจาก ร, ร, รุงเทพขอนแก่นกับคุณนุกคน ก, ค<อ>กรกมวุฒสการผอาจารย์ค่ะกำลังเดินมาอีกหนึ่งท่านค่ะกรรมวุฒิการผ้าจานครับสวัสดีนะ่ะโอเคเลยครับสบายดีค่ะวันนี้มารับฟังค่ะาามากับผอาจารย์ทาง z ู o ค่ะาาไปที่คุณทวิษาต่อ มันจะวิชาจากเซเว่นเลแต่ตอนนี้ไปอยู่ค้อนแก่นนะกลับบ้านมาเยื่ยมบ้านค่ะพระอาจารย์ค่ะกลับถึงบ้านแล้วค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงดีไหมอยู่บ้านกับอยู่เซเว่นเซเอะดีกว่ากันอือตอบยากค่ะพระอาจารย์ของอย่างนี้ยากเยอะคนเยอะถ้าว่าอาจารย์ก็ ก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมยาก็อยู่ที่บ้านแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากลับมาบ้านแล้วคนเยอะอยู่ที่นู่นอยู่กันแค่สองค่ะอยู่ที่นู่นอยู่แค่สองคนมีภรรยาก็รู้สึกเงียบสงบอยู่ที่นี่ก็กลับมาก็ก็อบอุ่นอบอุ่นค่ะอบอุ่นออุ่นค่ะใชค่ะพ่าอาจารย์อีกอีกอีกอารมณ์หนึ่งค่ะพระอาจารย์ก็แต่ก็กรับตัวไน้ไยมปรับได้น เอปรับได้อยู่ค่ะผูาจ า, ารย์ไม่หมดเย็นนะมีมีบ้าง น, นิดนึงอยู่ค่ะผู้จารย์บางครั้งแต่ก็ดึงดึงดึงกลับมาได้อยู่ค่ะาพผาาู้จารย์ค่ะก็พอแต่ว่ามันไปแล้วแล้วค่อยดึงมาได้ก็ ค, <ย>ค่อยบอกค่ะมันอารมณ์มันไปแล้วบางครั้งก็อือแต่เราก็ใช่ใช่สติดึงกลับมนาะว่าเราต้องรับกับเหตุการณ์ได้ทุกเหตุการณ์ค่ะผูาจ า, าราย์ค่ะโยก็เลยว่าก็ เป็นเป็นการการกลับามาครั้งนี้เป็นขั้น้อสอบไปในตัวใช่ค่ะพระอาจารย์โยมกลับมาครั้งนี้โ ย, ยมรู้สึกเลยได้ว่าเหมือนโยมโยมเข้ามาจากที่ ท, ที่ที่ได้เรียนมากับพระอาจารย์ mm hmm. แล้วก็ฝึกมากับครั้งนี้เหมือนโยมเอาจะเอาต้องเอามาใช้เอามาใช้จริงๆแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นเหมือนทําการบ้านอันนี้เือนรั้เข้าห้องสอบขึ้นเวทีแล้วอันนี้จะคูดต่อบซื่อเยอะแยะเลย ใช่ค่ะพระอาจารย์มันจะเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งเลยค่ะคนคนเราเวที<ม>คือเวทีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะนี่เราจะได้รู้ว่าเราทันกับเหตุการณ์นั้นจิตใจเราทันกับเหตุการณ์หรือเปล่าค่ะพระาอาจารย์อนิจจามันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเหตุารย์มันเ ป, นเปนลี่ยนไปแล้วจากที่เราเคยอยู่กับจากที่เรามาอยู่ น, นีก็เลยคนละเรื่องหลยอยที่ว่าเราปรับปํานับกับอนิจจานะหรือเปล่ะ การปลี่ปลงค่ะอาจารย์การปรับนี้ก็ต้องใช้ปัญญาหปว่าใช้ปัญญาใปัญญาให้มันเหมือนกับอดีตเหมือนกับที่สวิตเซแลด์มันมันทดลองมนะันละเ่อค่ะอาจารย์ผมจะนำมาปฏิบัติค่ะแล้วโยมก็คิดว่าถ้าโยม ทำธุระเสร็จอะไรเงี้ยยงก็จะหาสถานที่ปิดวิเวกสักอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันครับพระอาจารย์ก่อนค่ะซ้อมซ้อมเช่นนี้ก่อนเราลองถามหมอภาศสนาก็ได้นะคุค่ะมีหลายที่คุณหมอก็์จก่งกันดี๋ยวนี้ค่ะค่ะยมก็อยู่แถวแถวบ้านที่ขอนแก่นก่อนนะคะพระอาจารย์ค่ะเอาอุ้ยนอนก็ได้แถวนอนใกล้ใกลไม่ไกลกันค่ะกา็ยบก็เลยจะดูเสร็จแล้ว โยมกคิดว่าคิดว่าโยมถ้าเกิดสนามนี้เสร็จโยมค่อยไปขอสนามเขาชีโอนครับระอาจารย์ก่อนกลับค่ะขอสนามอาจจะต้องจองจองแน่นๆนะเพราะชีโอนเป็นคนข้าันยาคนจองนากค่ะเดี๋ยวโยมจะขอจองผ่านคุณหล้าไปค่ะประธานมีที่ินตอนนี้ค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์กลับไปทบ่ท่านต่อไปคุณธัญพรเนี่ยสมาธิใหม่ อยู่ที่ไหนคุณจันยายนสวัสดีค่ะพระจันได้ยินหนูไหมคะได้ยินจ่ะอยู่ที่ไหนพระจรย์ี่เมเองค่ะอยู่พัทธลุงค่ะตอนนี้กลับมาพัทธลุงแล้วค่ะอ๋อเมเลยน้องเมเลยใช่ค่ะพระจั์พระจั์จาไม่ได้พอแบบแตลงล่างมันปกติเวอร์ชันปกติค่ะวันนี้พาพ่ากับแม่มาก่าบพระจย์ได้ค่ะสาธุจัค่ะ ก็ให้พ่อกับแม่ช่วงนี้ก็คือแม่ฟังธรรมพระอาจารย์ทุกคืนค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ให้พ่อฟังธรรมพระอาจารย์ค่ะวันนี้ก็เลยถือโอกาสพาพ่อกับแม่มากราบในวานสงการทั้งจารย์ค่ะมีะอะไรจะถามไห้คุณแม่คุณแม่ีอจะถามไหมค่ะดีค่ะคุณแม่ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นด้าน <S <S> <S รอด้านมากเป็น MC ทั้งจารนค่ะคนแม่เมอืฟังจนสว่างแล้วก็แล้วก็จะถึงปีสแล้วก็สวดวนต่อจะถึงสว่างเลยค่ะเพราะว่าค่ะ ก็แต่ว่าคือไม่มีคําถามจะถามแต่ว่ามันถ้าถามแล้วมันจะยาวก็เลยแต่ว่าวันนี้อยากจะอยากจะกลับขอบคุณค่ะก็คืออยากจะกลับขอบคุณพระคุณทุกประธทมคําสั่งสอนนะคะแล้วก็กลับขอบคุณพระอาจารย์ที่ได้นําคําสั่งสอนมาสอนลูกเมย์แล้วก็ได้เข้าใจได้ง่ายค่ะแล้วก็พระอาจารย์มีความเมตตามากข่ดลูกด้วยความเอ็นดูลูกเมย์ขอบคุณมากนะคะเพราะลูกเมย์เล้าไปฟังตลอดเลยค่ะที่ไปปฏิบัติมาค่ะ ค่ะเอจะบอกลูกเองค่ะขอบคุณพระพุทธเจ้าค่ะขอทานค่ตลอดก็ขอบคุณค่ะจะบอกลูกไบยให้ขอบคุณอยู่ตลอดค่ะค่ะเพราะว่าจะจะตัวของลูกเองจะจะสวดมนปฏิบัติอยู่ตลอดค่ะแล้วก็จะสศศรัทามาค่ะในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะก็เลยสอนให้ทุกคนปฏิบัติบนเรือนขาทั้งบ้านเลยฉันแล้วก็ค่ะแล้วปกติจะบอกลูกคือลูกไปไปที่ ที่ทิฏฐิอาจารย์ใช่ไหคะก็คือทีนแรกบอกลูกว่าอย่าได้ยึดยึดมั่นยึดติดกับให้ยึดติดกับพระคำคำสอนแล้วก็ค่ะจะบอกลูกอย่าอย่ายึดติดกับสถานที่ขอให้ทำเพื่อองคุปัสฌมาสพระเจ้าค่ะทําเพื่อบอกสืบทอดพระศาสนาค่ะก็เลยบอกลูกอย่างนี้อย่าได้ยึดติดขอให้ยึดติดกับคําฝันสอนอย่างเดียวค่ะแต่ว่าลูกเขาก็ไปค่ะให้ให้ติดกับพระธรรม อย<ช>ากไปเจอบุคคลหรือสาร<ช>ที่<ช>เขาไม่เที่ยง อ, อันนี้เขาไม่เที่ยงค่ะ<ช>ค่ ะ, คะจะบอกเขาแบบนี้แต่ว่าเขาอยากจะไปก็ไม่ห้ามแต่ก็บอกว่าให้ดูแลตัวเองค่ะวัาจะไม่ปลอดภัยแต่พอ<ม>พอ ไ, ได้เห็นค่ะได้เห็นพระอาจารย์แล้วก็คือโอเคค่ะ<ม>แล้วก็ชอบมากแล้วก็ทุกคําสั่งสอนก็คือพระอาจารย์สอนเข้าใจง่ายมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าปฏิบัติได้ง่ายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะค่ะโอกาสจับกับ ไปกลับนะคะแต่ก็ได้มาปฏิบัติมาปฏิบัติกับลูกก็ได้ที่มาด้วยกันได้ค่ะแ่พรคุพระอาจารย์ค่ะส่วนเมตอนนี้ก็เจริญสติอยู่เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์อราเริกล้เปิดแล้วเนอะเราเริ่มใกล้เปิดแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ว่าหลังจากออกมาจากวัดเมก็ลองวิเวกด้วยตัวเองก็คืออยู่แต่ในห้องลองถือศีลแปดแล้วก็วิเวกในห้องห้าห้าวันค่ะพระอาจารย์ก็พยายามลอง จำลองว่าเหมือนอยู่ที่วัดใช่ค่ะใช่มันก็เหมือนกันใช่มใช่ใช่ค่ะแต่ว่าอยู่ที่วัดก็มีกำลังใจมากกว่านิดหน่อยค่ะก็ดีพยายามพยายามรักษาไว้ไม่ใช่ไม่รอมามาที่วัดแล้วก็ไปทำใช่ค่ะอาจารย์ก็มันจะถอยไปได้เกินไปค่ะก็พยายามเตือนตัวเองให้อย่างน้อยก็คือจะเรียนสติให้ให้ได้ตลอดทั้งวันค่ะอาจารย์อังสมาธิอังสมาธิค่ะ มีปุ่นมานั่งเฉยๆไม่ต้องไปใคยเดิน ไ, ไปไหนมาไหนก็ได้เรานั่งอยู่กับที่พักั่อนหยาค่ะออพระอาจารย์ก็ฟังธรรมพระอาจาร์เรื่อยๆค่ะบางทีก็ฟังยัอนหลังค่ะแล้วก็ปฏิบัติตางค่ะพระอาจาร์โอเคดีมากพระอาจารย์ถ น, นมองทนด้วยนะเจ้าคะ่ะก็ะดูแลดีที่สุดทีท่จะดูแลค่ะค่ะพระอาจาร์เดี๋ยวถ้ามีเวลาเมจะไปหาไปติดวิได้อีกค่ะพระอาจาร โอเคสาธุผ้จกับนักประชาการท้าจานค่ะขอบคุณมากค่ะผ้าจานสาธุาาคุณยินดีต่อนี่ยูอีสเอสหรัฐอเมริกาเซาท์คโรไลนาเมืองอะไรเนะี่ยโคลัมเบียค่ะโโคลัมเบียาทคโรไลนาค่ะคลงใหญ่ไหมลงใหญ่มือลัมบก็ ใหญ่คะ่ะก็เป็นเขาก็จะดังทางด้านเ อ, อ่อทหารนะคะพวกทางด้านทหารมิลิตรีที่ค่ะเพร<ๆ>าะมันติดชายฝั่งอะคะ่ะท่านอาจารย์มารี น, นะคะ่ะก็ไม่มีอะไรคะ่ะก็เหมือนเดิมเดวิดฝากกลับท่านอาจารย์ด้วยคะ่ะแล้วก็ให้อาจารย์สุขภาพาแข็งแรงาารค่ ะ, นะคะท่านอาจารย์เช่นเดียวกันขอบคุณคุณได้ด้วยนะค่ะขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ คุณมาเลยยายนมาเลยก็ตอนนี้อยู่วัธาการดิ้นเรามาเกาลหลวงพ่อค่ะอยู่วัฒการค่ะลหลวงพ่อลหลวงพ่อได้ได้ยินหนูป<ด>ะคะได้ยินชัดเจนชัดเจนหลวงพ่อหนูเพิ่งเพิ่งกลับมาจากเขาชีโอนวันเนี้ยค่ะไปอยู่มากี่วันอไปตั้งแต่ ว, วันเสาร์ค่ะเสาร์อะไรวันห้าวันค่ะลหลวงพ่อดีไหม ดีจนหนูยังยังอัศจรรย์ไม่หายเลยค่ะหลวงพ่อดีดีมากดีมากที่สุดเลยค่ะหลวงพ่อคือหนูหนูไม่รู้จะลําดับยังไงหนูหนูจะบอกหลวงพ่อว่าหนูไปปฏิบัตินะคะหลวงพ่อหนูก็ตั้งใจทําแบบที่หลวงพ่อสอนว่าให้ฝึกสติทั้งวันน่ะหนูก็ภาวนาะทั้งวันแล้วแล้วพอหนูทําอย่างเนี้ยหลวงพ่อมัน มันเข้าได้แบบง่ายได้ใช่ใช่ค่ะห<ม>ลวงพ่อมันตอนแรกมันก็ยังไม่ไม่ง่ายได้แล้วเสร็จแล้วห น, ห น, หนูหนูก็มีความคิดว่าเออธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าทําทําเล่นก็ได้ของเล่นถ้าทําจริงมันก็เห็นจริงแล้วก็ปฏิบัติแบบไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคิดว่าเราจะได้อะไรถึงไหนอย่าเงี้ยหนูก็จะทําตเต็มที่อะค่ะหลวงพ่อทําทั้งวันแล้วแล้วเสร็จแล้วทำที่เหตุอย่าไปอย่าไปหวังผลทําที่เหตุจะผลมันตางไปเอง แล้วทีนี้ยหนูก็พอหนูปฏิบัตินะคะหลวงพ่อมันก็เริ่มเริ่มเริ่มจะเข้าใจไอ้สิ่งที่บอกว่ากายเวทนาจิตธรรมอะค่ะหลวงพ่อพอหนูเริ่มเข้าไปเนี่ยกายมันก็จะสงบระ ง, งับนิ่งแล้วมันก็เห็นเห็นคือเวทนามันเกิดแล้วเกิดแล้วก็เหมือนมันแยกแบบ แยกโดยอัตโนมัติชัดเจนเลยอ่ะค่ะหลวงพ่อแล้วตัวที่สามคือจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นคนดูเห็นหมดเลยว่ากายมันก็แยกกันไอ้เจ็บไอ้ปวดมันก็แยกกันอย่างชัดเจนเออจนจนเหมือนเหมือนฝ น, นตกก็ะทบกับหลังคาบ้านแล้วคนที่อยู่ในบ้าน ก, ก็เป็นคนอย่างเงี้ยสามส่วนนะค่ะหลวงพ่ อ, ห, อหนูก็นั่งเหมือนเหมือนจิตเนี่ยมันนั่งดูอยู่อย่างนั้นนะคะหลวงพ่ อ, อ, พอจน เขาเรียกว่าอะไรความเป็นกลางความเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อขให้มันอยู่กับความเจ็บให้ได้ค่ะมันคือถ้าสมมุติว่ามันจะมีจิตแวบจะทนไม่ได้เงี้ยใจมันก็จะบอกว่านั่นันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของกายมันไม่เกี่ยวกับใจเรามันก็อยู่อยู่ได้ยาวไปเลยแล้วมันก็จะเห็นเหมือนเหมือนเรานั่งดูอะไรสักอย่างเงี้ยนั่งดูนั่ดูนั่งใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วเสร็จแล้วหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะ คือทําได้เยอะขนาดเนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วหนูมาดูเวลาหลวงพ่อมันเวลาช่วงที่เราปฏิบัติได้แบบนี้จิตนะมันมันตื่นนะคะหลวงพ่อมันมันไม่หลับมันไม่เขาเรียกว่ามันคือมันไม่เขาเรียกว่าอะไรหลวงพ่อมันไม่มีง่วงโงกเงแงกอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่เลยค่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนเรานั่งดูอะไรยาวๆไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วเสร็จแล้ว จนถึงหนูหนูดูเวลาอีกทีมันเกือบตีห้าค่ะตีหนึ่งครึ่งถึงเกือบตีตีห้าเลยขันห้านาทีอะค่ะหลวงพ่อประมาณเกือบหนูไม่เคยทําขนาดนี้เลยค่ะหลวงพ่อเกือบสามชั่วโมงสถานที่สถานที่มันอําลียมันเลื่อไม่มีอะไระันบรบกวนค่ะหลวงพ่อแล้วช่วงที่ช่วงที่มันสงบที่มันเขาเรียกอะไรอุเบกขาหรือกลางกลางอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันนิ่งนิ่งจนไอ้คาที่เราพุดโทเนี่ย มันมันไม่ออกมาจากจากที่เรานึกแต่ว่ามันจะเหลือแต่รู้แค่ลมหายใจที่เราเข้าอะไรอเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วให้รู้เฉยๆได้มั่ะไม่ต้องไม่ต้องปุงแต่ไม่ต้องปรุุทโธค่ะมันจิมันนิ่งมันหยุดชิดแล้วมันพุทโธก็หยุดด้วยค่ะแล้วแล้วรู้สึกว่ามันใจมันสบายแล้วกายมันก็สบายคือมันมันแบบสบายอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อจน จนมันถอนออกมาเนี่ยค่ะหลวงพ่อพอมันถอนออกมาเนี่ยมันเหมือนเราออกจากสมาธิแล้วใช่ไ่มคะหลวงพ่อมันมันทําให้เราเห็นว่าแม้แต่ความเฉยๆความอความก็เรียกว่าอะไรความกลางๆอย่างเงี้ยหนูเพิ่งเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นตัวตัวทํำหรือเปล่าว่าเออทําให้เราเห็นว่ามันมันไม่เที่ยงเนาะมันอยู่กับเราไม่ได้ตลอดไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันทําให้เราเห็น คำว่าทำเนี่ยคือเห็นความจริงว่าเออมันมันไม่มีอะไรที่จะอยู่ตามที่ใจเราอยากอยากให้มันอยู่ได้แล้วเสร็จแล้วหนูก็ย้อนตอนนี้คือหนูออกมาจากจากไอ้นี่แล้วนะคะหนูถอนออกมาแล้วแล้วหนูก็มานึกถึงเออใจถึงสิ่งที่มันมากระทบใจเนี่ยเออมันต้องทําทําใจยอมรับว่าเมื่อมีสิ่งมากระทบใจเราและและขณะที่มันเกิดอยู่กับใจเรา และอีกสเต็ปสเต็ปที่สามคือสิ่งที่มันกําลังจะหมดออกต่ออกไปจากใจเราเนี่ยถ้าถ้าเรายอมรับได้เราไม่ไปยึดไม่ไปเกาะอะไรเงี้ยมันก็เท่ากับว่ามันก็กลายเป็นของว่าไม่มีอะไรเลยว่างๆแบบเนี้ยมันมันก็เท่ากับว่าใจเรามันก็ต้องไม่ทุกแบบเนี้ยก็ก็แปลว่ามันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะหลวงพอ่อเข้าใจาถูกนในใจเรามันมีแต่ควาว่าแต่เราไปดึงมันดึงของข้างนอกเข้ามาเอ ถ้าเราไม่เปเดึงมันมันก็ไม่เข้าคนะ่ะหลวงพ่อเพราใจเร้เ น, นี่แล้วทุกอย่างก็อยู่ข้างนอกใจก็ใจก็อยู่ว่างๆไมใจเลยค่ะหลวงพ่อก็ก็คือถ้าถ้าเราเรายอมรับได้เราเข้าใจได้ได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินสัมผัสอะไก็ได้ก็สักแต่ว่าสัมผัสไปค่ะหลวงพ่อแล้ว หนูหนูรู้สึกหนูอาศจึจใจมากเลยคือแบบเออมันทําให้หนูเข้าใจแบบทั้งเส้นมาได้แบบเนี้ยหนูหนูคิดว่าหนูเข้าใจถูกไหมครับหลวงพ่อก็ต้องไปทดสรรอบในเวลามาเจอคนเจอนั้นทำได้เดาหรือเปล่าค่ะหลวงพ่อแล้วใครจะดาใครจะช ม, มเฉยเลยเรื่องของเขาไม่เอามาใส่ใจให้หนักกว่่บบะค่ะแล้วแล้วที่หนูปฏิบัติแบบเนี้ยหนู หนูมีความรู้สึกว่าเออมันมันมันเข้าได้แบบเกินสี่ห้าครั้งหนูรู้สึกว่ามันมันมันเขาเรียกว่าเรื่อยๆให้มันทำงานแต่ให้มันเข้าได้ทุกครั้งทุกเวลาที่เราต้องการค่ะหลวงพ่อแล้วก็รักษาใจเราให้เป็นปกติได้ตลอดเวลาไม่เว่าเราจะรับกระทบใจเราแล้วก็เฉยๆรับรู้เฉยๆค่ะหลวงพ่อไม่มีรากชังกลัวหลือกับอะไร แล้วแล้วที่ที่ที่หนูไปปฏิบัติอะที่กุฏิที่กุฏิตรงนั้นอะมันสลวง่อตอนที่มันสงบมันได้ยินแม้กระทั่งหัวใจเราเต้นเพราะมันเงียบมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ให้ให้ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงบบมันสงบดีมากเลยค่ะอ๋่สร้างมาตั้งหลายปีเพิ่มมาตอนนี้มีคนมาอยู่เยอะเมื่อก่นอนนี้ก็ไม่มีคนรู้จัก ก็อยู่น้อยอยู่ประมาณสักร้อยละห้าสิบในตอนนี้รู้สึกจะเกือบเกือบเต็มร้อยแล้วตอนนี้ไม่ไม่แทบจะไม่ว่างเลยคม่ว่างเลยเพา<อ>ะ<ช>ตัง้งแ<ช>ต่ตั้งแต่มีซูงนี้คนสนใจปฏิบัติได้ยินเข้าไปลองดูแล้วก็ติดใจเพรคนที่ยังไม่ได้ไปก็อ ย, อยากจะไปลองดูบ้างได้ห ล, ลงหองกแล้วแล้วคนที่ ที่บอกว่าขึ้นไปอยู่บนเขาว่าตรงตรงไหนที่ไม่มีน้ําไฟที่ที่บนเขาผู้ชายของพระเป็นเขตปฏิบัติธรรมที่เมื่อก่อนแล้วก็อยู่ตรงนั้นที่เราแสดงธรรมบนเขาทาธรามบนเขาแล้วแล้วที่อันนั้นเป็นเขตของพระเด็กผู้หญิงขึ้นไปไม่ได้อผู้หญิงจะจะอยู่ได้ี่จว่าทอ่ชั้นล่างใช่ไหมคะบนนั้นจะไม่มีน้ําไฟน้ําก็จะรองน้ําฝนน้อยมือบรทุกน้ําขึ้นไปใส่ในห้องน้ํำให ส่วนกลางเล้หนึ่งหนูหนูชอบที่ที่ไปที่เนี่ยค่ะเพราะว่ามันไม่ต้องไปวุ่นอะไรกับใครไม่มีอะไรมากวนเลยมันไม่ไม่ได้อยู่ใครปิดเริเวจริงๆร้อเร็นแล้วก็ถือถือแปดด้วยค่ะแล้วก็กินน้อยอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อยิบางคนบางคนไปเจ็ดมันอดทั้งเจ็ดมันก็มีคุณคุณอ้อมที่เคยเข้ามาหาตอนนี้หายไปได้กล่าวว่าไปวันทําเต่ามาออ ข่ะหลวงพ่อกายไปไาออกายก็อดทุกครั้งกายมีตอนนี้กาย ป, ปฏิบัติที่ไหนง่ายดีไม่ต้อ ง, งกินข้าวตั้งสิบวันหนูเอาอาหารไปอ่ะก็เอาไปน้อยนะเนี่ยหนูยังยังม่อยู่เลยไม่อยู่บัพที่เอากลับมาค่ะหลวงพ่อแล้วเสร็จแล้ววันเนี้ยหนูให้น้องพาไปที่วัดนะคะหนูกะจะไปให้ท่านหลวงพ่อไม่เจอ<ม>หนูเลยเอาเอาเอาอะไรนะนมถั่วไปไปถวาย พาที่อยู่ที่ศาลาค่ะแล้วหนูก็ถามว่าลมพ่ออยู่ตรงกรุดไหนอะไรเงี้ยก็ท่านก็ชี้บอกมาแล้วหนูก็วนไปก็เดินจอดรถแล้วก็วนลงไปไปดูหลวงพ่อขุดเข้ากรุดแล้วเสร็จแล้วหนูก็นึกในใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะวนกลับอีกรอบเผื่อหลวพ่อจะออกมาวนไปสองรอบหลวงพ่อไม่ออกมาไม่ออกมาแล้วข้าหลวงพ่อข้าหลวงพ่อแล้วหนูก็เลยไปกลับศาลาหมอชีโงก่ะค่ะหนูก็ไปแล้วก็ กลับมาเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อหนูรู้สึกดีใจอะค่ะที่ที่ได้ไปแล้วก็ได้ได้ปฏิบททัติที่ได้เห็นว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆอะไรเงี้ยมันก็สามารถทําได้เห็นได้อะไรเงะะรี้ยค่ะอากที่บอกถ้าเราจริงกับธรรมะธรรมะก็จะจริงกับเราถ้าเราเล่นกับธรรมะธรรมะก็จะเล่นกับเราห น, หนูหนูทําแบบทั้งวันอะทําทําบางทีมันก็รู้สึกว่า เหมือนขามันไม่ไหวอะไรอย่างนี้ยค่ะสนุกก็พยายามค่ะหลวงพ่อกับปฏิบัติวันนี้หนูรายงานหลวงพ่อแค่นี้ค่ะหลวงพ่อกับขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงค่ะดีใจที่ได้ประสบครับสิ่งที่ดีจากการปฏิบัติหนูดีใจค่ะสาธุขอบคุณค่ะหลวงพ่อสาธุค่ะที่คุณกาลักซีเจเจต้ไม่ทราบผู้ที่นั่งกาลั จากนักพยารครับพระอาจารย์คาร์อยู่ที่ไหนผมอยู่โคราชครับเมื่อวันที่ยี่สิบสองพฤษหัตเตือนที่แล้วผมไปใส่บาตรพระอาจารย์ที่บ้านอําเภอแล้วผมไปกราบพระอาจารย์อยู่พระอาจารย์นึกออกได้ไหมฮะตอนนี้ อ, ออกมามขอทานอยู่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้ผมไม่ได้มาพั ก, มมพกผมไม่ได้ไปกราบอาจารย์นะฮะแล้วหลังจากใส่ตอนก่อนใส่ก็ปื้อปิติครับห ล, รหลังใส่กาลังใส่ก็ปิติครับไปนั่งใส่เสร็จแล้วอาจารย์กลับแล้วผมไปนั่งในรถผมนั่งร้องไห้เลยครับ มันปิติขึ้นมาที่เฉยเลยครับอาจารย์คนมาจากที่ไกลแลนะมาใส่บาตรเนี่ยแต่ละวัดท้ามาจากที่ไหนปัญญาไม่ได้เป็นคนพื้นที่แต่คนลาดครับอาจารย์พอดีไปไปพอดีลูกสาวเขาไปเที่ยวที่นู่นบ้านอำเภอแถวแวบ้านอนำเภอแล้วผมนึกได้ว่าไอ้พระอาจารย์อยู่ที่นี่นีกว่าก็เลยชวนแม่บ้านว่าไปสมรวจเส้นทางก่อนว่าอาจารย์ไปใส่ตรงไหนสปถามคนพื้นที่แล้วผมว่าตอนเช้าผมจะมาใส่บาตรที่นี่เขาก็ป้าคนนั้น่ะที่ปากตอยก็จัดการให้อย่างดีเลยครับอาจารย์ ครับดีมากครับอาจารย์ก็ก็ให้ผม ก, ก็ให้ปอนผอว่าไหวเจริญเจริญนะผมปิติมากเลยครับ อ, อาจารย์ครับแล้วผมมีปัญหาเรียนถามนิด น, นึงคือเมื่อก่อนผมปฏิบัตินะฮะนี่ช่วงหนึ่งอะ จิตมันลงรูปไปเฉยเลยฮะลงเหมือนเหมือนพระลงแล้วพระลงตาท่านพูดให้ฟังอ่ะมันมือนคนเดินจงแหเข้ามานะฮะพูดเข้ามาตรงนี้แต่แล้วพุทธเสกพาทธัสกค่ะผมพูดโทหายร่างกายหายแต่ทีนี้ผมอ่ะสติมยังอ่อนอยู่ผมไม่รู้แต่นั้นแล้วท่านทไม่หายก็แล้วกันท้มีตัวล้มอยูไม่ใ่ได้ครับเสร็แล้วผมก็นึกขึ้นมาเออความสุขอย่างนี้ในโลกมนุษย์เราไม่เคยมีผมไม่เคยเจออีกผมปรุงขึ้นมาฮะเจ้าภาพมืผมโอบไม่เคยเจอมีสุขหนอสุขหนอเจ้าภามันถอนตัวออกมาเลยครับ ไม่เป็นไร<ด><ะ>ม่ๆ ม, ม, ม, มันก็อยู่ไม่ได้เป็นยะาสติกําลังน้อยจะตีมนตันหน่อยสักออนนิด น, นิงถ้าฝึกบ่อยๆต่อไปมันจะอยู่ได้นะแล้วมันไม่ตื่นเต้นก็ไม่ได้มันอาจจะตื่นเต้นก็แล้วแต่แล้วหลังจากออกมาแล้วเนี่ยผมก็มาคิดว่าเออร่างกายกับจิตเราเนี่ยมันคนละส่วนกันผมคิดอย่างนี้นะอมันแยกกันเลยผมบอกร่างกายเราหายแล้วจิตเราอยู่ตรงเนี้ยร่างกายเรามันไม่ใช่เราเนี่ยเราก็คิดอย่างนี้ครับหลังจากนั้นผมก็ปฏิบัติเข้มมาก็ มีรักษาสติมีสติประจําวันอยู่ตลอดฮะแล้วก็ความทุกข์ทางใจน้อยลงก่อนใจเรื่อยเรื่อยมันการมีจิตใจเรามันจะเป็นอะไรให้เราไปทุกข์กับมันใช่ครับแล้วก็ความทุกข์เราจะเบาลงจะน้อยลงจะรู้ทันเร็วขึ้นโกรธก็น้อยลงมันมีอยู่ฮะแต่มันน้อยมันรู้มันรู้ทันนะน้อยมากครับผมแล้วแล้วก่อนนอนผมก็จะมีป่าผ้าเสร็จบางวันเนี่ยอย่างวันนี้ปกติผมจะนั่งนะฮะตอกกุ้งก็ไม่นั่งประมาณชั่วโมงหนึงพอดีนึกได้ว่านี้มีซูมพระอาจารย์ ผมเลยตัดใจไม่นะฟังทำดีกว่าครับผมนั่งหมดเลยก็น่าเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มทำก็ไปนั่งต่อได้ครับแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยผมกับผ้าเสื้ผมจะแขงขวานะแล้วก็จะพูดโทจนหลับส่วนมาจะไม่ค่อยฝันหน้าจะหลับครับดีมาก็นหลับลึกครับแล้วนอนไม่นานเลยท้านอนแต่แขงขวาไม่เยอะนอนไม่มากครับผมอาจารย์มีอะไรจะแนะนําผมไหมครัก็ทาให้มากขึ้นพยายามรักษาสติฝึกสติสมาธิไปบ่อยๆพยาาไม่ได้ทําสมาธิก็ สนใจเรื่องอนัตตาอยู่เพียงแล้วนั่ ง, นงการไม่ใช่ตัวเราเรีนาไม่ใช่เราครับผมแล้วช่วงกลางวันผมจะเปิดแอดยูทูบทางธรรมะครูบาอาจารย์นะ<ช>ฟังส่วมาจะฟังกับทั้งวันได้ดีดดดดครับครับผมเรื่องว่ญญาณจิตใจดีกว่าฟังการบ้าน ก, การเมืองเราปวดหัว ผ, ผมอันนั้นยุ่งครับลงทง<ช>ั้งโลกยุ่งมากเลยครับ<ช>แล้วมันไม่ทําให้จิตใจเราจเจริญขึ้นเลยอะมีแต่โมงเรื่องทําให้จิตใจเราเศร้างใช่ครับมีแต่ทาให้จิตใจเราเ้อหมองครับ ตนนั้ผมก็พยายามจะวแล้วคุยเรื่องอะไรถ้าคนอื่นมาคุยเรื่องอะไรผมจะฟังแต่จะไม่ค่อยใส่ใจฮะฟังแบบเบสฟังจริงอ่ะเข้าหูใช่หรือออกหูายไปมันฟังแล้วไม่ทำไม่ให้ใจเราได้ประโยชน์ไม่ได้มันไม่ทําให้ใจเราจะเลื่อนแล้วผมผมก็ฟังไปอย่างนั้นแหะแล้วตอนนี้ผมมีช่วงหนึ่งเนี่ยเมื่อวันที่เก้าเนี่ยคุปนมันมันเสียชีวิตแม่ผมอ่ะผมก็คิดว่าเออจะไปใส่บาตรที่ไหนทําบุญหาแม่ที่ไหนนะ ก็พอดีวัดหลวงวัดแขงธรรมนะฮะหลวงพ่อหลวงพ่อโสภาที่วังเขียวเขียวอะวังน้ำเขียวแต่เมืติก่อนท่านประกาศปิดไงหลวงพ่ออุไทัยท่านก็พอดีอาพาธเนอะหลวงพ่ออุทยที่วัดเคยก็เมื่อก็ไม่รู้จะไปที่ไหนคิดว่าถ้าจะไปทําบุญผมจะขี่รถจากโคราชไปใส่บาทพรอาจารย์ที่บ้านอับเคยนะใจคิดอะใจเอาขนาดนั้นทีนี้ทีนี้ผมก็พอดีขับรถไปกับแม่บ้านไปดูว่าวัดหลวงพ่อโสภาท่านเปิดได้ยัง พอดีไปเจอพระที่กาลังทำความ่างท่านบอกว่ามาม า, มาใส่บาตรอะไรได้เลยผมก็เลยได้ไปใส่เมื่อวันที่แปดวันพระแต่องค์หลวงพ่อไม่อยู่สลวงพ่อองค์หลวงพ่อไปป่าสักญ า, าติโยไมไปปล่อยปลาที่ป่าสักโชลสิทธิ์นะครับไม่เจอโดยที่มันจริ ง, รงทาบุญที่ไห น, หนหไไก<ม>็ทําได้หล่ะโยมไม่จำเป็นจะต้องไปกลกได้ผมผมผมไม่รู้ผมคิดว่าทําบุญกับพระที่ คมรู้สึกผมนะฮะผมว่าทําบุญกับฟ้าที่ปฏิบัติดีชอบสุปฏิปันโนนผมว่ามันปื้มกันเยอะอาจารย์ได้ถ้ามีก็ดีถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็ทําทําทานก็ได้ทําทานก็ผมผมจะใส่บาตรที่หน้าบ้านทุกวันนะแทบไม่ขาดแทบไม่ขาดฮะจะใส่ทุกวันตั้งบาตรตอนเช้าแต่ใส่ก็ก็ก็เวลาใส่ผมก็จะ ประวังผมก็สู่ปฏิปันโนพระกุมตสาวก ส, สังโคสังขังนั่งมา อ, อบูชาพระพุะทธธรรมว่าสองแบบใช่ค่ะผมจะใช้อันนี้เวลาใส่เตอะคือเราจะไม่คิดถึงว่าพระ น, นั้นสิ่งนี<ช>ไ้ไม่ค่อยนั้นคิดไม่คิดเป็นปฏิบัติบูชา 3, 3, 3, 3, ชบ <S <s ูชาตามคำสั่งพระพุทธเจ้าใช่ครับผมจะใช้วิธีนี้ออกไว้มีโอกาสผมจะไปกราบพระอาจารย์อีกนะครับกราบเชิจ้ะอยากไปฮะศรัทธาพระอาจารย์มากเลยครับผม ครับผมครับมีเท่านี้นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับที่ท่านต่อไปคุณเอกจากเชียงรายเป็นคุณเอกการมรดกการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงมีอะไรไหมวันนี้ครับวันนี้กับบอกความไม่ตาพระอาจารย์ครับเออคดีตอนนี้คือถ้าท่านนั่งนะครับพระอาจารย์เออมันก็คือติด จิตมันจะเห็นมันจะเห็นไปว่าไอตัวพุโทโธพุทโธจะเป็นอีกอีกส่วนหนึ่งฮะอาจารย์มันเป็นคือไม่มไม่มไม่ไม่สําคัญหรอกไม่สําคัญคือนั่งเพื่อให้มันจิตหยุดคิดหยุดให้จิตมันนิ่งให้มันสงบรครับครับไพยายามอยู่กับพุโทโธไปอย่าไปอย่าไปเผลออย่าไปคิดเาารื่องทำงานให้จิตมันนิ่งก็จิตน้ะว่าจะดีกว่าครับผมครับผมอาจารย์คือคืออย่างนี้ครับอาจารย์ เอ่อความคิดไม่ใช่จิตใช่ไหมครับอาจารย์ความคิดก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตเป็นเป็นครับผมแต่ไม่ใช่ตัวจิตตัวจิตคือตัวจิตนั้นเป็นสังขารเป็นสังขารเป็นขันเรื่องมันนามะขันซึ่งซึ่งมันออกมาจากจิตใช่ไหมครับอาจารย์ใช่มันเป็นมันเป็นความสามารถของจิตไงจิตมีความสามารถอยู่สี่นะสามารถคิดสามารถจําสามารถรับรู้สิ่งจิต้แเราสามารถ รู้สึกกับสิ่งต่างๆได้มีความรู้สึกสุขทุกไม่สุขไม่ได้นี่เป็นเป็นความสามารถของจิตเรียกว่านามาคทงสี่ค่ะผมค่ะผมค่ะผมคือมันมันไปกับจิตจิตไปไหนก็ไปกับมันแต่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเกิดดับเกิดดับเหมือนหีนห้อยแสเหินห้อยแสงหินห้อยกระดับกระดับแต่ตัวหินห้อไม่ดับไปกับแสงใช่ไ้มค่ะผมค่ะผม ช้างขามก็เกิดเวลาขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาพอหยุดขึ้นมันก็ดับไปครับผมครับผมมันเปลี่ยนไปทิ้งทีงนี้แล้วก็ไปทิดด้งที่นั่นต่อมันก็เป็นมันก็เป็นอนุจาร์ครับเกิดว่าถ้าถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเราไม่นั่งอย่างเงี้ยมันมันจะไม่เห็นใช่ไหมเวลาประจานถ้านั่งทำมันสงบเข้าไปมันถึงจะออกมาให้เรารู้ใช่ไหมเออไม่ต้องการจะเห็นอะไรนนััเราเราต้องการเราต้องกานความสงบเองเนี่ยครับผม ความสุขที่เป็นความสุขอย่างยิ่งมันจะทําให้เรามีกาลังใจในการปฏิบัติทําให้มากขึ้นและมีกำลังที่จะสู้กับกิเลสตัณหาได้มากขึ้นครับครับโอเคเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์เนื้อฝึกสติไว้เรื่อยสติเป็นบุญแจสําคัญที่สุดครับมันจะพาเราไปสู่ความรู้ต่างๆครับที่ต่างๆที่มีในใจเราต่อไปเราก็จะเห็นมันขึ้นมาเอง ครับเพราะว่าเพราะว่าผมช่วงนี้มันมันจะค่อนข้างบ่อยมากเวลาเวลานั่งไปถ้าจิตมันมันสงบลงเงี้ยมันจบพูดไปก็เบาไปเบากายเบากายมันก็เบาจิตมันก็ก็เบาด้วยอาจารย์ก็สบายอยู่มันแต่มันไปเงี้ยครับอาจารย์ดีจุดสงบมันก็จะเบาสบายนะครับแต่อย่าหลับนะแตหลับเท่นั้นเองนะถ้ามีสเตจอยู่ตัวตลาดเวลา ครับไม่หลับครับอาจารย์ไม่ไม่หลับก็ตื่นมาถ้าเกิดเออถ้าเกิดตอนเช้าถ้าเกิดว่านั่งไปแล้วดูแล้วมันมันไม่นิ่งมันอะไผมก็ลุกมาอาจารย์ลกมาบางทีก็เปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่นะครับเปลี่ยนมานั่งอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็ต้องมีการทดลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ้างจได้รูว่าอย่างไรดีอย่างไรอย่างไมีประโยชน์สระการนะครับผมครับผม ครวันนี้แค่นี้ครับอาจารย์ครับกับผมพระอาจารย์ครับผมครับต่อไปนะอย่าเลิกนะครับผมครับผมปฏิบัติอยู่แล้วครับพรอาจารย์ครับผมไม่ไม่ไม่ลดละครับพระอาจารย์คุณหนุสบายสบายอยู่ที่ไหนอาจารย์นายพูดได้เลยผมอยู่มุมซ้ายหน้าของจอนามสการครับอาจารย์ผมนี้ฉันอยู่ที่ไหน ผมอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับวันนี้เข้ามาเจอพาร์าการเป็นครั้งที่สามแล้วครับได้พูดคุยครับได้พูดคุยกับพาร์าการแล้วหนึ่งรอบครับแล้วก็ครั้งที่สองก็ผ่านทางเอกหมอบีครับส่งคำถานขึ้นไปครับแล้วก็ครั้งที่สามก็ เมื่อวางก่อนนะครับแต่ว่ามาไม่ทันที่จะถามคำถามขึ้นไปครั้งนี้ได้มาถามคำถามก็เป็นครั้งที่สี่ครับก็มีความปิติครั บ, รบมีความปิติมากที่ได้เจอพระอาจารย์ตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับคำถามอะไรในวันนี้ก็ตอนที่ผมเริ่มปฏิบัติธรรมอะครับ ก็เมื่อประมาณปีถูกหนึ่งครับช่วงนั้นก็คือปฏิบัติอ่าไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับเริ่มจากถือศีลฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิแล้วทีนี้ตอนนั้นก็คือปฏิบัติอย่างดีที่สุดเท่าที่แบบโตมาเราจะมาปฏิบัติครับแล้วทีนี้ก็เคยปีติเคยพเคยได้อุเบกขาในช่วงนั้นแล้วเวลาต่อมาก็ อ่าผมไปอยู่ในที่ที่อ่าคนไม่ค่อยมีสิงกันอยู่ช่วงหนึ่งครับแล้วแรกๆเราก็ยังทรงอารมณ์อะไรต่างๆไว้ได้ดีแล้วทีนี้เมื่ออยู่ไปนานๆก็เหมือนโดนกรรมเก่ามากระทบทําให้เราผิดไปทีละข้อสองข้อกับมีคำถามไหมมีคำถามไหมครับ ไไมจะ้ปทวคาถามครับก็คือว่าถ้าผมจะปล่อยมาเดินต่อให้เป็นทางตรงไปที่ปฏิบัติต่อทุกวันนี้ยครับถ้านี้จะไปถึงไหมครับก็ถ้ามือนกับการเดินทางถ้าเดินทางไม่หยุดมันก็ต้องถึงเนี่ยนะถึงเดินก็ถึงช้ า, งาทุกครับพระเจ้าบอกว่างคนก็เจ็ดวันบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปี ครับขอบพระคุณพอาจารย์มากครับนะังั้นก่อนเราปฏิบัติอย่าหยุดกะแล้วกันนะปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะมันก็จะได้ไปถึงระดับขึ้นกันครับ อ, อาจารย์สายทีมต่อวันนี้อยู่สารการกับนรัสการพระอาจารย์เ จ, จ้าค่ะวันนี้อยู่ขอนแก่นค่ะขอนแก่นค่ะพรุ่งนี้มไม่มีงานวันนี้เลยหนีมาขอนแก่นค่ะพระอาจารย์ให้เวลาขับรถจัด จากสารคามมาที่คอนแกนนานะค่ไอ่าหกประมาณหกสิบกิโลค่ะประมาณห้าสิบนาทีก็ถึงบ้านค่ะใกลบ้านค่ะใกล้บ้านค่ะบ้านหนูอยู่ฝั่งฝั่งมาทางทิศที่จะไปสารคามค่ะก็เลยไม่ต้องเข้าเมืองมามาถึงมาถึงที่บ้านก่อนค่ะพระอาจารย์ค่ะรายงานการปฏิบัติเป็นคำเดียวกับชมแพนสิครับไม่รู้คนละทักทักฝั่งชมแพจะไป นูนุจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับชุมแพค่ะพระอาจารย์ต่มาทางใารๆถ้าชุมแพจะไปเลยจะไปขึ้นไปทางทางเหนือะค่ะ่คะถ้าสารคานจะไปขึ้ผ่านไปทางชุมแพเคยไปเคลื่นยราพรใชครอ๋อค่ะบ้านหนจะอยู่คนละฝั่งกับทางที่ไปชุมแพค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่งานการปฏิบัติเมื่อวานค่ะพระอาจารย์ที่บอกว่าวันอังคารจะเป็นวันงดงดการทํางาน ตั้งใจว่าตื่นเช้าจะถึงห้าทุ่มค่ะจะไม่จะไม่ทํางานถ้ามีงานค้างจะทำหลังห้าทุ่มขอปฏิบัติก่อนค่ะกะ็นั่งสมาธิเดินจงกรมค่ะพระอาจารย์เพราะว่าปกติไม่เดินจงกรมแต่คราวนี้ต้องเดินแล้วค่ะเพราะว่านั่งทั้งวันไม่ไหวค่ะพระอาจารย์ก็เลยนั่งสลับเดินค่ะแล้วมีช่วงที่นั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์เวทนามันขึ้นมาแล้วปวด ปวดที่ก้นที่มันติดกับพื้นค่ะพระอาจารย์ปวดมากๆก็เราก็คิดในใจว่าตั้งแต่ว่าจะฟังนั่งสมาธิโดยฟังเทปธรรมะบนข่าของพระอาจารย์ก็คือประมาณสองชั่วโมงจะต้องนั่งให้จบให้ได้ค่ะพระอาจารย์คือจะเจ็บปวดยังไง ก, ก็จะทนแล้วมันก็ปวดมากๆจนแบบใจสั่นเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็โอ้ะพอละมานแต่ก็พูดโธแล้วก็ดูลมหายใจถ้าไม่ได้ก็อิติปิโสตามที่พระอาจารย์ อพระอาจารย์สอนค่ะก็กพยายามพิติปิโสลแล้วก็ดูลมหายใจก็สู้มันไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ก็ทรมานมากจนท้ายที่สุดค่ะพระอาจารย์ทนไปเรื่อยๆแล้วก็เจ็บมากคือสมาธิเนี่ยไม่ได้แต่ว่าสู้กับเวทนาเราคิดว่าเอ้ค ร, รูบาอาจารย์บอกว่าไม่มีใครตายจากการนั่งสมาธินะแล้วก็เอาคํานี้มาช่วยช่วยปลมใจใจเองว่าต้องสู้ค่ ะ, คะพระอาจารย์แล้วก็ นิจจันหรป้าตายแต่เราก็คิดว่าเอ้านั่งสมาธิมันไม่ตายหรอกแต่ก็เอาคํานี้มามาปลอบใจตัวเองแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ตนท้ายที่สุดมันมันมันมันคลายค่ะพระอาจารย์มันเหมือนแบบรมียการของแบบแถวขากที่นั่งเห็นมันชาเหมือนแบบชาแล้วก็คอ่ค อ, ยคอยค่อยค่อยคลายหายไปค่ะพระอาจารย์แล้วก็เห็นว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะก็เลยว่าเออมันมมหายได้จริงจริงพิจนาไม่เที่ยง ค่ะมันมันหายได้จริงๆแต่ว่าโอ๊ยกว่าจะผ่านมาได้นี่แบบ ต, ต้องใช้คามใช้ใช้สติสู้กับมันแ ต, ต่พุทโธมันหมดไปค่ะเราเราไม่ไม่ไม่ได้สมาธินะคะพระาอาจารย์ไม่ <c oughs> ได้ไม่ต้องได้ไม่ต้องได้สมาธิท่า น, นเจอวิทยนาผ่านมันได้ก็ใช้ได้อ้าค่ะทีนี้พอ <c oughs> พอพรผ่านเราก็คือเทปธรรมะของพระอาจารย์บนเขาก็จะจบจบจบอ่าจบไปเทศนึงแล้วค่ะแล้ว เราก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะนั่งต่อได้ไี่ก็เลยนั่ง่อไปอีกสักพักค่ะอาจารย์เพราะว่ามันไม่เจ็บแล้วค่ะก็เลยนั่งไปแต่ว่าก็สมาธิก็ลงไม่ไม่ลึกค่ะอาจารย์น่าจะลงแค่ระดับระดับเดียงค่ะก็ไม่เป็นไรขอให้มันผ่านเวทนาไปได้มันแก้ปัญหาไปได้หล่อใหญ่ใหญ่เลยงจะงั้นจะเจอเวทนานี้ตัวไรก็จะถอยทันที่ไปเราไม่ต้องถ่ายมันละเราเริ่แล้วว่ามันเราชนะมันได้ มันหนีเราถ้าเราไม่หนีมันมันต้องหนีเราเค่ะก็เลยมีกําลังใจว่านั่งนั่งต่อไปก็เวทนามาเลยตอนนี้ออกมาเลยมาจะได้สู้กันอีกทีดู้สึว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นความสนุกกับเวทนาค่ะพาราจันมาเลยมันไม่น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนที่เราเคยคิดหรอกเราเปนกลัวไปเกลียดมันเองค่ะก็แต่ว่ากว่าจะผ่านไปได้ใจแบบเหมือนตัวจะสั่นแบบว่าโอ๊ยใจสั่นเลยค่ะพาราจัน ถ้ามันไม่มันไม่ทรมามันไม่ผ่านค่ะก็เลยเอ้ยพอผ่านได้ก็ดีใจค่ะพอาจารย์เอ้ามันเป็นอย่างนี้นี่เองตอนที่มันหายแล้วก็พอแล้วก็อ่าก็ได้นั่งสมาธิอยู่ในในวันนั้นค่ะก็ก็หลายครั้งก็รู้สึกว่าเปฒนามันมันไม่ปวดเท่าเดิมค่ะพระอาจารย์มันเหมือนดูมันเบาลงแต่ว่าก็ไม่ได้หายไปก็อยู่กับมันได้ค่ะอาจารย์ก็เลย ก็เลยก็เลยโอ้ดีจังเลยทำาำให้เราเปความมั่นใจกับการปฏิบัติมากขึ้นใช่ค่ะก็ก็เลยนั่งแล้วก็ฟังธรรมะแล้วก็เดินจงกรมอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ตอนแรกคือนั่งนั่งเดินจงกรมตอนแรกสิบห้านาทีค่ะพระอาจารย์เพราะว่าปกติไม่ชอบเดินไม่เคยตอนหลังเพิ่มเป็นสามสิบตอนหลังเพิ่มเป็นหนึ่งชั่วโมงเพราะคิดว่าเอาเอาแบ่งเวลามาไม่งั้นต้องนั่งนานค่ะเดินก็ดีจะได้มีสติมากเดินค่ะเดินแล้วก็รู้สึกว่า มีความสุขกับการเดินมากขึ้นค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าไดเดินก็ดีนะอะไรเงี้ยค่ะเดินจะกลงนะว่ามได้สุขภาพที่แข็งแรงด้วยนั่งกายแข้งแรงได้ออกกาลังกายเพราะเพราะไม่งั้นเรานั่งตลอดขาน่ขาน่าจะเป็นน่าจะเจ็บอะไรเงี้ยค่ะเดินจะเป็นไหวได้ค่ะนั่งเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนด้วยอยู่แต่นี้ห้องเลยค่ะอ๋อลืมบอกว่าอาจารย์ว่างดงดอาหารด้วยค่ะแต่ว่าก็ดื่มน้ําปลาน่าอยู่ค่ะ เนในนักธรรมอย่างเนี้ที่ทเรียนในตักกวพวกมีทําอาวุธของพระพุทธเจา้าในวิเศษถ้าเรารู้จักใช้ค่มคะแต่ก็ก็วดอาหารไปหนึ่งวันก็รู้สึกสบายท้องร้องนะคะพระอาจารย์แต่ใจมันเฉยเฉยใจมันไม่หิวเลยค่ะพระอาจารย์รู้สึกเอ๊ะทาไมเอ๊ยมันบมันเบาสบายดีจังท้องก็ร้องไปมันแล้วไม่ถึงกับร้องแบบมันคๆๆนึืๆนคลื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ใจมันไม่อยากใจมิลเบกาค่ะ แต่เลยคิดว่าเดี๋ยวทุกวันน live uh, ังคารน่าจะไม่ทานอาหารเลยเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติงานอะไรที่มีก็ก็เบี่ยงเบี่ยงออกไปจากเวลาที่เราตั้งใจค่ะแล้วค่อยทนอกเวลาที่ไม่ใช่มานนัะตอนกําหนดตารางถ้าเป็นไปก็ไม่กําหนดก็ไม่ได้ทํเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดมาจนจังหวัดได้เคยทําแบบนี้ไม่เคยไม่เคยตั้งใจขนาดนี้ค่ะก็นั่งเฉพาะช่วงมีเวลาแล้วมันก็จะได้สั้นๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไม่เคยสู้กับเพีนาได้ เพราะเราเป็ น, นคนที่แบบไม่ไม่ไมไมค่อยเทนกับความเจ็บปวดอะไรเงี้ยนต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถึงจะสู้กับมันนะสติต้องต่อเนื่องค่ะก็คิ ด, ดว่าจะต ONG ้องต ONG ้องทําไปเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มขึ้นไปต่อต่อไปก็ <ๆ S 1> จะเป็นสองวันทีละสองวันสามวันลด <laughs> งานลดงานให้น้อยลงไปเรื่อยๆทําเป็นทํำไมสายไปก็อะไรไปไม่ได้ค่อยๆค่อยๆขยับออกไปใช่ไหมคะแพท ขยาเวลาของธรรมะให้มากขึ้นมากขึ้นตัดเวลาของกิเลสให้น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วทำไมไม่มีเวลาให้กิเลสแต่มีแต่เวลาให้ธรรมะอย่างเดียวอืมค่ะต่อไปสงสัยจะอยู่วัดนะคะพระอาจารย์แน่นอนอาจจะไปปวดชีอะไรก็ได้ตั้งเป้าอยู่ค่ะเอ่อมีมีคําถามนิดนึงค่ะพระอาจารย์เรื่องของสังโยชน์ข้อที่ห้าค่ะข้อที่สี่นี่ยากหนูข้ามไปข้อที่ห้าเรื่องมันมาคู่กันมันมาคู่กัน หนูรู้สึกว่าพยาบาทมันน่าจะเป็นข้อที่ง่ายทำไมถึงเอามาไว้ข้อที่ห้าแล้วก็มันมีความละเอียดมากน้อยแค่ไหนอะค่ะเรืมันไม่ใช่พยาบาทมันปฏิฆะความหงุดหงิดความหงุดหงิดใจเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาไม่ได้เสกกรรมันก็หงุดหงิดอืมความหงุดหงิดลําคาญใจใช่ไหมอ่ามันมันตามมันมาจากการที่เราเกิดมีการอารมณ์ขึ่งมาการมาาคัตขึ้นมจะเสกกรรมหงุดหงิดที่ไม่ได้ไม่ได้นะทำเสร็จที่เราไม่ได้เสร็จ พอได้เสพมาอาการมุนิดก็หายไปอืมแต่หาไปแบบชั่วกาวเดี๋ยวพออยากจะเส็กความอยากจะเสพการเกิดขึ้นใหม่ความมุนิดก็ตามใหมา่คนที่อยู่ใช้ไม่ได้เวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาต้องต้องเสพการเป็นยาบรเทาการมุนิดที่ ไ, ไม่ได้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ไม่ได้เสพการไม่ได้เสพการในใ น, ในทุกๆเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการ อันนี้เกื่ยวกับการมาราคาอะไรเนี่ยมาในรวมแับนอนกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะแล้วก็เรื่องของการที่เป็นเรื่องของแบบรูปลดกลิ่นเสียงอะไรพวกนี้อันนี้มันรวมมันถ้ามันมารวมเป็นตรงนี้หมดบบเวลาเสพการนี่มันรวมในรอปเสียงกลิ่นร้อของแฟนเข้ามาหมดอย่างเราไม่มีแฟนเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ไม่มีแฟนแต่เราก็ยังนึกถึงถ้าพนึกถึงคนที่ สุดท้าอยอาจจะเสด้วยอาจจะมีคนที่เราอาจจะแ บ, บบว่ามันเหมือนผ่านผ่านเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมเห็นว่าถูกออกถุกใจอ๋อก็คืออาจจะไปทําให้เกิดตรงนี้ได้ใช่ไหมคะได้ก็ต้องลองจับใจไส่ภูมิเขามันก็จะหลับไันได้เออพร ะ, าะอาจารย์คะทีนี้เรื่องของของอพิจารณาร่างกายหนูพิจารณาไม่เหมือนคนอื่นค่ะพระอาจารย์ หนูเห็นไปถึงขั้นเป็นเซลล์แล้วก็เป็นความว่างไปเลยอะค่ะอันนั้นอันนั้นก็ได้อะอันนั้นเห็นเห็นเป็นด้าตาเห็นเป็นน้านตาไปเป็นธาตุไปถ้าเป็นเซลเข้าไปนั่ก็เป็นธาตุเป็นธาตุดินน้ำไฟอันนี้ก็ต้อองืพระเจ้าบอกให้ไม่มันมีหลายแง่มุกต้องพิจารณาในแง่มุกแง่มุกของธาตุก็ต้องพิจารณาแล้วร่างกายนี้ไม่มีตัวตเน้นแต่ มีแต่เซลล์มีแต่อาตอมมีแต่โมเลกุลถ้าเราเป็นนักศึกษานักวิทยาศาสตร์เราไม่ยังมองอย่างนี้ได้อ่หนูมองเห็นเป็นอะตอมแล้วก็เป็นโมเลกุลแล้วธาตก็เป็นพันธาแล้วก็ไม่มีอะไรเลยก็มีอะไมีไนโรเจมีไนโตรเจนออกซิเจนอะไรทั้งหมดาร์บอะไนโตรไลน์เข้ามารวมกันมันก็เป็นธาตุไม่เห็นเราเด็กปุ๊บมธาตุไม่เห็นใช่ค่ะหนูหนูมองเป็นอย่างนั้น อันนี้ก็ได้นะอันนี้เพื่อจะดูว่ามันไม่มีตัวตนว่าเราไม่ได้มีเราไม่ได้อยู่ในร่างกายค่ะเหมือนมองร่างกายเราก็ท้ายสุดก็คือความว่างตัวนั่งนั่งอยู่นี้ก็คือไม่ว่างไม่ว่างนี่แต่ว่ามันมันมีอยู่มนเรียว่างจากตัวตนนึงไม่มีตัวตนแต่มันมีออกซิเจนมันมีท่าหนึ่งต่างมีส่วนว่าซีฟันหนึ่งมันก็ต้องแยกมันก็ต้องแยกแยกออกแากกันไป เพราะฉะนั้นถ้าเผื่มีคนที่เราคิดว่าแบบไอ้ยผ่านเข้ามาเราก็มองไปอย่างนี้ ค, คนไม่ได้หรอถ้าการมาลมันไม่ดับมด้วยอย่างนี้ครับการมันต้องมองส่วนที่ขยะขยนเป็นอสุภะใช่้ไหมถ้าดูอสุภะมันว่ามันเหนมันกลิ่นมันเหม็นเห็นลาไส้กับตับไตอะไรอย่างเยังนงดับการมาลง ไ, ได้ ที่อาจารย์พิจารณาเมื่อกี้มันดับการยึดถือว่าร่างกายเป็นตัวตนคนละเรื่องกันแต่ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันก็คือต้องเห็นตายรักเห็นทั้งเห็นทั้งห็นว่ามันเป็นทุกเวลามันอหยีใจที่จะไปเกิดการมารมขึ้นมาเรื่องหยีใจไปชอบร่างกายของใครชอบมันก็หยีใจทำให้เราหยีใจขึ้นมา แล้วถ้าถ้าอย่างเรามองเห็นเขาปุ๊บก็เห็นหนังเห็นฟันแล้วก็แล้วก็เห็นความแก่ของเขาอย่างนี้ละคระอาจารย์ก็เห็นแบบนั้นก็ได้ขอให้มันเห็นแล้วมันทําให้การอารมณ์มันดับไปที่ได้กันแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะจะพยายามพิจารณาอสุภาด้วยค่ะพระอาจารย์จะได้แบบเห็นกองกระดูกเดืยแต่เจอกองกระโหเห็นกองกระดูกไหมเออเห็นกองกระดูกมีกองกระดูกไหมค่ะก็เป็น มองให้เป็นโครงกระดูกใช่ไหมคะพระอาชญา์เห็นเป็นมองเข้าไปให้เห็นโครงกระดูกมันมีอยู่แต่รเราไม่คิดถึงมันเองใช่ไหมมีหรือเปล่าในร่างกายทําในโครงกระดูกมันหรือเป่ามีค่ะคย <c oughs> ังม ไ, มไม่เคยคิดถึงมันใช่ไหมค่ะไม่เคยคิดไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมไม่ไม่ได้มองค่ะอ่านมองมันบ้าอืมอันกลับก็มามองตัวเองแล้วก็มองคนที่เราอาจจะผ่านรู้สึกดีอะไรเงี้ใช่ไหมคะผูาา้อาจารย์ ก็ต้องมอ ง, องคนเดียวไม่หรอกถ้าเราถ้าถ้าเราเกิดกรรมเราไม่ต้องมองคนที่เราทำให้เรารู้สึกเนี้ยก็คือทําให้มันดับการมหลง อ, อ่ส่วนเราถ้ามองตัวเราเรามองเพื่อนดับความหลงว่าตัวเราสวยเรางามมองเห็นคนชอบที่ว่าเราสวยทํางามก็ก็ให้มองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังของเราเองค่ะมองเห็นความไม่สวยไม่งามนะฉะนั้นะ ไ, ไม่ทำไปเสียเงินไปไปทําสัญญกรรมตกแต่งอะไรให้เสียเวลา ตอนนี้ปล่อยตัวมาเลยไปตไัดฟ้าคือเพราะว่าไม่แต่งไม่แตองยอมไม่แต่ตเลยไม่ต้องย้อมผมย้อมผมมาเลยให้เวลาแล้เพียงแต่ดูแลให้มานสะอาแล้วก็ให้มันเรียบร้อยครบถ่อ ง, องให้มันเป็นธรรมชาติเป็นยังไงดูแลแบบธรรมชาติ ตอนตอนนี้ ก, ก็ก็ปล่อยค่ะพระอาจารย์ปล่อยไม่ไ ม, ไม่ทําไม่อะไรเลยค่ะอะแต่อย่าปล่อยมากจนกระทั่งคนเข้าใกล้ไม่ได้นะครับที่ไม่ถามไม่ค่ะพระอาจารย์ค <laughs> ่ะก็ตอนนี้สิลก็ประมาณเจ็ดจุดเจ็ดห้าค่ะพระอาจารย์ทุกว <c oughs> ันอีกนิดนึงค่ะพระอาจาร <c oughs> ย์เรืองติ๊นึงที่ยังยังตัดไม่ได้แต่จะพยายามหนึ่งค่ะ <Okay. S 2> ใกล้จะได้สี่แปดในทุกๆวันแล้วค่ะพระอาจารย์ดีมากพยายามไปเรื่อเ<ร>ยเราพยายามที่ไห น, นอยู่ความสำเร็จที่นั่นนะค่ะจะพยายามไปเรื่อยเหมือนที่พระ้าจาย์สอนค่ะแล้วก็อ น, นาคตน่าจะขยับพยายเวลาเพิ่มขึ้นค่ะพระอาจารย์ค่ะดีเอามาได้เจ็ดวันเลย่อไปค่ะพระอาจารย์นึกแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้คก<อ>็โอนลาออกจากงานแล้ว น่าจะค่ะแป็นแผนไว้อยู่ค่ะพระอาจารย์ถ้าเรากินน้อยใช้น้อยมันก็ไม่จาเป็นจะต้องหามากใช่ไหมใช่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเราก็แบบเอ๊้เรากินแค่นี้เองคิดเป็นราคาต่อวันนิดเดียวกินข้าวกินหมูนิดหนึ่งกินไก่ผัินนิดหนึงรายงานขั้ต่ำก็อยู่ได้ละรายงานวันละสามร้อยเนี่ยเรากินแล้วเราไปทางานได้ค่ะพระอาจารย์ในอนาคต สมัยที่เราเผลอสมัยที่เราผเราผอเรากินวันละมื้อเดียวกินสองกินก๋วยเตี๋ยวชามข้าวข้าวมันไก่หรือข้าวหมูแดงจาน ก, ก็อยู่ได้สมัยนั้นข้าวหมูแดงก็สามบาทก๋วยเตี๋ยวก็สองบาทมันละห้าบาทก็อยู่ได้ค่ะก็ค่ะอ า, า, าจาราาย์อนาคตว่าจะค่อยๆสมัยนี้ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่อยากดูไม่ได้ซื้อมานานละห้าสิบบาทห้าสิบแล้วเนี่ยโอ้ จากสองบาทมาถึงห้าสิบค่ะอ า, าจารย์สมัยนั้นอตอนสมัยที่เราปฏิบัติอยู่ที่บ้านคนเดียวนี่แค่สองบาทข้าวมันไก่ข้าวอะไรนี่สามบาทของจา์ก็หินนะกินน้ำาป่าจบอ่ะตอนนี้สงนะนนองบาทไม่ได้ละค่ะอ า, าจารย์ประมาณก็ได้ได้ข้าวสงคำนะ้องุช้อนก็เดี๋ยวจะตั้งใจว่าอันะ อีกสักหน่อยค่ะพระอาจารย์จะลดเหลือข้าวเป็นมื้อเดียวค่ะพระารอาจารย์ตอนนี้ก็คือสองมือ้อค่ะแล้วจะดีร่างกายจะได้ลดน้ําหนักลงไปเยอะแยะคือเมื่อกี้อ้วนค่ะพระอาจารย์ปล่อยปล่อยมากเลยค่ะแล้วก็อ้วนแต่ก็อยากให<ต>้ <ไป S 2> ติดนะบางทีมันพอมันติดออกนานๆนก็ผอมเนีทั้งเนือกับขดูกต็ต้องต้องต้องอย่าให้มันไปถึงขั้นนั้ น, นให้มันคต้องอยู่ระทางสายกลาง พอดีพอดีใช่ไหมคะพอดีไม่วนไม่พ้อมตามตามกดของแพทย์น้าหนักแค่ที่ชงแค่ที่น้ําหนักตอนเท่านี้อะไรอืมค่ะจะจะค่อยค่อยค่อยค่ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวมารายงานแล้วก็มาถามพระอาจารย์เรื่อยอ่ามีถ้ามีการขื้นหน้ามาไล่มาดายก็ดีใจด้วยจะได้รู้ว่าไม่เสียเวลาที่เรามานั่งสอน ลองสอนลองมาเจอทอ่าเดิมไม่รู้สอนไมทําไมให้เสียเวลาค <c oughs> ุณต้องพยายามให้มากขึ้นเพราะว่า <c oughs> พระอาจารย์ก็เหนื่อยทุกๆุกวันจริงๆก็รู้สึกเหมือนท่านอื่นๆแต่ไม่ได้พูดค่ะรู้สึกว่านิใจมากๆที่ที่ได้มาเจอพระอาจารย์เพราะว่าปกติไม่ไม่ไม่คุยกับพระไม่เป็นเลยค่ะจะ <c oughs> รู้สึกว่าเออเราไม่ค่อยไม่ค่อยคุยกับพระแต่แต่มีพระอาจารย์แล้วก็เหมือนเรา เจอในสายที่ที่ที่ที่เป็นเราค่ะพระอาจารย์ได้เจอครูบาอาจารย์เป็นบุญมากๆเลยค่ะโอเคข้านี้ก่อนนะข้านี้ก่อนค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ที่คุณจีบต่จีบมีก็อยู่อเมริกาอเนี้ยใอเมริกา USA ช่างน่ามั่งค่ะพรอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะคะอทํางานมั่อทํางานอยู่ค่ะวันนี้โยมย้ายมานั่งข้างหน้า เพราะว่าเพื่อนลงงานอีกคนนึงไม่มาโยมเลยต้องวันั่งหน้าอฟิสค่ะรับโทรศัพท์อันนี้ค่ะก็วันนี้ยังไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์แค่มารับพลังพลังจากพระอาจารย์แล้วก็กระยาณมีท่านอื่นอืค่ะจิตาคุณทะเลาไหมบ้าเพิ่งคุยกันเมื่อเช้าเองค่ะพระอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเขาเข้ามาหรือยังเพราะว่าคุยกันเมื่อคืนบอกเขามือนกันครัเพราะว่าบอกเพิ่งคุยกับเขาเสร็จอุ้ยแปดโมงแปดโงเช้าของพระอาจารย์แล้ว เอ้ยไม่ใช่สองสองทุ่มของพระอาจารย์บอกว่าเอองั้นระวังหูกันดีกว่าแล้วเข้าไปฟังพระอาจารย์การอะไรเงี้ยค่ะก็พอดีเขาก็จะเขียนอ e ีเมลหาคุณครูลูกเขาก็เลยอาจจะเดี๋ยวน่าจะเข้ามาแล้วล่ะค่ะยมไม่แน่ใจน่าจะเข้ามาแล้วค่ ะ, ะค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะก็ก็เรื่องก็คุยกันตามประสานแม่แม่แมวันเมื่อวันอาทิตย์ก็เป็นวันแม่ของอเมริกายมก็ไปไปทานข้าวกันกับเขากับลูกๆเขาอะค่ะ ค่ะก็ไม่มีอะไรคะ่ะพระอาจารย์มาแค่ได้ฟรได้ยินเสียงพระอาจารย์ก็ถือว่าวันนี้มีพลังเป็นเปี่ยมแล้วคะ่ะพระอาจารย์สาธุสาธุค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์รักษาสุขภาพนะคะบุสุวรรณนานะบอเวนบอเวนสามรมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเข้ามากราบรมสาการพระอาจารย์แล้วก็เข้ามาือรวมมาฟังเจ้าขาพระอาจารย์ รายงก้าวหน้าไหมการปฏิบัติมาคือก้าวหลังทาสุดท้ายที่พระ ไ, ได้ได้จาในใจก็คือพระอาจารอกว่าให้หยุดกระทําตามความอยากอันนี้มันมันเก็ตมากกว่าหยุดอยากเจ้าค่ะพระอาจารย์ ม, มันเหมือนกับมันอธิบายการการความอยากของเราอะ่ะเพราะฉะนั้นในไม่ว่าเ อ, อเกิดความอยากอะไรเราก็จะไม่ไปทําตามตามนั้นนะคะ ตอกนีะะเน้นเรื่องนี้แล้วก็เรื่องสติเจ้าค่ะอาจารย์สบายตามมาเจ้าค่ะอ า, าจารย์ก็จิตใจก็สบายขึ้นสงบขึ้นจิตใจก็อาจจะมีบ้างที่มีเล็กๆน้อยๆเรื่องเออความน้อยใจความเสียใจอันนี้อันนี้ยังยังมีอยู่ก็พยายามให้น้อยลงอย่ไปหวังอย่าไปหวงัอวงอะไรจากใครมันก็จะไม่น้อยใจไม่เสียใจก็ค่ะ ค่ะคุณดีตามมีตามเกิดไม่ไม่ไม่มีอะไรนะเป็นบวที่ท่านต่อไปนะคุณธรรมวัลเชิญการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจริญสติเนืองเจ้าค่ะเพื่อพร้อมเผชิญกับ ความเจ็บป่วยและความตายที่จะมาไม่ช้าไม่ว่าช้าหรือเร็วใช่ไม่มีใครรู้จะมาพรุ่งนี้ก็ได้คืนนี้ก็ได้เจ้าค่ะต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเจ้าค่ะไม่มีครับปล่อยป่อยวาปล่อยวาไม่ทนาป่อยวาความเจ็บป่อยวางร่างกายในของเราไม่ใช่ตัวเราเราผู้รู้ผู้คินเท่านั้นได้รู้ตามความเป็จริงของร่างกาย ดู ต, ตามความดีของเวทนานแล้วใจก็จะไม่ทุกอยากประยัดอยากอระหยากให้ร่างกายไม่เจ็บอยากประยากให้ร่างกายไม่ตายแล้วใจ้มันไม่ทุกขะอยากก็ไม่อยากก็ไม่ได้อยู่ดีความไม่แก่ควาไม่เจ็บไม่ตายอย่างไงก็ไม่มีวันที่จะได้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย โอเคนะยัเรียนสู้นะเดี๋ยวต้องขึ้นเวทีเดี๋ยวมีไฟบังคับในตอนนี้ก็เป็นไฟซ้ำไปก่อนเจ้าค่ะกลับงบ้านไปเรื่อยๆอย่าเผลออย่าลืมเจ้าค่ะทา่งกายไม่ใช่ตัวเราของเราเลยเจ้าค่ะเมืคืนกับคืนสู่ธรรมชาติไม่ช้าก็เร็วเจ้าค่ะขอบคุณสมชายสมชายจากอเมริคนหนึ่งเพนซิลเวเนีย กบสปดีท่านพูอาจารย์ครับ ก, ก็ช่วงนี้ก็คิดก็คิดอยู่ไอ้เรื่องขั้ทนที่หนึ่งที่ผมที่ผมให้ที่ท่านให้มาก็การนับถือศีลต่อมาผมไปหาหมอก็เลย ตอนข้าวเย็นบางครั้งผมก็กินมั่ ง, งก็ไม่กินบ้างเพราะวมันหิวตอนนั้นครับหลังจากาหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็ไม่สบายอยู่เป็นอาทิตย์ก็เลยก็เลยคิดได้ว่าว่าว่าร่างกายนี้บอกยังไงก็ไม่ได้ อท่านท่านคงได้ยินใช่ไหมฮะได้ยินได้ยินคุณไปด้แน่เอาครับก็อคัดแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็คิดว่าอ๋อล่างกายเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนผมก็คิดบางครั้งก็คิดว่าหกสิบห้าแล้วทุกอย่างกระดาษผมก็ได้กระดาษทําเสร็จแล้วแล้วเมื่อวานนี้หมอบอกว่าคุณเป็นเบาหวานอีก เป็น high blood pressure แล้วก็เป็นค h o l e s t e r o l แล้วต่อมาก็บอกบอกว่าเป็นเบาหวานอีกทีหนึ่ง mm hmm. ผมก็เลยบอกขอว่าเอก็อถามรอท่านอาจารย์วันนี้ว่าเออร่างกายนี่มันไม่ใช่สิ่งสิ่งที่แน่นอนที่ท่านเคยสอนเอาไว้แล้วก่อนที่ร่างกายจะเป็นอย่างนี้ผมอยากจะขอวิธีแนะนำว่า จะไม่เสียใจจะไม่ตอนนี้รู้สึกจะเสียใจอยู่ว่าเอ๊ะทางานมาตั้งหลายปีทุกอย่างก็มีแล้วจะอะไรก็จะเอาไปไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าอย่างที่เคยถามท่านไว้ว่าสเบียงจะก็มีความดีความชั่วแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ว่าสเบียงนี้สิ่งที่เจอไปนี้ได้มากได้น้อยขนาดไหนตอนนี้ผมก็ไม่รู้ ก็อยู่ที่ตอนนี้ถ้าคุณสบายใจก็ได้มากถ้าคุณไม่สบายใจก็ได้ไม่สบียงที่ทํานี้เพื่อให้คุณสบายใจถ้าคุณสบายใจก็แสดงคุณได้มากถ้าคุณไม่สบายใจก็แสดงว่าคุณสะสมสบียงผิดสะสมสบียงที่ไม่ดีเต้องสะสมสบียงที่ทําให้คุณสบายใจเช่นทำธรรมะเนี่ยฟังแล้วมันสบายใจ แล้วมองร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเรามันก็จะสบายใจมองว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเรายอมรับมันได้เราก็จะสบายใจอครับยอมรับได้ปล่าว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็พยาพยามจากก็พยายามครับพยายามคนทุกคนไปฝืนมันได้่หรือเปล่าฝืนแม่มันแก่แม่มันเจ็บแม่มันตาย ไ, ได้ป่า ไม่ได้ครับไม่ได้เวลาไปถือนแล้วรู้สึกงานเครียดไหมทุกไหมไม่สบายใจใช่ไหมพอหมอบอกว่าเป็นเบาหวานขั้นอีกระดูไปกันใงญ่เดี๋ยวต่อไปอาอาจจะเป็นอะไร็งก็ได้ต่อไปอาจจะมีมะเรงเง อ, อยู่ก็ได <c oughs> ้เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจช่อบไห้ก่อนดนี่นักมวยต้องซ่อมก่อนขึ้นมทีจะน่าไม่ถูกงอกไหม ถามไปค่ะเป็นทุกโลกเลยมีโลกอะไรเมาหมดเลยรับมันป่อดเลยให้มันรู้ไปเดี๋ยวมันมังแท้เราเนี่ยพอเราไม่หายใจเพราะมันตโลกหายมันก็หายไปหมดไม่กลัวอะไรมันอยากจะมาอาศยอยู่ให้มันอยู่ไปเดี๋ยวพอเราอยู่หายใจปั๊บมันก็มันก็อยู่ไม่ได้นะมันก็ไปมันก็หาย คือพอมันอยุดหายใจมมปาาั๊ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเสียเวลาไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปกินยาเสียเวลาไปกลัวอะไรมองความจริงสิมองความจริ ง, ง, รงแล้วเราจะได้สบายใจบรรหายใจเนี่ยมันเป็นทุกข์นะล้วงกินยาเบาลดเบาหวานกินยาลดไขมันต้องตรงต้อยอมรับว่ในที่สุดมันก็ต้องเข้าสู่ความตายเป็นธรรมดา ค oh, okay. ถ้าปรองเราจะสบายใจจะอยู่อย่างแฮปปี้เลยถ้าปงไม่นดยยอมรับไม่ได้ก็จะอยู่ดักเครียด อ, อยู่แบบกลัวกลัวไปหมดจาอย่างไหนดีจะแฮปปี้ดีหรือจาไม่แฮปปี้ดีเนี่ยถ้ยาแฮปปี้ก็ยอมรับความจริงร่างกายตามที่พุทธเจา้าสอนไม่ใช่ตัวเรา เราเป็นคนขับร่างกายนี้ร่างกายเป็นเหมือนล้อยนคนขับไม่ได้เป็นอะไรไปกับล้อยนไปกลัวอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรตามความต้องการของเราเท่านั้นต่อไปมันก็จะไม่ยามรับคําสั่งแล้วมันบอกไม่ไหวแล้วเหมือนรนที่เก่าแล้วไม่ไหวแล้วซ่อมไงก็ซ่อมไม่ไหวแล้วต้องทิ้งอย่างเดียว ไปสุ่อสารล้นยนต์เห็นไหมล้นยนต์ก็มีสุ่สารเนี่ยร่างกายก็มีสื่อสารแบบเดียแวกันต้องคิด บ, บ่อยๆมันมันจะได้ยอมรับได้ความจริงที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับความจรงิงถ้าเราเอาความจริงเนี่ยไปยืนยันนอนยันว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นอย่างเนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิด บ, บ่อยๆพระเจ้าสอนให้คิด บ, บ่อยๆ แลื่ต่อไปมันจะปลอมมันจะยอมยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายพอยอมแล้วใจก็เบาสบาย happy ไม่ทุกกับความเป็นคับตายของร่างกายต่อไปอ๋อแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างๆตัวนี้มั น, นช่วยเร า, าไม่ได้เลยมันช่วยเราเราไม่ได้ Okay. เออแล้วก็ให้แล้วแล้วเราไอ้แล้แลมีมีสูตรหรือว่ามีมีสมาธิอะไรที่ทําให้ผ่อนคลายตัวนี้ได้ไหม ท, ทำพุโทโธเนี่ยทำพุโทโธพุทโธเวลาเครียดเวลาไม่สบายใจก็ทำพุโทโธพุโทโธแล้วส่วนอติปิโสไปตามอายุของเราก็ได้อายุเราหกสิบหกสิบสองมาสวดไปหกสิบสองรอบสวนแบบไม่หยุดนลยมันจะทำให้คิด พอไม่คิดถึงเรื่องวามเจ็บไข้แรงปวดมันก็มันก็หายทุกครับเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตนนี้ทำทารีทัยแล้วกระดาษทุกสิ่งทุกอย่างมาดันหมอมาบอกอย่างนี้ก็เลยเออจะอยู่ได้สักข่ามีถามมันไม่ได้ก็เลยก็แค่นี้แหละล<ม>ครับก็ <laughs> <laughs> ขอขอบคุณท่านพระอาจารย์ที่เคยสอนให้ เลิกเล่าแล้วก็พูดปดอะไรพวกนี้มาแล้วก็นอนนอนในพื้นแล้วก็แล้วก็สอนพุทโธแต่กัรมประจําพุทโฝุกนนั่งสมาธิน่นานะใจจะเบาใจจะสบายแล้วจะปลงได้แล้วใจมีสมาธิท่้นปลง ไ, ได้ง่ายนะทําต่อไปนะ ครับครับอย่าท้อแท้อย่าไปกลัวความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไปเดือดร้อนแทนร่างกายทำไมร่างกายมันไม่เดือดร้อนมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะร่างกายมันไม่รู้ว่ามันเป็นเบาหวานมันเป็นอไม่รู้หรอกไอเราผู้รู้เราไม่ได้เป็นเรากลับไปเดือดร้อนแทนร่างกายทำไมเราไม่ได้เป็น เรารู้จักแยกใจออกจากกายให้ได้ร่างกายเป็นแต่ใจไม่ได้เป็นร่างกายไม่เดือดร้อนแต่ใจไปเดือดร้อนแทนร่างกายเพราะไปหลงคิดว่เาเป็นตัวนี้เป็นร่างกายเราไปคิดดูแล้วเราไปทําดูเดี๋ยววิธีแยกใจกลับออกจากร่างกายก็คือนั่งสมาธิไปพุโทโธพุโทโธนะ เดี๋ยวใจสงบแล้วใจกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันเองโอเค okay, นะครับอาทิตย์หน้าจะเ จ, ะ จ, ะ จ, ะ จ, ะจออาจารย์อีกทีกับอย่างประมาณนะเวลาน้อยลงไปเรื่อยรรีบรีบทำนะนะรีบรีบทสมาธิให้มากรีบรีบฝึกสติตให้มากครับโอเคนะ <Okay. S 1> มมมมรีบรวิไลฟ์ออนโยมิงอยากกอดทอง กลับนมันสกานเจ้าค่ะค่ะค่ะก็มากราบพระอาจารย์แล้วก็รายงานพระอาจารย์ว่าทุกวันนี้ตอนตีสี่ก็ตื่นขึ้นมาทำวัดสวดมนต์ทุกเช้าแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งเช้าและกลางคืนค่ะพระอาจารย์แล้วก็เอเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยค่ะพระอาจารย์จะขึ้นเดินบนเขาแล้วนะคะอ๋อดีค่ะหยุดชีวันหรอเอ่อตั้งแต่ไปสิบสามถึงสิบแปดค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะพระอาจารย์ ค่ะค่ะพระอาจารย์อตอนที่โยมนั่งนั่งสมาธิมีอยู่ครั้งหนึ่งอะค่ะโยมก็นั่งนิ่งๆอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอนั่งประมาณชั่วโมงครึ่งอะค่ะพระอาจารย์พอตอนเวลายมถอดแล้วลุกออกมายมก็เข้าใจว่าค่ะคือปกติอะค่ะแต่พอโยมลุกขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าพะโยมยืนแล้วยมล่วงเลยค่ะพระอาจารย์มันมีความสึกว่าเหมือนกับท่อล่างเราหายไปเลยพระอาจารย์โยมเข้าใจได้ถึงคนที่ ที่เขาเป็นเอามาพิกครึ่งล่างเลยพระอาจารย์เพราะว่าเราจะไม่รู้สึกถึงถึงช่วงล่างเลค่ะพระอาจารย์อันนี้คือคืออย่างนี้ก็คือเราก็ต้องเราก็ยังนั่งต่อได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นคือคือเราถอนถอนออกมาเองอะค่ะพระอาจารย์ก็ถ้ามันอยากจะนั่งต่อก็นั่งนั่งไปปกตินั่งการเดินยองกองแทนก็ได้ค่ะปกติแล้วอย่างพระอาจารย์นั่งนานๆแล้วลุกขึ้นมาพระอาจารย์ไม่ไม่ ไม่ไม่เจ็บปวดช่วงล่างเลยหรอคะทำไมช่วงล่างมันเหมือนกับมันหายไปเลยอะคะพระอาจารย์กว่าจะกว่าจะทรงตัวได้ต้องยืนเกาะราวสักพักหนึ่งเลยก็ก็เราคาิดว่าก็ได้ธรรมชาติของร่างากายก็เป็นอย่างนี้ค่ะพระอาจาย์แล้วค่ะอีนี้นึงค่ะพระอาจารย์เวลาเดินจงกรมมาค่ะพระอาจารย์เออโยมโยมหญิงใช้ใช้ใช้มีเออก้าวก้า อซ้ายพูดขวาโทอย่างเนี้ยในขณะที่เราระลึกถึงพุดโทด้วยค่ะว่าอาจารย์แต่ว่าเราก็รู้ถึงความเคลื่อนไหวว่าเท้ากําลังค่อยๆ ย, ยกค่อยๆเบาค่อยๆเหยียบเราสามารถทำสองอย่างด้วยกันได้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่เราถ้ามันทําแล้วทําให้เราไม่ไปคิดได้เรใช้ได้ค่ะว่าอาจารย์ค่ะได้ค่ะกับว่าอาจารย์ค่ะคุณโจนต่อคุณโจนได้หน้อมกับ นมาสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยู่ปทุมค่ะเข้ามาคั้งแะเข้ามาครั้งแรกหลายครั้งอยู่เหมือนกันค่ะเข้ามาไ ม, ไ, ไม่ได้เปิปอุ่นไม่ได้เปิดกล้องปลายมือเปิดตังม่เปิดตังโอเคเปิดตามเลยค่ ะ, อะพอดีหนูไม่ค่อยช่วงนี้หนูอาจจะไม่ค่อยได้ปฏิบัติอะคะ่ะแต่ว่าเร็วๆเวนี้ยหนูกนาําลังจะออเจาะงานก็เลยตั้งใจเลยว่าจะหาสถานที่ปฏิบัติทำสักเดือนนึงเดือนนิดๆน่นนะคะ่ะ เออที่เหมาะกับการภาวนาก็อาจจะต้องไปทางวัดถ้ำเต่าได้เลยเพราะถ้าที่นั่นก็อาจจะให้อยู่ยาวนะที่บัดยาห์นี้ก็ให้อยู่แค่อาทิเดียวขอพระอาจารย์เมตตาช่วยชี้แนะแนวทางการปฏิบัตินะปฏิบัติก็มายถึงปฏิบัติอยังไงหมายเออปึกจิตใจสติสมาธิอะค่ะ ก็เนี่ยก็ต้างฟังมาเนี่ยก็ก็แนะนําแบบนี้ให้บทสติไปควบคุมจิตไปให้คิดให้จิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับพุทโธหรือให้อยู่กับลมอ่าการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเวลาเราทําอะไรให้จิตอยู่ของงานที่เราทําอยู่เราเวลานั่งสมาธิก็ให้อยู่กับพุทโธไปเนื่องอยู่ของลมหายใจเขาออกไปจนกว่าจิตจะสงบ เนี่ยนี่ก็หลักสงก า, ารปฏิบัติข้ามบง่ายๆเมื่อตอนให้ฝึกสติกับชมาที่ให้ได้ให้ชำนาญครับกลับขอบขอคุณด้ค่ะไม่ต่ อ, อ ค, คุณตายใช่ตายตาจากดาเกล้าเทียกลับครับค่าจาน วันนี้ก็เข้ามาฟังธรรมผ้าจันเมื่อกี้ลองนั่งสมาธิฟังไปเรื่อยๆยตั้งแต่เข้ามานะคะพระ้าจายันก็มาถึงจุดตรงที่ว่าให้นั่งแล้วก็ให้ผ่านทุกขเวทนาไม่ให้ได้ก็ตั้งใจว่าจะจะออกตอนที่ผ้าจาย์เรียกอะค่ะแต่ว่ามันโอ้โหเจ็บแทบขาดใจเลยพระ้าจารั์ มัน ส, em สูไมูไม่ได้ไปสองไปสองครั้งออกก่อนกันสองคงแต่ว่าจะเราแพทย์ฉันเรี่ยนถึงจะออกแต่ว่าหัวใจจะขาดอาจารย์มันมันยากมากๆเลยอะค่ะมันจิตแล้ยังไม่นิ่งพอมันยังต่อต้านต่อต้านเว่ทนายมันเลยทำให้คลำมายใช่ค่ะอาจารย์มันลงมันลงลึกลึกแบบลึกขาดใจแบบโอ๊ยโอยอยอยู่ตรงนี้นตรง้ตงนต้องพยายามท่อวุโุโ นาาหนูเอาอ ห, นหนูหายใจแบบฮืดเหมือนคนเหมือนไม่รู้สิครับไม่เคยหายใจแบบนี้แบบฮืดเออมันค่อยๆหายไปหน่อยเดี๋ยวมาอีกแล้วแล้วก็ฮืดอีกทีก็ อ, อ, อีกแล้วพ่อจารย์ยอย่ า, ยาให้ความเจ็บมันทายไปแล้วกันแล้วมันเราจะต้องต่อเนื่องขนาดไหนครับพ่อจารย์ถึงจะแบบว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปมันเลยมนก็ทนนั่งไปเดี๋ยว แล้วจิตมันก็หยุดต่อต้านแล้วมันก็จะเบาขึ้นหน่อยเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์สายทิพย์เขารล่ากับถามเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่หนูนั่งฟังอาจารย์บอกว่าให้ถ้าเราถ้าก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าถ้าเราผ่านตรงนี้ได้แต่ว่ายังไม่มียังไม่มีแบบเออมันลงเลึอกหรือว่าได้สมาธินะไม่ต้องลงเลถ้าผ่านไปนานๆมันก็มันก็สงบนะใช่ว่าสงบ หนูก็ขอให้ผ่านพ้นเวทนาตรงนี้ไปให้ได้แต่วันนี้ก็ไม่เป็นไรข้างล่าอจจะยังไม่ได้อาจจะลองลองลองลองหลายครั้งต่อไปก็ได้ถ้าลองเราไม่ไม่กลัวมันแล้วเราสู้แล้วเดี๋ยวมันก็ได้ที่ส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาเพราะเรากลัวมันพอมันมาโผล่ขึ้นมาตบกาบมันเลยวิ่งหนีเลยใช่ค่ะบาเลยเจ็บเจ็บแป๊บหนึ่งหนูก็ออเออมันไม่ถึงมันเหมือนวันนี้วันนี้รู้สึกว่ากลัวแต่มันเยอะมาก กูรู้แล้วมึงไม่มีมึงไม่มีอะไรครับแต่ข้าแพ้ค่ะแพ้อยู่ดีถ้าไม่พุทโธพูทโธอยู่มันจะไม่แพ้ค่ะจะให้อัมพาจารย์ถ้าจิตมีอะไรเกาะแล้วมันจะไม่แพ้เกาะพุทโธก็ได้เกาะลงก็นาเนื้อถ้าทำารรมกเกาะกับการทำธรรมไปไม่สนใจคนเวลาเล่นไพ่นี่ปวดฉี่ยังไม่ยอมรู้เบื่อใช่ไหมเรื่อดูหนังเนี่ยดูหนังอะไรที่กําลังต่อนึ่งเนี่ยปวดฉี่งันก็ไม่ยอมรู้ทนได้ เพราะเพราะเรไม่ไป ค, คิดถึงนั่นไม่ฉี่คิดแต่แค่เรื่องหนังที่กำลังดูอยูง่ <S 2> <S 2> <S ง, งั้เราต้องมีอะไรเกาะเวลาจิตมันเวลาร่างกายมันเจ็บนี่เราต้องมีอะไรเกาะให้จิตมือเกาะไวพุโทโธก็ได้เอทีปิโสก็ได้เนื้อลมหายใจก็ได้น่าแต่อย่างไรที่เราใช้ได้ดีก็เอาใช้นั้นไปแล้วมันเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเรื่องอางการเจ็บปวดอไรแล้วความแ ป, ประมาณก็จะอะไรไปแต่ตอนมันมานี้อะไรก็ ไม่เอาเลยก็ออยังจะไม่ค่อยอยู่สักอันหนึ่งเลยยังต้องพยายามเช่อเช่าไม่ก่อนหัดท่องพูดโธไว้ก่อนหัดสวดตีพิเศษใ้ก่อนค่ะวันนี้ก็ไปเดินมาก็พยายามท่องพุดโธตอนระหว่างเดินออกกําลังนะคะตอนเดินห้ากิโลแต่ว่าเวลาเราเดินเนี้ยครึ่งกิโลเนี้ยสักประมาณสักสองร้อยเมตรก็ยังพูดโทรพูดโธไปเรื่อยเรื่อยแต่ว่ามันลืมค่ะว่าจานแล้วไปทางไหนไม่รู้อา้าวไปพูดโธหายไปไหน แต่แล้วกินเรื่องนั้นกินเรงนี้ไปดูเรื่องราวต่างๆมาฉุดไปใช้ค่ะมันไปของมันเองแล้วกว่าจะตะเลิดได้อุ้ยจะครบรอบแล้ ว, วาหายไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้สติหายสติหายใช้ค่ะพระอาจารย์แต่ก็จะพยายามค่ะในเวลาพยายามศึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะรมีวิถีค่ะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์ขอบ <ขอ S 2> พระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณอุ้ดอุ้นแก่น ไม่สบายเลยเรื่อไม่สบายครับผมวันดีผมนอนฟังครับผมอม่มีอะไรหมผมเข้ามาฟังเฉยๆครับผมเข้ามาเฉยๆงั้นก่อ ค, ครั บ, รบไปที่อาายต่อไปเลยนะ<ม>โอเคคุณหอ้อในรพอารย์คุครับพี่เชนน่าโลวขอราร อ, อาจารย์ครับเราอาจารย์เรียกเหมือนกันเพราะว่า พยายามตั้งแต่เข้ามาต้องสู้เหมือนพี่ตายเลยครับรู้สึกวันนี้อาจะรยตอบละเอียดทรมาร์แต่ก็พอดีครับกำลังสู้กับเวทนาอยู่ครับอาจารย์ครับอ่าดีพยายามฝึกไม่ไไม่นองกลัวมันที่เราแพ้ก็เพราเรากลัวมันเราไม่กลัวมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเราก็ชนะแล้วมันครับผมเพราะมันเป็นามที่จะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ถอยเดี๋ยวมันก็ถอยเองถึงเวลามันก็หมดไป อนจก็ยังจะเจริญสตททิทุกวันครับถ้าตื่นมาเป็นชั่วงตอนเช้าครับอาจารย์ครับครับผมวันนี้ก็เมื่อกี้ถือว่าขอสู้ได้คับอาจารย์ครับแต่แต่มันยังไม่พิจารณาถึงที่สุดครับไม่อยากสู้ต่อไปเรื่อยๆอาจารย์ครับเป็นกว่าเราจะเป็นกว่าเราจะไม่กลัวมันมันะะจะมาก็ต้อนรับมันยินด<อ>ีๆก็แล้ว ขอบคุณ่นอาจารย์นะครับโอเคอ่าเดี๋ยวไม่คืนงามาที่ใครเจอกันบ่ oh. อยหมอสุท่านา น, น, นีอเชาร์จากกรุงธนนามาสการท่านระจารย์เจ้าค่ะไม่มีคำถามค่ะโอเคเฮนรี่คุนซาเินตอนจากอเ a ได้เข้ามาเร็วเนี่ยเอนี้หรือไม่ได้ปเปิดกล้องนเปิดครับพระอ า, า, าจารย์พระอาจารย์ไม่ ใหม่มองหม่เลยอดยมต้อง <c oughs> ผมสั้งเนีตัดผมสั้นผมสั้น <c oughs> แต่นี่ยาวขึ้นแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ก็ก็ไม่มีอะไรคะ่ะโยมก็ยังคงปฏิบัติอยู่เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ก็เริ่มมองตัวเองว่าอพยายามมองว่าเราเป็นแค่ร่างกายแล้วเราก็เราก็เห็นตัวเราเป็นแค่ธาตุต่างๆเวลาเดินเวลาทํากิริยาอาการใดๆก็มองประมาณนั้นนะคะพระอาจารย์ก็ เราไม่ไเป็นร่างกายมันไม่ได้เป็นร่างกายแล้วมันพูดดูแลร่างกายใช่ค่ะพระอาจารย์พอเวลามีความทุกข์ต่างๆที่เข้ามายมก็จะมองว่าเออเดี๋ยวมันก็จะจบไปเดี๋ยวมันก็อันนี้จังทุกขังอนาตาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปจะไปเสียใจเสียได้ไปห่วงไปอะไรทําไมเดี๋ยวมันก็แค่นี้เองใช่ทุกอย่างก็จบสิ้นหมดที่สุดใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยก็ก็พยายามก็ก็เลยทําใจได้กับหลายๆเรื่องที่เข้ามาค่ะก็อยู่อย่างสงบ อยู่อย่างสบายอยู่อย่างสบายแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปกังวลกับเรื่องเรื่องต่างๆเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้อย่างนะี้ใช่ไหด้ค่ะค่ะอาจารย์ก็ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็เราก็ทำหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของพนักงานทางานหน้าที่ของแม่หรือหน้าที่ของต่างๆเราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วที่เหลือก็ปล่อยวางอาจารย์ ฉันหน้าที่ปฏิบัติทําให้เต็มที่ด้วยใช่ค่ะต้องทําให้มากขึ้นค่ะทํายิง่งรู้สึกว่าปล่อยลงค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยบอกว่าตายแล้วเมื่อกี้พระอาจารย์เพิ่งจะกล่าวถึงเราก็นั่นแหะค่ะก็ต้องทํามากขึ้นค่ะก็ค่ะก็ถ้านอกนั้นก็ไม่มีคําถามแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะครธบถูก ค, คุณจอยพัทธีอาจอยได้ยินไหม ไม่เห็นหน้าแล้วทไมโทรมาเดี๋ยวจะท้ามไปก่อนนะคุณเคสครูแพทยตอบอันนี้ก็ไม่เห็นหน้าเหมือนกันได้ยินไหมคุณเคสไม่ได้ไปที่คุณเมที่นีก่อนเลยคุณเนที่นีใช่ไหมใบไม้เป็นหน้าหยุดมือซ้ายล่างพูดนานๆหน่อนานๆหน่อยรัชกาลได้ยินไหมคะอได้ยินนะ สวันวัตการค่ะนะคะก็วันนี้หนูเข้ามาครั้งแรกนะคะที่กรุงเทพค่ะแต่ว่าบ้านค่ะบ้านเกิดก็คืออยู่ชุมแพรค่ะที่ไหนขอนแก่นอำเภอชุมแพรอ๋อชุมแพรที่เมื่พูดถึงวันนี้ใช่ใช่เคยเคยไปเคยไปเกิดจุฬาพรไหมอยู่ใกล้ใกล้เคยไปตอนเด็กๆที่นั้นก็มีสถานที่ปฏิบัติธรรมเขามีที่ให้ข้าไปปฏิบัติได้ ใช่ใช่เหมือนมีวัดหนึ่งของหลวงตาสายมันจไม่ได้ตอนนั้นมันสมันเป็นของหลวงที่มหลวงมันท่ามสัมทักษะให้พไปปฏิบัติทำได้มีตรงนั้นที่หนึ่งเหมือนคนกรุงเทพอะไรไปกันเยอะนะคะใช่ใช่ค่ะตรงเขามีองการให้พาไปปฏิบัติเาสร้างให้พาไปไปจุดดงไปติไม้เว่าใช่มีมีอยู่มีอยู่องค์หนึ่งชื่อหลวง ไม่ไม่หัดวงสายอย่างนั้นเองดูสายทุกวันไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรดูงานของเราดีกว่าค่ะมีอะไรบ้างพูดมาเลยก็คือหนูว่าก็ติดติดตามติดตามเพจมาได้สักพักหนึ่งนะคะคือตอนนี้ทำงานที่ก็คือตั้งแต่เรียนจบมหาทาก็อ่าพอตอนนี้ทางานได้เข้ามาอยู่ใน สังคเพือนเพื่อนที่ทุกคนมีการแข่งขันการค่อนข้างเยอะค่ะค่ะก็ทําให้รู้สึกผิดใจอ่ะวุ่นวายแล้วก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับการทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราไปเลือกคู่แข่งที่ถืมันต้องเลือกคู่แข่งที่ถือคือตัวเราเองคือกีด碍ของเราด้วยสังคมที่เราพบเพื่อนนะคนะ เขาทำธุรกิจกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าวเราก็เราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของสังคมที่เราอยู่ว่ามันเป็นสังคมชื่วคราวมันไม่เที่ยงทำแทบเป็นแทบตายเดี๋ยวว่าตายไปเข้าไปไหลัยไปไม่ไดไ้คิดอย่างนี้นนค่ะนเนี่ยค่ ะ, คะเราพอมามาได้คบกับกับมาเจอเพื่อนๆ น, นที่อยู่าจังหวัดเราเห็นความชีวิตที่เรียบง่าย เราเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความสุขต่า น, นั่นแหละเราไปหลงกับความวุ่นความฟุ้งเฟอ้เอต่างๆของทางโลกเขาเนี่ยแล้วเราอยู่<อ>แบบไม่เห็นไม่ผมเลเพราะมีพอกินก็พอแล้วพอมี้พอกินก็พอแล้วไมีความสุขมากกว่าการที่จะไปวุ่นวายหาหาต่างๆมามีมากกต่ทางนี้มีความสุขมากกว่ามีครับทุกมาก ได้ยินไหมได้ยินชัดเลยค่ะอก็ก็ได้อ่านดีแล้วก็รู้สึกเข้าใจแล้วก็วันนี้เข้าวันแรกแล้วก็มื่ีตอนนี้ช่วงโควิดก็มีแม่มาอยู่ด้วยแล้วก็ทําให้ใเหข้าใจยังนุ่งขาดๆน่ารักก็ได้ยินไหมคะอ่ะาค่ะก็พอตอนนี้ค่ะแม่ก็ได้มาอยู่ที่กรุเหมือ น, นมาช่วง ยแล้วก็แบบเราเป็นขวั่งเราด้วยก็ได้เห็นว่าเราได้ตอบแอนแม่เนะคะเสียงค่อยไปไออีกยินไหมอ่าสนุกันไม่าเป็นอมันขัดมันอ่าได้ยินไหมคะอ่าถ้าจยินได้ยินแต่จะพรดคุยไปสองสามําเบาเลยละอ๋อพอดีหนูเบาเบาเสียงไว้ก็พอดีช่วงนี้แม่ก็ได้มาอ่ทกรุงเทะ ไม่ได้ยินไหมคะอ่าถึงได้ไโอเคเพตอนนี้ค่ะแม่ก็ได้ไหมเก็บใช่ไหมคะก็เหมือนใ้กองกเบาเองแล้วน้องทอน้องทอนเราจะเราเราใช้เครื่องพูดไร้พูดออกเครื่องายเลยฮะกดสายออกนะปดสายแล้วเดี๋ยวนะอันนี้ชัดไหมคะชัดแต่พอคุณพูสองคำคกระเบาอ่าตอนนี้ชัดก่อนเนื่องหมชัดแล้วกระเบา ให้หนูถอดสายไปลองถอดสายพูดปดสายเลยครับปดสายเลยมาแซวจากเครื่องปดรักสายเลยฮะปดแล้วค่ะโอเคแล้วนี้ดังนะเป็นไหมคะอะแลนี่ดังนะค่ะก็ตอนนี้ค่ะก็มีแม่แม่มาจากจังหวัดก็มาอยู่ที่กรุงเทพก็ในตอบแทนคุณแม่ค่ะค่ะก็มีความรู้ส่ แม่ดึงกอ้าหารุ่งรุ่นตทำบุญกับแม่ก็ได้บุญมากก่อนหน้านี้ก็ทำบุญนะคะแต่ไม่ได้ดูแลคดีก็ทำไปแล้วก็ปฏิบัติทําไปด้วยขอ บ, บุญค่ะมีคำถามอะไรไหมอ่ายังไม่มีค่ะท่านนเดี๋ยวถ้ามีอะไรให้าาทำทีหลังก็ได้นะเราจะไปที่ท่านต่อไปห่อ ก็ารนั้ขออนุญาตคุณจอยคุณจอยคุณเขตเปิดหน้าเลยคุณจอยพูดได้เลยหนูหนูหนูแล้วค่ะพอดีวันนี้ไปฉีดวัคซีนเข็มสามมามันเลยเพียวใช่แม่ด้วยเข็มสามเป็นไฟเซอร์นะแบ่งแบ่งกองแสงดูกมาให้ใส่ไปฉีดเข็มสามเป็นเป็นไฟเซอร์มันไฟไฟสาวเลยอะมันแรงกว่า ใช่ใช่มันมันบิร์บแบบขึ้นตัวแล้วแบบชาแล้วแบบหัวใจเต้นบบบ๊อบบอบบอ บ, บเลยค่ะรู้สึกเลยแบบแรง ไ, ได้ยินนะใช่ไหมค้มมยินค่ะก็ไม่เีอะไรเดี๋ยววันอ้าววันวิสาขะจะไปใส่บาตรนะคะน่าจะคนเยอะน่าดูน่าดูคนราชการมาคงเะมาต้อง ต้องต้องเปลี่ยนเวลาไหมคะเร็ว<อ>กว่าเดิมไหมมันจะมันมันจะช้ากว่าเดิมอือถ้าคนเยอะอะไรที่มันจะช้าถ้าคนน้อยมันจะเร็วค่ะก็เดี๋ยวไปใส่บาตรพาเดี๋ยวไปใส่บาตรไปไปเวลาเดิมก็สบายในเวลาเยอะๆเงิ น, นมันไปปีห้าเลยคะ่ะเร็วได้ใส่เร็วที่พาแม่กับลุงไปเขาวันเกิดเขาอยากใส่บาตรก็เลยพาเขามาเขา แต่เขาปิติที่เขาได้มาใส่บาทก็เลยดีใจด้วยค่ะโอเคว้เจอกญวันไม่ทราบค่ะค่ะค่ะคุณนัทธวุฒิตอบไม่ทราบเป็นคุณหมอแบบใรครับคุณเกตคุณเกตครับอาจารย์คุณเกศเกดตเกศอนที่ไม่ได้พูดสวัสดีค่ะท่านท่านได้กินไหมคะได้ยินจ้ะได้ยนะค่ะคือคือ ตอนนี้มีความคิดฟุ้งซ่านวิตกกังวลอะไรเยอะนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยอยู่อเมริกามาสามสิบกว่าปีแล้วก็เพิ่งจะรีทายเพราะว่าคิดว่าจะกลับมาดูแลคุณแม่เพราะคุณแม่อายุเยอะแปดสิบแปดแล้วก็กลับมาดูแลคุณแม่ได้สามเดือนคุณแม่ก็เสียแล้วก็คงเป็นความรู้สึกผิดด้วยที่เราอยู่เมืองนอกนานแล้วก็ มาได้ดูแลคุณแม่ได้แค่สามเดือนคุณแม่ก็จากไปถึงจะพยายามทำใจว่าอย่างที่ท่านพูดว่าชีวิตคนเรามันก็ต้องกลับไปสู่ธรรมชาติะนะคะท่านแล้วมันก็เลยทำให้ได้อีกอย่างกนะคือยังปรับตัวเข้ากับเมืองไทยไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีความสุขเพราะทั้งอากาศทั้งระบบทั้งความมีระเบียบมันไม่เหมือนที่นู่นนะคะท่าน แล้วก็ตอนนี้มันก็เลยความคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งมันเยอะมันมันนอนไม่หลับค่ะท่านนูยังไงดีอะทำยังไงดีคือคือทวงคิดว่าต้องมีสติและปัญญานะคะ uh. ถ้าสติเรามีถ้าคิดว่าถ้านั่งสมาธิแล้วก็ให้สติแล้วเม็ดปัญญามันเกิด บางทีไอ้ความคิดฟุ้งซ่านพวกนี้มันอาจจะน้อยลงแล้วก็ทำให้มีความสุขมากขึ้นเป็นยัจะทำได้หไม่ได้ไดไไไดอันนั้นก็คือปัญหาคือบางทีมีเพื่อนสามีเตือนหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็คิดได้อะไรสักพัก เ, เดี๋ยวมันก็จะกลับมาอีกไอ้ความวิตกกังวลมันมันยังไม่หายไปเลยอะค่ะท่าน ไอ่เม่อตอนนี้ต้องหยุดมันด้วยด้วยการฝึกสติไปก่อนพยายามนย่าคิดคิดให้น้อยคิดเท่าที่จําเป็นอย่างพวกปุกปักคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโ ธ, ทธไปหรือให้ให้จดจ่ออยู่งานที่เราพําลังทําอยู่ในปัจจุบัน <ฮะ S 1> อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลาว่างก็นั่งหลับตานั่งสมาธิไปพอจิตสงบแล้วมันก็จะเบาจะสบายแล้วตามมแล้วก็จะ ก็มามามามาดูว่าความเครียดของเราเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากความอยากของเราเนี่ยแหละอยากให้เป็ น, น, นเป็นอย่างนั ppy, ้นเป็นอย่างนี้พอ hey ไม่เป็นเราให้อยู่ที่นั่นมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเราอยู่ที่นี่แล้วก็อยากให้มันเป็นเหมือเดิมพอมันเป็นเหมนเดิมก็เลยทําให้เราเครียดเราก็ต้องดูความจริงว่ามันแเป็นไปได้ไหมนะที่เราทำให้ที่ที่เรานี้เป็นแบบที่โน่นเป็นไปไม่ได้ที่น yes> ี่ก็ต้องเป็นแบบนี้นั่นต้อง สองใจให้เรารับกับสภาพของที่นี่ให้ได้มันก็จะอยู่แล้วก็จะอยู่อย่างสงบได้อ๋อค่ะต้องพยายามทําใจให้สงบทำใจอย่งางร่างกายสัมผัสรติดกันร้นติดขับเร่อไม่มีระเบียบ้็ครับมันก็เป็นธรรมชาติที่นี่ก็เราจะพยายามให้มเป็นเหมือนที่มุนมันก็จะทำให้เราเครียดใช่ค่ะท่านค่ะเราหัดปรับใจตัวเราปรับให้รับงกายสภาพ หรือไม่ยั้ก็ทำย้ายที่ถ้าปรับใจไม่ได้เราต้องย้ายย้ายร่างกายไปอยู่กับที่นี้เราเคยอยู่ต้องขับอเมริกาเข้าใจมันอยากจะอยู่อเมริกาแต่ร่างกายันอยู่ที่นี่ทํำไงก็ไม่เชิงนะคะท่านก็อยากจะอยู่นี่ให้มีความสุขค่ะครับว่ามันมีความสุขก็ต้องปรับตัวให้รับกับสภาพของที่นี่ให้ได้แต่ยังไม่ปรับสภาพของที่นี่ให้มาเข้ากับสภาพร่างกายของเรา อ่าเราต้องปรับตัวเราเราต้องปรับเราเราอยากไปปรับคนอื่นเนาะคนอื่นเขาเป็นอย่างเขาอย่างนี้ค่ะท่านขอบพระคุณท่านนะคะโอเคนะหวังว่าคงจะทําได้นะเราจะอยู่อย่างสบายค่ะจะพยายามค่ะท่านเมื่อี้ข้ามไปไปนะหายไปแนละ้วี่ยอยู่กับเ่าคนต่อไปคือคุณไกาพิดครับพระอาจารย์ใช่ค่ะ ครับคุณคุณคุณนัทธวุฒิจะจะอยู่หลังคุณกราฟฟี่ครับนะครับนักศึกษาครับแล้วับมาคนกบับเพื่ออไรครับแล้วกลับมาต้งแท้เลยกลับมาแล้วครับอาจารย์ครับอก็กลับมาก็มาเอ่อได้ได้ได้ฟังที่พระอาจารย์สอนให้นอนที่นอนที่ที่มันไม่นิ่มเหมนะครับอาจารย์ก็ทดลองนอนดูก็ นอนไปสี่ห้าชั่วโมงมันก็ตื่นขึ้นมาเองนะครับอาจารย์ครับทุกวันก็ก็ดีครับบางทีนอนสองทุ่มเที่ยงคืนก็ตื่นแล้วครับก็มันไม่ได้ครับเหมือนอนแล้วร่างกายมัได้พักผ่อนผมครับครับก็ก็ดีครับอาจารย์ก็มีเวลาปฏิบัติขึ้นเยอะครับแล้วก็ทดลองนั่งแบบไม่ไม่ไม่ไม่นั่งเบาครับอาจารย์ก็นั่งได้ครับก็ไม่ไม่เคยคิดว่าว่าจะจะเหมือนเหมือนเรา เคยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าจะต้องนั่งเบาะนั่งอะไรเงี้ยครับอาจารย์เพระา <S <S ะะฉ น, นั้นได้ยินจากพระอาจารย์บอกว่าเออเวลาไปพระพระ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่งตามป่า ท, ทำเข่าก็ไม่มีเบาพวกนี้ก็ลองนั่งดูก็นั่งได้ครับอาจารย์พระพุทธเจก็ไม่มีเบาที่ใต้ต้นที่ใต้โคนต้นโพรงไม่มีเบาให้ท่านนั่งครับครับทุกครั้งทุกครั้งที่ลูกนั่งก็ ต้องพยายามหาบอกหาอะไรมานั่งมันเต็มมันเต็มครับใช่ใช่ครับใช่รครับอาจารย์ครับแล้วก็เ อ, อพยายามเพิ่มเวลานะครับจากนั่งนั่งครั้งหนึ่งสี่สิบห้านาทีเป็นนั่งครั้งหนึ่งห้าสิบนาทีแล้วพอพอเขาจะออกอนะครับก็ฟังจากที่อาจารย์บอกว่าเหมือนซื้อตั๋วรอบใหม่อะไรเงี้ยนะครับอ่าซื้อตั๋วลอบใหม่ดูเออก็ก็ดีครับก็เป็นกุศลบายที่ ที่นำมาใช้แล้วได้ประโยชน์ดีครับอาจารย์ครับโอเคมีอะไรไหมมีอะไรอีกเออมีมีมีมมพวกเพื่อนเ <ๆ S 2> พื่อนคุยกันออมีข้อสงสัยข้อสิ่งข้อสามครับอาจารย์คืออย่างพวกอิสลามเนี่ยที่เขามีภรรยาหลายคนแบบนี้ครับหรือพวกคนสมัยก่อนที่เขามีภรรยาหลายคนนี้ก็ถือว่าเขาผิดสิ่งข้อสามไหมครับอาจารย์ครับ กมันเป็นมันก็เรื่อประเพณีไงสี่งก้อนนี้มันเกี่ยวกับประเพณีถ้าประเพณีเขาอนุญาตเข้าไม่ผิดอ๋อครับไม่ได้ทำให้เราผิดเราเพียเราผัวเดียวเมียเดียวอืมครับครับครับไม่ได้เพิ่มผิดประเพณี้ประเพณีครับครับอาจารย์ครับโอเคครับอาจารย์ครับวันนี้หมดแล้วครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ เดี๋ยวขอเรียนตามลำดับนะครับที่มันไอโฟนใช่ไหมก่อนได้โปรดครับอาจารย์ iPhone, ครับไม่พอเชิญไม่ได้เลยสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนอ๋อหนูอยู่วัดค่ะเอไม่ใช่อยู่บนเขาเจ้าค่ะออ๋บนข Beauty เขาบิวตี้เหรอใช่ค่ะทำไม่ได้วันนี้มาฟังเจ้าค่ะ ไม่มีคำถามเลยไม่มีกำลังสู้กับตัวเองอยู่เจ้าค่ะโอเคทาใจสงบนะได้เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะออ่องคุณฟังว่าอะไรเนี่ยฟัว่าอะไรนะครับกลัมราการค่ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคคุณนัทวุฒิต่อคุณนัทธวุฒิเชิญมอขออภัยด้วยนะว่าเมื่อกี้มันสลับไปสลับมา ธรรมสถานครับอาจารย์ดีใจมากเลยครับเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกก็ก็ก็อยากทราบว่าพอดีว่าก็ปฏิบัติมาช่วงหนึ่งแล้วครับแต่รู้สึกว่าไม่ไปไม่มาครับก็ตั้งใจอธิษฐานว่าวันนี้เลยครับตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าลูกมีบุญก็ขอให้พบเจอครูบาอาจารย์ช่วยแนะนําลูกซื้อครับ ก, ก็เลยได้เห็นแล้วก็มาติดตามพยายามเข้ามาใน อ่าซูมนี่ก็หลายครังนะครับเข้าไม่ได้จนจนพยายามเรื่อยๆจนเข้ า, าได้ก็ดีใจมากเลยครับก็อ่าจากการที่เคยปฏิบัติมาครับอาจารย์ mm hmm. อ่าในช่วงที่นั่งสมาธิแล้วะครับจะมีอ่าทุกเวทนาที่กรรุนแรงทุกกทุกท่านเนาะที่เจอครับ mm hmm. แล้วทีนี้การวางจิตในช่วงที่อ่าสู้กับทุกเวทนานี่ครับอาจารย์เราเราเอาจิตวางไปแบบไหนครับ ให้จิตไม่ที่เกาะเเหมือ น, นกันเราเหมือนกันเร า, เเราถ้าเราอยู่ในลำธารน้ามันแหรงนี้ถ้าเราไม่อยากให้ร่างกายเราไหลไปกับ น, น้ำํำเราก็ต้องอาอะไรเกาะใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเกิดทุกขเวทนามากๆกระแสของเวทนามันจะมันจะพัดจิตของเราให้ตระหนกเปิดเปลืองได้เดีย๋ยวเราต้องหาอะไรเกาะต้องใช้พุโทโธพุโทโธทำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปใหญ่อย่นํางนย่านั่นเฉย อ๋อใช้คําบริกรรมยึดออกคําบริกรรมคือลมหายใจคือลมหายใจเพียงไม่กีเอาคำวิกรรมเอาให้ใจมีที่ยึดก็ไม่ครับอาจารย์มจะได้ไม่ไปสนใจกับความเจ็บปวดอืมครับครับพอพอมันพอไม่สนใจมันลืมอาการทรมารใจก็จะหายไปอยู่กับความเป็นปวดไดเป็นอาการลืมลืมใช่ไหมครับอาจารย์เอไม่คิดถึงเลยไม่คิดถึง ให้ที่อยู่กับพุทโธพุทโธอย่างเดียมันก็เหมือนเลืมมันไปพอพอมันเลืมมันก็จะไม่มารบกวนใจแต่ถ้าเราไปคิดถึงมันมันก็จะทําให้เรามันมันรบกวนใจเราเมื่อเราไม่ชอบมันเราอยากให้มันหายใช่ครับใช่ใช่ใช่เวลาการเจ็บปวดต้องหาอะไรเป็นที่ยึดของใจเช่นทาบริกรรมในการสวดอิติปิโสก็ได้หรือการฟังธรรมก็ได้บางคนยังมีกําลังน้อยค่ะสายการฟังธรรมไป มันจะปวดจะเจ็บมันก็ไม่ต้องไปสนใจหนือคอนเทนต์ไพ่เวลาเล่นไพ่มันจะมันจะปวดฉี่มันก็ทนได้ใช่ไห้คถับครับนึกภาพออกเลยครับราอาจารย์เวลาดูลงเวลาดูลงกำลังมันอยู่เนี้ปวดฉี่ไงก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ครับกลัวขาดตอนนานๆหลบเยาววันหนึ่งจุดฟันมัน ม, มีอะไรเกาะแล้วมันก็จะอยู่เฉยๆแล้วมันก็จะไดี้ยงได้ครับแล้วพระอาจารย์ครับแล้วช่วงนี้ อ่าพระพระอาจารย์อ่าจำว่าอยู่ที่วัดยานใช่ไหมครับเอออยู่ที่วัดยานแล้วช่วงนี้เปิดให้ปฏิบัติธรรมบ้างไหมครับบ้าเปิดแล้เข้ามาได้ติดต่อแล้วที่วัดไดต้องลงทะเบียนหรืออะไรล่วงหน้าหรือเปล่าครับก็จำที่บ้านโทโทรฐานที่วัดเขาะว่ า, ามีที่ว่ามา้างครับแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมไปอย่างเช่นพวกชุดขาวอะไรนี่ต้องเตรียมไปไหมก็ตเตรียมไปเป็นปกติเหมืทุกวันน่ะ อ๋อครับครับอาจารย์โอเคนะเมื่อีครับขอบพระคุณมากๆเลยครับจะเข้ามาศึกษาธรรมตลอดเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตเมื่อก่อนนะครับติดเล่ามากเลยแล้วก็ได้มาสล่าเลิกเล่าในเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็หันมาในธรรมะเต็มตัวแล้วได้มาเจอครูบาอาจารย์ขอบคุณมากมาเลยครับสวัสดีครับไม่มีอะไรนะครับนถึงคุณวัดเล็กต่างวัเล็กก็ทำมา ก <c oughs> ราบนมัสการครับหลวงพ่อเออจะสอบถามว่าบุญกับกุศล น, นี่มันตัวเดียวกันหรือต่างกันยังไงครับครับหลวงพ่อก็มันคล้ายกันอะคือบุอนก็แปลว่ า, า, า, า, า, านะความสุขใจถ้าตาตาความหมายนะบุญคือความสุขใจอีกใจกุศลคือความฉลาดุคอามฉลบุศลก็คือความโลภไม่ใช่คิดอะไที่คิดด้วยปัญญาก็เรียกว่ากุศล คิอละไรคือใกิเลสก็ไดยัอักขุสันอ๋อแล้วมันก็จะนาไปสู่การทำบุญหรือทำบาปต่อไปถ้าถ้ามนกุศลก็จะไปทำบุถ้ามีอกกขุสันก็จะไปทำบาปนี่ทำไมเสียงมันกุศลกุศลกุศลเกิดก่อนบุญใช่ไหมครับที่พูดมาผมต้องเกิดมีกุศลก่อน แต่กูทำให้กูสมกันแต่กูสมกันไม่ทำไมเสียงขึ้นมากมันกลับมาคุณเปิดอะไรรึปคุณเปิดสองอย่างใช่ไหมเราไม่เปิดสองอย่างที่เราไม่เปิดมันต้องเปิดสออย่างเปิดเฟซด้วยมันต้องเปิดเปิดเฟซออย่างต้องเปิดไม่ได้เปิดเลยครับหลวงพ่อไม่ได้เปิดเลยครับแล้วเสีงมันกลับมาได้ไงาอ๋อสะท้อนสะท้อนกำแพงครับส้อแพงผม่าโอเคครับ โอเคมีอะไรอมเดี um <and> ๋ยวมันเสียงเสียงขอจะถามว่าการที่เราแบบอาจจะคิดผิดทำผิดอาจจะเกิดจากวิบากกรรมอกุสนในอดีตทำให้เราโง่ทำให้เราตัดสินใจผิดแบบนี้เกี่ยวข้องกันไหมครับก็มันอกุสนมันมีอยู่ในใจเราตลอดเวลาพอเราใจเราเนเวิชาเราถึงข้ามาหาัญญาเราฟโองไม่รู้เรื่องเลยขอผ่านนะ โอเคคุณอต่อ <interpret> ค <arla> ุณพนักเซมเบิร์กันาสกค่ะอาจารย์คุณดังหน่อยค่ะจากลัสเซมเบิร์กค่ะอ่้คยจากลัสเซมเบิร์กก่ะอาจารย์ขอบอลใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีค่ะขอให้รำไปดยพลังค่ะจะมารับพลค่ะให้ราไปด้วยสวยไม่สานะาค่ระอาจารย์ ขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโยมเป็นโยมก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์ทุกวันเลยค่ะตอนเช้าค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์กับผมนะคะกาแฟดาร์กโซราสการ์ครับ อผมนั่งสมาธิไม่ได้เป็นกับปีครับแต่ว่าเมื่อวานก็คือนั่งได้แล้วก็นั่งได้ประมาณสามสิบนาทีก็คือว่าใช้ปัญญาพิจารณาธรรมเข้าไปครับแล้วก็เข้าไปได้ละเอียดแล้วก็วันนี้ก็ลองนั่งแล้วก็ลองฝึกรักษาให <c oughs> ้ลมรู้ให้มันชํานาญให้มันเชี่ยวชาญเหมือนเมื่อกี้เวลานั่งแบบว่าอยากได้ยินเสียงก็คือแบบให้หูมันได้ยินแต่ใจไม่คิดก็กกทําได้กําลังแบบว่าปฏิบัติอยู่ครับก็รู้สึกว่า หาบาลานซ์ระหว่างการทํางานแล้วก็การทาสมาธิพอนะได้แล้วแล้วก็น่าน่าจะไปต่ อ, ตอได้ครับอาจารย์พยายามฝึกสติให้มากขึ้นมากขึ้นนะมันจะนั่งได้นานขึ้นนะครับเพยายามนั่สติก็ก็ดีใจครับอาจารย<ม>์ครับไม่มีอะไรครับครับที่เป็นกนะกวันครับที่ามเป็นกนะกวันเจะ อ, อยู่ที่ไหนได้ยินไหมคือกนะดกวัน ใบใบหนมมึ่งใช่ครับพูดได้เลยจากนวัชการพระอาจารย์ด้วยความเคารพค่ะหนูอยู่กรุงเทพค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาในทมีโอกาสได้ติดตามพระอาจารย์ทางเชสปุกดูค่ะวันนี้ไม่มีคําถามใดๆค่ะเป็นผู้ปฏิบัติใหม่ขออนุญาตมาเรีย น, นรู้จากภรรยาบ้านหนูตอนนี้หนูอยู่กรุงเทพค่ะแต่ว่าบ้านบ้านพ่อบ้านแม่อยู่อยุธยาแต่ว่าเขา ช่องสองทั้งเสียชีวิตหมดแล้วค่ะก็พยายามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุทิศบุญให้พ่อกับแ ม, ม่เรื่อยๆค่ะดีมากโอเคนะเดีย๋ยวไปที่ท่านต่อไปเพื่จะนันดาหลักสบุ ป, ปลากานใช่ไหมนัจดาตาักน้ำน้มัสการจะค่าพระจ า, า์ค่ะมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีค่ะพระาจารย์ <ม>พรนี้เมนูอะไรเมนูอะไรพรนี้พวกนี้เป็นอาหารทะเลค่ะพรนะ okay. อาจารย์อาหารทะเลนะคณะผัดปลาซาดีในกระป๋องค่ะพะอาจารย์ไ ม, มบ้านอราเพิ่งไมีปาสาัญยะแยะกินไปกินปลากระป๋องอะไรตอนแรกสั่งเมนูอื่นแล้วเขาหาวัตถุดิบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกอะไรไม่ออกเหมือนกันค่ะนึกว่ามีเ อ, อเคยชอบกินคณะปลากระป๋องอะค่ะพะอาจารย์ก็เลยก็เลยนึกอยากเขาไว คอะไรก็ดีทั้งนั้นอ่ะของฟรีค่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรค่ะวันนี้โอเคปฏิบัติไปนะค่ะพระอาจารย์ค่ะคุณเกตบัณฑิตช่เมันอก่อนมาใส่บาตรครับนมาสการดีใจได้ที่ได้ไปใส่บาตรทั้งสองวันครับวันเสาร์วันอาทิครับก็วันเสาร์วันที่ไปไปรอที่วัดนะครับเหมือน ไม่มันคล้ายๆเดจาวูครับอาจารย์เหมือนเคยเห็นว่าตัวเองไปหยิบของในศาลาลงมารอพระอาจารย์แล้วก็เห็นสะบวเห็นเจดีตรงนั้นครับคือมันเหมือ น, นเคยฝันเห็นว่าเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยแต่จําไม่ได้แต่พอได้เห็นจริงๆเออมันคุ้นมากครับรอาจารย์อันนี้อาจาจะคิดอ เ, เองหรือเปาใรับอ า, อ า, า, อาจารเคยไปตามที่แบบนั้นก็ได้เคยไปอยู่ตามวัดตามอะไส่วนใหญ่เขจะไมีสือน สวยมากครับเพิ่งไปครั้งแรกดีใจที่พาว่าลูกกับภรรยาไปันทีน่สำเร็จประสานกันแล้งลงขอแต่งคนสร้างถลายให้ในหลวงเราเก้าผมบอกร่มลื่นใหญ่โตมากเลยครับคือเห็นแต่ที่พระอาจารย์แสดงทําบทเขาไงครับแต่ไม่เคยเห็นว่าข้างล่างสวยขนาดนี้ครับแล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็ที่เจอพระอาจารย์ที่ที่ไปรอสักแปดอันเม่วนนั้นก็ เข้าใจที่อาจารย์เคยบอกครับว่าถ้าไปตักไปทําบุญด้วยตัวเองครับความพยายามมันต่างจากการฝากคนอื่นทําหรือโอนเงินนะครับเหมือนวันนั้นคือลงมาจากโรงแรมแล้วพอดีว่าจอดรถอีกที่นึงครับแล้วเขาไม่มีรถไปให้เราก็รู้สึกเหมือนเราอยากไปให้ได้ครับก็เลยตัหาทางนั่งมอเตอร์ไซค์วินไปเอารถแล้วก็ไปรออาจารย์ที่นั่นครับก็เลยเข้าใจที่อาจารย์บอกครับเพียรมันได้มั้นได้เพิ่มความเปลี่ยนเป็นอันเนี้ย ถ้าฝากคนทาเหมือนก็ไม่ได้ดังก็ไม่ได้ท ำ, ทำครับใช่ครับแล้วสุดเหมือนเราไปเห็นบรรยากาศ mm hmm. เห็นเห็นแบบเอญ า, าติธรรมมาทําบุญยาวมากแล้วก็ร mm hmm. ู้สึกมันปิติดีครับใช่ถ้าทำเอได้มันตีบ้างฝากคนอื่นทำแต่ถ้ายัางทําเองไม่ได้ก็ฝากคนอื่นทำไปก่อนก็ได้ไม่เสียหายครับแล้วก็หลังจากวันเสาร์ทำบุญเสร็จก็ไปไหว้หลวงพ่ออีที่วัดสัตจีนครับ แล้วก็ไปพาลูกไปดำน้ําเสร็จก็ไปไหว้กลับมาก็ไหว้เอวัดตรงสมสานะครับหนูก็ดําครับคนขากลับก็มีโอกาสได้ไปไปถวายน้ํากําเงินกับให้ให้พระอาจารย์เอ้ยหลวงปู่โบเกตครับแต่ไม่ได้เจอท่านครับ <istem> แ ต, แต่แต่ไม่ได้เจอว่าเออเคยเห็นพระหลวงปู่โบเกตมาที่มามาหา อาจารยาา์ทุกท่านเคยเชิญ <c oughs> จำวัดกับท่านเลยครับคท่านหนึ่งนะครับรูปแรกที่เราตอนที่เราจะตัดสินใจบวชเราไปไปกราบกันแลขอคำารึกษาครับท่านเรจะบวดเพื่อปฏิบัตินี้จะบวชกับท่านได้ไหมท่านบอกว่าท่านรู้จักวัดที่ดีกว่าที่ปฏิบัติเวน่นวนอยๆฉะนอ้ น, น หม อ, อก็คือท่านเป็นคนที่บ อ, อกให้อาจารย์<า>ไปบัดยางสนไปไปวบบอลใช่ไหมครับแล้วก็ไปจากนั้นก็จะไปวัดป่าทางภาคยศานเพื่อไปปฏิบัติดำเนายนตั้งยานอน ญ, ญาตให้ไปอยู่กับผู้บาอาจารย์ต่างๆได้พะปกติถ้าบวชเข้าปรชาชญ์นั้นจะต้องอยู่บุานานปราชญนั้นห้าปีแต่ถ้าท่านรู้จักอาจารย์นี่ดีท่านก็ฝากได้ฝากให้ประูยกับอาจารย์ที่ดีได้ อ๋อใช่หลวงปู่เบอรเกตไหมครับที่ไปไปเอาข้อวัดของพระป่ามาใช้ที่วัดพุ่มลมเลยใช่ไหมใช่นะครท่านไปกราบหลวงปูฟงป่ฟั่นมาเนี่หลวงปู่ฟั่นมันคืออาจารย์ราามั่นจิสกณละกอนท่านก็เลยได้มาซื้อที่เป็นสวนมะพร้าวแล้วก็มาปลูกกระต๊อบแล้วเวลาที่ท่านวางจากภา ร, รกิจที่วัดท่านก็จะมาอยู่ทุ่งในสวนชันเมือเดียวฉันได้บ่า อ๋อเป็นเป็นเรื่องบังเอิญมากเพราะผมเพิ่งอ่านประวัติของพระอาจารย์สุชาตแล้วก็ตัวดีไม่รู้จักหลวปู่จากหมอบีผู้สูญวิญญาณนะว่าไปกราบพระท่านที่เอที่วัดปากบางกฤอะไรใช่ไอ้ที่ที่เชียงใหม่บกฤษ่าบางกท่านไปสร้างว่าอยู่ที่เชงมเมื่อก่อนท่านเป็นเจ้าวัดที่วัดชงหล่อเมื่อี้ท่านอยากจะไปออกปฏิบัติได้ก็เลยขึ้นไปอยู่ที่เชียงใหม่ ท่านไปที่แม่ห้องสอกันแล้วก็ท่า น, น, น, น, น, นสร้างวัดที่แม่ห้องสอนอยู่วันหนึ่งแล้วหลังจานั้นก็ย้ายไปที่เชีงครับก็แต่แต่ว่าวันอาทิตย์ไม่ได้เจอท่านนะครับเออดีว่าเป็นวันที่ท่านาไม่ได้รับแข่งแต่ว่าเห็นรูปสินท่านเอาคลิปมาให้ดูก็รู้สึกท่านก็แข็งแรงขึ้นครับครับรนีเน้เป็นอาจารย์รูปแรกใช่ไครับอ๋อเขจริงจริงก็ ไออปบูชีทางไปบูชีทางมาไปทางไหนดีไปโบูถที่ไหนดีครับอตอนนี้ตัว น, นั้นลูกศิษย์ท่านก็บอกว่าท่านตอนนี้ปีนี้ก็แปดสิบแปดพรรษา <ừ> เอออายุท่านแปดสิบแปดพรรษาแล <ừ> ้วแปดแปดปีแล้วแล้วโมกนี้ไปทุกคนนะทุกเวลามันก็ค้อยเวลามันมันเกินกินสรรพสัตว์เป็นสรรพสิ่งในทัมครับ ก็มูเวลาเหมือนมูยักเลยมูยักษ์ที่มันค่อยๆเข้ามาเยอะเข้าไปทีละนิทนิ ด, นดมองตัวเองวันนี้ก็ ม, มันก็แป๊บเดียวจริงๆ น, นะครับก็ผ่าอายุก็จะยอย่างประมาณในเวลารีบใช้ประโยชน์จากเวลาให้ได้มากที่สุดถ <c oughs> ามเล<ช>ยถามเลยเ น, นวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่ใช่ครับ ครับอตอนนี้อยากจะมีคําถาม น, นิดนึงครับอาจารย์เอบางทีนั่งนั่งสมาธิครับนั่งบางทีมันเกิดเหมือนมีน้ําลายออกมาแล้วมันทําให้เรามันราคาญครับแต่ว่ายังไม่ยังไมสนใจให้อยู่บนลมอยู่บพุโทโธภาวนาต่อไปมันจะไหลออกมาก็ปล่อยมันไหลไปไม่เป็นไรเพราะว่าจ จะเผอลอเกินตลอดแล้วพอเกินนึง <ๆ S 1> เดือ น, นอย่าไปเกินอย่าอย่าไปเคินนะอย่าไปสนใจมันมันจะไหลก็ไหลถ้ายิ่งไปสนใจมันยิ่งไหลออกมาใหญ่ให้สนใจอยู่กับพุโทโธให้อยู่กับลมหาใจาครับเพราะเมื่อเช้าที่แล้วมีท่านหนึ่งบอกว่าดูอสุภะอาจารย์ใหญ่ครับผมก็เลยอีกวันหนึ่งผมก็เลยเปิดดูบ้างครับก็จริงๆตอนตอนมัธยมก็เคยไปดูอาจารย์ใหญ่นะครับแต่ว่าจำไม่ได้นะครับ พอดูจริงแบบเหมือนหมอกำลังผ่าแขนแบบเห็นหนังเห็นน้ำ เ, เหลืองอะไรแบบเห็นหนองอะครัจะเห็นสภาพการเป็นจริงของร่างกายของคนรทุกคนเป็นอย่างนี้ใช่ครับมันพอรับรู้มองตัวเองโอ้โหเราก็เหมือนถุงหนังเดี่ยวมันก็ค่อยๆย่อยไ่ค่อยชราไปเรื่อยๆครับอ า, าจารย์ครับแล้วก็วันนั้นมีโอกาสได้ เจอทางทีมนาถเจอหมอบีแล้วก็คุณหมอโบครับก็เลยพอดีว่าทางแฟนผมเขาเอช่วงที่เขาก็จะนอนบางทีนอนเขาบอกว่านอนสมาธิครับบางทีหรือว่านั่งก็จะอิงหลังเนี่ครับอยากจะถามว่าสมมุติถ้าเกิดเอปฏิบัติอย่างเนี้ครับโดยการพิงอิงให้มันแบบสบายและจิตรวมได้เงี้ยครับมันจะช่วยพัฒนาได้ไหมครับมันไม่รวามันจะหลับอ๋อจะหลับ ถ้ามันสบายมันจะหลับมันสติมันจะเผมันจะอืมมันจะหลงต้องนั่งแบบไม่มีอะไรไม่มีเบาะไม่มีอะไรเพรียหลังนั้นมันจะได้บังคับสติจะได้บังคับอะไร ม, มีบั้มถ้ามันนั่งสบายแล้วมันสตไไิไปก็เลยไม่ต้องไปคอยควบคุมครับช่วงนี้นั่ง สมาธิเพชรก็มันมันมันมันมันมันฝึกมันมันมันตึงดีนะครับแล้วก็มันมันนั่งได้นานแล้วก็ไม่ง่วงจริงๆครับอาจารย์แต่เวลาพลาออจะจะจะนอนครับมันเหมือนมันก็เจ็บแป๊บหนึ่งนะครับแต่แต่มันก็คลายโอเคถ้าเป็นคำถามแล้วต้องขอไปก่อนนะเพรเวลาได้ขอบคุณมากครับเดี๋ยววันเสาร์ที่จะมาอีก คุณชพันตาเชิญจากดัลลัสเท็กซัสเมื่อกี้เห็นคุณนั่นเข้ามาแล้วหายไปแล้วคุณไายที่อด้ลัสเกัคุณประวิตย์เหรอคะกลับนาบรรมักกา ร, รพระอาจารย์จ้ะค่ะฟังฟังแล้ไม่มีคถามก็เลยจะไปเจ้าค่ะลูกได้คําตอบแล้วเจ้าค่ะเมื่อกี้ฟังที่พระอาจารย์พูดกับเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะเจ้าค่ะว่ากืนกินสับปสิ่งทุกอย่างเราพอดีจะถามพระอาจารย์ว่า คือแลสองปีแล้วที่ลูกไม่ไม่เลือกที่จะทํางานแล้วก็เลือกปฏิบัติทำเป็นงานหลักจนถึงสุขก็คือตามตารางตลอดมาก็มีหลายคนเขาก็บอกว่าลูกเครียดกับการปฏิบัติเครียดแหละปฏิบัติอะไรไม่ถือว่าเครียดหูกก็ว่าอย่างงั้นนะจ๊ะหนูว่าอย่างน้อยไปได้ซ้าใช่เขาไม่รู้พระพุทธเจ้าเครียดก่อน้าวสี่หรือเก้าว เจา้าค่ะแล้วบอกเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเาานี่ยดูแล้วเนี่ยที่ปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรไม่เห็นอะไรไม่ไม่อะไรก็เพราะว่าเป็นการปฏิบัติแบบเครียดรบอาไม่รู้เราไม่ได้ต้องการจะเห็นอะไ ร, รไม่ต้องการได้อะไรเราต้องการความสงบความว่างเจา้าค่ะลูกฟังพระอาจารย์บอกว่าเวลากินกินทุกอย่างก็ไม่รู้ว่าลูกขออยู่อย่างไม่ประมาทดีกว่ า, จาเจ้าค่ะ ขออย่างอื่นที่ทําไปก็ไม่เอาไปไม่ได้เวลาตายไปนะเจ้ค่ะใจเจ้าว่าเครียดก็เครียดไปเถอะแต่ขอ อ, อยู่ไม่ประมาทดีกว่าเพรา ะ, ะรู้สึกว่าโลกใบนี้มันมีภัยรอบตัวเจ้าค่ะถ้าเรายังไม่จาไม่รักษาใจให้เข้มแข็งได้ก็ อ, อันตรายจะเกิดขึ้นกัตนตราได้เสมอเจ้าค่ะเจ้าค่ะโดยเมื่อกี้พระอาจารย์ได้ตอบโจทย์แล้วลูกคิดอยู่ตั้งนานแบบเราเครียดเราเครียรดตรงไหน ผมไม่เครียดเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็ไม่เครียดไม่เข้ามาใเคร่งกันไปหรืปลาเขมาในงานนะครัไม่ค่ะเขาบอกเครียดเจ้าค่ะเขาบอกว่าเครียดเกินคือแบบคือลูกพยายามไม่ไม่รับงานอะไรแล้วเพราะว่าพอไม่อยากวุ่นวายใช่ไหมเขาเรียกเคร่งอ๋อเคร่งแต่เขาแต่เขาใช้คําว่าเครียดเจ้าค่ะเขาบอกว่าเครียดเกิน stress คุณเครียดหรือเปล่าเป็นปฏิบัติเป็นเครียดปฏิบัติเพื่อไม่ให้เครียดต่ะงหากนี่แหลย ค่ะตอนตอนนี้เรื่องของเรื่องของเวทนาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกลูกพอจับจุดได้จับจุดได้บ้างแต่ว่าเรื่องของอารมณ์ยังยังรู้สึกว่ายังไม่จับจุดยังไม่ได้เท่ากับ<อ>าการผ่านเวท<ธ>นาเจ้<พ>าค่ะเวทนาผ่านก่อนถึงจะไปจับอารมณ์ได้อ๋เอ เ, ยยเจ้าค่ะเพราะว่าเวนาเจ้าค่ะเพราะว่ า, ายยเวทนาลูกเคยนั่งแล้วเห็นการทํางานของขันห้าก็เลยเหมือนมีจุดอย่างที่พระอาจารย์บอกคือ คือมันเป็นธรรมชาติก็ปล่อยมันไปแล้วก็แล้วลูกก็คืออยู่กับพุทโธเจ้าค่ะไม่สนใจถ้าไปคิดมันก็จะป่วยก็ไม่คิดตามที่พระอาจารย์บอกก็พอจับได้ไ<ม>แต่อารมยังยังไม่ได้เจ้าค่ะยังฝึกตองนี้อยู่เจ้าค่ะต้องผ่านน่งางกายไปไม่ธรรมดาเลยเจ้าค่ะยังรู้สึกหนักอะคะ่ะอารม์ยังรู้สึกหนักยังรู้สึกว่าปล่อยได้ยากมากมากเจ้าค่ะใช้แบบเดอถ้ามีอารมณ์ก็ใช้พุทโธ หรือมออารมณ์มันไปเหมือนเดินฟ้าอากาศอไรแบบนี้เป็นสิ่งที่เราห้ามันไม่ได้บังคับมันไม่ได้จะค่ที่เราไปทุกข์กับมานเพราะเราอยากจะไปควบคุมบังคับมันให้รู้ทันมันแล้วปล่อยวางมันมันจะมันจะมีอารมณ์อะไรข้างนีเฉยๆอย่าไปทําตามมันท่ามันจะกดก็หวนมันกดไปแล้วอย่าไปโกดทำไมก็แล้วใช้ใช้เทคนิคเหมือนกับการปล่อยเวทนาใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นการแบบเดียวกัน อปอ่อยวางมากกลายว่ า, า, วาไม่ทันนาเป็นอนัตตา<ม>เป็นสภาวะธรรมที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ไเป็นแต่เรารับทราบได้แล้วก็ปล่อยวางให้มันเป็นไปตามเมื่อมันแล้าค่ะและ้วลูกใช้เคสเหมือนที่พระอาจารย์ย้ําเสมอคือทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นี่เอาเหมือนได้ไหมเจ้าคะ่ะแบบเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยอารมณ์ไปอยากจะอารมณ์แบบไหนก็ให้มันอยู่ข้างในไปให้มันอยู่ข้างในไปอย่าไปยุ่งมันเป็นอนิจจังอย่างระดับไป เจ้าค่ะถึงแม้ว่าวันหนึ่ยังไม่มันยังไม่ไปก็ปล่อยให้มันอยู่ของมันข้างในไปทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะอยู่กับมันไปก็ได้ให้อยู่กับมันไปไม่ก็อยู่กับเวทนาอืมเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะอย่าไป่อย่าไปยกัมันอืมกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณพ่อคิดคำจาร์คุ่าคุณพ่อไม่มีเนาะช่วงนี้คุณพ่อคงไม่ค่อยอยากจะคุยกับลูกเท่าไหร่ ลูลูกไปย้ำเลยเกี่ยวกเรื่องให้ระลึกถึงความตายระลึกถึงความตายจะได้เบาคุณพอ่อเลยบอกเวลาจะสอนให <c oughs> ้ต้องดูว่าเขาพอที่จะรับรู้ไป <c oughs> คิดว่าอย่างงันใะ่ไหยามันคงมันไดนะ้คนคนค น, คนกินไม่ได้เมื่อวานคุณพอ่พอเมื่อวานคุณพ่อเลยไลน์มาบอกว่าวันนี้ขอนอนเร็วก่อนไดอยากพักผ่อน ข้าให่ากเไปแล้วหมอหมวใาญ่ามากเกินไปแล้วลูกเขาว่าอย่า ง, งานั้นเจ้าค่ะเพราะว่าเพราะว่าอยากให้ท่านแบบว่าละลึกละลึกตอนแรกๆละลึกมันก็จะกลัวแต่ว่าถ้าละลึกบ่อยๆเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วมันจะมีความสุขแล้วมันจะสบายใจ <c oughs> ลูกก็อยากให้เขาสบายใจกับกายว่าเขาบอกว่าขอนอนก่อนดีกว่าให้เขาถ่ายแม่ตาดีกว่าถ่ายแม่ตาของตัวเขา เจ้าค่ะเ ด, เดี๋ยวท่านก็คงได้ได้คุยกับท่านอีกนะคะได้คุยกับคุณพ่ออีกเจ้าค่ะ <Okay. S 2> กลับขอบคุณอาจ <laughs> ารย์เจ้าค่ ะ, ะคุณเอ็นเคอยู่ญี่ปุ่นเอ็นเคว่าไงกลับนะมาสักการพระอาจารย์ค่ ะ, ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะแค่มากลับพระอาจารย์แล้วก็ขอพรพรุ่งนี้มี presentation project ใหญ่ค่ะความพยายามนี้นะความสำเร็จ น, นะ ค okay. ่ะโอเคคุณ พ, พัทลาพรเจากสเปนว่ามาหลายประเทศนะจากญี่ปุ่นเนี่ยข้ามมาสเปนนะการนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้ขอพรเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะสังขาร<น>มันชจ็ทุกข์เหลือเกินเจา้าค่ะอต้าเฮียตาโน น, นาถวนาตอนที่ประเสริฐตอนไม่ที่พื้อนของตน เจ้คา<ช>จคา่ใช้สติใช้ปัญญาสู้กับสู้กับสังขารนะเจ้าค่ะหลวงพอ่อเจ้าค่อย่าเป็นฝวนสังขารปล่อยสังขารสังขารจะเป็นอะไรก็ป่อนไปเรื่องมันไม่ใช่เรื่องขอ ง, เ ร, องเราสรามีหน้าที่ดงใจเราเพียงอย่างเดียว <สา S 1> รักษาใ จ, จให้สงบด้วยการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจะจะองค์ท่านเจ้าบอกว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อให้รักษา ชีวิตอะชีวิตให้รักษาธัรรักษาความสุบของใจสาธุสาธุสาอย่าไปยืดอย่าไปติดที่เครียดเพราะเราไปยืดไปติดกับมันนะถ้าเราปล่อยแล้วเราจะหายเครียดไม่ช้ากันเลยมันต้องไปในร่างกายเนี้ยมันอยู่มันไม่ได้อยู่ไปตลอดในโลกนี้เจ้าค่ะไม่ว่าร่างกายของใครถึงเวลาต้องไป ลูกลูกแบบปวดกระดูกมากจนแบบว่าวันนั้นแบบ น, น, นั่งไม่ได้แล้วก็นอนปฏิบัติโทรไปแล้วก็บอกฉันยอมตายแล้วฉันแบบ <ừ. S 2> ฉันฉันท้ออันฉันยอมตายมันก็ไม่ตายหรอกเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะต้องยอมเจ็บด้วยต้องยอมเจ็บด้วยเจ้าค่ะรู้สึกมันทรมารแล้วลูกก็พยายามเจ็บพยายามเจ็บแล้ว จ, จะไม่ทรมาร อ, อยู่กับความเจ็บแล้วก็มันมียาตัวนึงลูกทานแล้วลูกแสบท้องลูกนั่งลูกนั่งภาวนาแล้วแบบ มันแสบท้องมากแล้วแบบมันอยากลุกไม่ลุกเอาเคตายก็ตายออกตายอะให้ตายตายกับไปเธอไม่ตายฉันก็จะตายเจ้าค่ะมันก็ผ่านได้เจ้ขขาค่ะหลวงพอขขอ่อเจ้าค่ะดี่เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวง พ, ขขลพ่อเจ้าค่ะรูขอพรเจ้าค่ะตายเยอัตโนนาเถอแม่ทำไปที่เรือแล้วก็ตาเาเถอตัวนัง่งกายนั่งต้องแกเจ็บตาด้วยกันทุกคน สาธุสาธุสาธุการขอบพระคุณจา้าค่ะขอหลวงพ่อมีสุขาภาพพลานามัยแข็งแรงนะทุกค่ะสาธุสาธามุกไมุ้กไม<า>้ใบยกบูป่าหายไไม่ได้หายไปไหนมากกัใ น, ในหายไป้าไปไหนมาแล้วก็บางทีก็เข้าไม่ทันครับ ตรงเรียนเปิดหรือยังใกล้จะเปิดล้ที่สิบเจ็ดเใช่ไหมตอนทำ ม, มเปิดอ้ว อ, อนนันท้ายต้องเรียนไปลองเรียนนล้นใช่ไหมตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็วยังต้องให้สสยหน้ากากหรืเปล่ายังไม่ไดใ<ช>่ตยต้องตรวจไอทีเคหป่ตั ว, ว, ต ว, วโอเคฉีดวัคซีนสเข็มนะหรือสองเข็มสองเข็มกับ ว่าชิมธรรมชาติอีกเข็มนึ่นงค่ะโดนโควิดไปแล้วเหรอใช่ค่ะคดีแล้วโนแลจะได้มีคู่บุกการนะ <c oughs> ที่หายไปก็ไปรักษาตัว ด, ด้วยค่ะอ่แล้วก็ทุกทางนั้นดีนีค่นะแล้วก็อืม ก็วันมันก็จะทำทาตัวเหมือนเดิมค่ะคืวนรธรรมดาก็รักษาเป็นห้าแล้วก็วัดพระก็รักษาเป็นแปดทุกครั้งนะพยายามปฏิบัติไปรักษาให้มันอย่าให้มันสุดท้ายรักษาให้มันอยู่ต่อไปต้องเพิ่มขึ้นไปได้อ่อยๆนะค่ะแล้วเมื่อวันเมื่อวันที่เก้าก็ไปไปที่ไปไปที่โคราดวัดเขาใหญ่ ไปกลับร่วมงานอ่าลบตาลงปูกภูไทยมาค่ะอาการท่านเป็นงไงท่นรับแขกได้ปะไม่ได้ค่ะนอนอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องอ่งาปลอดเชื้อแล้วก็หลักเสนิทแล้วก็ใส่อาท่าตรงจมูกกับเจาะคอค่ะเนี่สังขารร่างกายเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นหองแขกหรือเล่าเพิ่งก็ได้ไปดูแล้วก็ได้พิจารณาตัวเอง างานกรรมนี้เราเวลาก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับโอเคอยาประมาณ์ที่ปฏิบัติทำยิ่งเรียสร้างธรรมมาสปงนที่พื้นใจให้ได้นะใจจะไม่หวั่นไหวนะถูกค่ะช่วงนี้ก็เปิดทรรหนสร้างยีบ้างพราะว่าไปไหนก็ไม่ค่อยได้ก็ฟังเพลงเอ้ยฟังสั้งอาองธรรมะเอาค่ะโอเคน้องสาวกลับไปแล้วเหอนุ้สาวใช่มาจากใช่กลับแล้วค่ะ ก็ยังยันลืมไปนะเป็นยันลืพวกเราไปเยอนะนะคะพี่สาวยังจะชวนพวกเราไปอีกนะะวช ว, น, วนค่ะชวนยงกอดสองจิตสองใจใช่ค่ะ <c oughs> ก็อยู่ที่ไหนคับสมมที่นั่นไปอย่างที่ไรมันก็เหมือนกับวิ่งหนีเสือป่าจระเข้นะอยู่ที่นู้นคิ่อยู่ที่นี้คิดที่นู้นดีพอไปถึงท่นนมันก็เหมือนกันก เราก็เคยไปมาแล้วค่ะยมยมส่วนตัวยมยมก็คิดว่ยมอยากอยูอย่เมงไทยนะคะแต่ว่าถ้าไปก็คือเพื่อแค่เรื่องการสาของูปเท่า น, น, นั้นค่ะเข้าไปช่าวว่ที่าเาไปชื่่าพอลูงเรียนจากลับมาทลามาอยู่มงไทยทำมากินที่มงไทยนี่ละ่เี่กลับไปตั้งลงหน้าอทีนึงไม่ไม่ไปอะยมไปไปแล้วยมไม่ชอบค่ะ ดันั้นไม่มีธรรมะเขาไม่มีธรรมะมันเยอะกว่าคนเมืองไทยนในเมืงไทยเปนเมืองพุทธไม่ยอมทําไม่มนค่อรมีจิตใจที่สูงกว่าเยอะแต่คนที่นั่นที่นั่นใครคนเขารวยแต่จิตใจเขาต่ำจิต ใ, ใจเขาเห็นกับตัวมากาขาดความเมตตาเมตตาน้อยแค่ทุกไม่ได้เข้าซูไหนายวันก็คิดถึงลุงตาคะ <Okay. S 2> ่ะใช่ค่ะ อแล้วนะนุ่มบรกา้จะหมดเวลาแล้วต้องขอเอาสรุปแค่นี้ก่อนนะหลวงตาขอให้หลวงตาสุขภาพแ็งแ ร, รมีอายุายืนยาวเลยร2อยยี่สิบปีอ่าเอาทั้งสองว่าปีไม่ได้เลยอสองร้อปีเลยนะโอเคไปที่คุณดาต่อเลยคุณลาปับฐานจากแค่นี้ขคุกค่ะ <c oughs> มีคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมด8คำถามค่ะคำถามแรกจากคุณเอกวิทย์พระอาจารย์ครับพระอรหันต์เมื่อบรรลุจะไม่ถามใครหรือสิ้นสงสัยด้วยตัวเองเป็นสันติติโกใช่หรือไม่ครับใช่ธรรมะทุกระดับนมันเนสันติติโกมันกินข้าวกินข้าวอู่แล้วไปถามคนอื่นหเปล่าผมอิกแล้วผมกินข้าวมาสองชาวนี่ผมอิกม้วอยา่างคุณเคยไปถามคนอื่นเขาไห ใช่ไหมันี้ก็เหมือนกันถ้าจิตมันอิกน้ำไม่ไปถานใครแล้วมันก็รู้อยู่ในใจว่าันทิฏฐิโ ก, กถ้ากิเลสมันหมดมันก็รู้กิกเลสหมดนะคำถามต่อไปจากคุณ The Multiversal Unity ฝากคำถามครับกลับน้ำมัสการครับอุเบกขาในระดับสมาบัติเป็นอย่างไรบ้างครับก็แบบเดียวกันนะแบบตั้งแต่ฌานสี่ขึ้นไปา็เดียวกัน คำถามต่อไปจากคุณหนูเดือนกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับอสังขาริกจิตคือจิตหนึ่งจิตผู้รู้ผู้ตื่นมีสติสัมปชัญญะใช่หรือไม่ครับอันนี้เราไม่รู้นะถ้าเอาจับบาลีมามาถามเนี่ยต้องต้องไปเปิดวัจนานุกรมดูนี่บ้างนึกตาไปแล้วไม่ตรงกับคำวัจนานุกรนนมคำถามต่อไปจากคุณเอกวิทย์ พระอาจารย์ครับถ้าจะบวชวัยกลางคนควรจะเน้นวัดที่เน้นภาวนาไปเลยหรือจะเน้นวัดข้อวัดปฏิบัติครับอยู่ที่เราเหมือนซื้อรถเน่ยเราต้องกามรถแบบไหนะเราต้องการรถแบบโฟลวินเรื่อเราต้องตารรถแบบรถตู้เนี้ยมันย็เราต้องรแบบแบบรเรื่องควาแบบตมา ต, ต้องการของเราเราต้องการแบบไหนแล้วก็ไปเรื่องแบบนั้น คำถามต่อไปจากคุณยุทธศักดิ์ศีล์แดต้องอาราธนาทุกวันไหมครับแล้วผมมีลูกสาวเป็นเด็กพิเศษจะอาบน้าให้ลูกสาวได้ไหมครับก็บางทีถ้ามันมีความจาเป็นนี่เราทำหน้าที่ไะทัก็ละเว้นข้อนี้ไปก่ะเราไปเมื่อไรยังต้องมีทาหน้าที่แล้วก็อย่าถื้งสิ่ข้อนี้ไปก่อนเพราะว่าศีลงที่เขาไม่มีข้อยกเว้นเ ไม่้แต่ต้องกายของเพศตรงข้ามเพราะกลัวเดี๋ยวจะไปทำผิดจริงข้อสามคือการไปร่วมลำเนอนกันคำถามต่อไปจากคุณสิริแอนการที่โยมบอกสามีและลูก ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วตรงๆว่าอยากใช้ชีวิตและเวลาส่วนใหญ่กับการปฏิบัติภาวนาจะใช้เวลาในทางโลกๆแบบไร้สาระกับพวกเขาน้อยลงพวกเขาเสียใจแต่ก็เข้าใจจะเป็นบาปกรรมต่อกันไหมคะม่ไม่บาปแบบเป็นเรื่องที่ดีเขาจะได้รู้จักทำใจรู้จักว่าสักวันหนึ่งต้องมีการพัฒนาจาก ตอนนี้จากกันแบบเป็นตอนเป็นอย่างดีเพราะยังได้ยังแวะไปเยี่ยมเยียนกันได้ยังเจอกันได้ดีกว่าจากกันแบบตายตอนนั้นจากเราก็จากไปเลยนั่นเป็นสิ่งที่ดีความจริงถ้ามอครับมาเป็นการสอนคนที่ยังติดโลกหรือให้แม้ว่าโลกนี้มันโลกที่ไม่เที่ยงมีการทลาดพาดจากกันเป็นธรรมดา 2คำถามสุดท้ายจากคุณศัก์แต่ว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับกราบเรียนถามสองข้อครับข้อที่หนึ่งการแชร์คำสอนผิดๆจะเป็นบาปไหมครับก็เป็นการแชร์กุศลแบ่งเอาเอ า, เอาความเอาควาผิดไปให้คนอือ่นช่วยทาให้คนอือนเขาเลงผิดตางคำถามที่สอง ผู้ที่ยังไม่เป็นพระอริยบุคคลสามารถสอนให้ผู้อื่นให้เป็นพระอริยบุคคลได้ไหมครับคัยากนะคนที่ยังไม่ได้จบปริญญาเนีเ่ยไปสอนแม่คนอื่นแด้จบปริญญาีนผมยากคนนาำถามหมดแล้วเจ้าค่ะไปที่คุณศิราวิทย์ศิราวิทย์ศิราวิทย์ขึ้นเข้ามาเปิดใหม่ศิราวิทย์ได้ยินไหม ปิดไมล์แล้วก็พูดได้เลยเปิดไมล์ก่อนผมเข้ามาฟังเฉยๆครับไม่มีอะไรนะโอเค okay. นั่นแต่ว่าทุกคนได้ถามหมดแล้วตอนนี้ก็เปิดให้รอมหนึใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นนัว่า ป, ปิดไมล์ถามได้เลยเออเวลาสักหน่อยมีใครอยากจะถามอะไรไหมเมื่อกี้นี่อาจจะไม่ไม่มีไม่มีโอกาสเขาดิ้นหน่อย ก็กลัวเดี๋ยวจะไม่เวลาจงหมดตอนนี้ยังมีปัญาฟังวันไหนฟังวันอะไรฟางวันอะไรอ่ะเชอาจารย์ค ะ, ะวันนี้ได้ฟังได้ฟังเทปที่ในรถอะคะ่ะอาจารย์เคยเทศสอนว่าปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติอ่ะคะ่ะสามารถพิสูจน์ได้จากการเช็คดูว่าถ้ามันมีกิเลสแล้วเกิดเกิดกิเลสแล้วเราฆ่ากิเลสได้หรือไม่อะคะ่ะ ทีนี้ถ้าในเรื่องของการพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าในเรื่องของการแต่งตัวแต่งกายทําหน้าทําผมดึงหน้าถ้ามันเป็นต้องมั น, ม น, มนเราทราบอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรายังอยู่ในเพศคารวาที่ยังต้องทํางานที่ต้องแต่งตัวแต่งใจอยู่อันนี้ถือว่าใช่ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติไหมคะได้ยินไหมคะอา yeah. จารย์ยังไม่ได้เปิดไม่ครับ นะฮะพระอาจารย์โอเคก็ค no ือเราก็ต้องดูใช่ว่าวันท like> mm hmm ี่เราทํางานเราต้องแต่งหน้าแต่งตัวแต่วันที่เราไม่ทํางานเรายังแต่งหน้าแต่งตัวอีกหรือเปล่าแต่ไม่มีทำไม่มีเหตุแล้วก็เราก็ไม่ทําถ้ามีเหตุเราทําตามเหตุเ้าไม่ถือว่าเป็นกิเลสอันถ้าไปทํางานคือคือเราก็เป็นเหมือนถือว่าเป็นเหมือขึ้นเวทีเป็นเล่นหละครเล่นที่เกอย่างนี้เล่นละคร ก็ต้องแต่งหน้าตามบทบาทของเรา<ม>แต่งชุดตามบทบายของเราบันนีค่อยใส่เครื่องแบบเพราะเรต้องใส่เครื่องแบบที่ทาาํางานอะไรแต่เราธรรมดาเรามันไม่ทำงานเราไม่เราไม่ใส่ไม่แต่งใช่ไหมไม่แต่งหรืออยู่บ้านยังยั ง, ย ง, ยงใส่ยังแต่งมันแสดงว่าเราติดแล้ะมันยังหลงอยูเข้าใจานะถ้าทํำด้วยเหตุด้วยผลนี่ไม่ถือว่าเป็นกิเลส แต่ถ้าทำด้วยความอยากความชอบเนี่ยจเป็นกเลสเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามมีไหมอ่าคุณลามีคําถามอะไรที่มาให้ไหมปีคำถามจากทาง facebook เจ้าค่ะหนึ่งคำถามค่ะจากคุณวิไลอยากถามเจ้าค่ะว่าทําบุญวันพระและวันธรรมดาบุญจะต่างกันไหมเจ้าคะไม่ต่างวันร ไม่ต่างวันมันวันวันให้ก็เท่ากันวันทําวันพราวันธรรมดาวันมันไม่ไม่ต่างกันว่างบนมันไม่ได้เกิดจากทุกวันมันเกิดจากการกระทํา่ใชำมีมีเข้าเพิ่งเข้ามาอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะจากคุณมนทิรายมขอเรียนถามเจ้าค่ะ ตอนตอนนี้โยมเห็นโทรศัพต <syrup> ัวเองผุดขึ้นกลางอกแล้วเจ้าค่ะแต่โยมยังไม่เห็นตัวหลงตัวละเอียดโยมควรทําเช่นไรต่อไปเจ้าคะก็ถ้าเห็นกิเล็กกัรน้ํามันอยู่มันให้ได้อย่าปล่อยให้มันระบาดร่างกายทางวาจาใช้สตินี่ใช้ปัญญาระงับมันไปตัวหลงไม่ต้องไปไม่ต้องไปควายหามันตัวหลงมันทํางานตลอดเวลา เราลองเป็นผู้ผลิตตัวโลกเป็นผู้ผลิตตัวกโกรธเราลองว่าเธอความเห็นเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสุขนันนน่นหลงละปั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์เท่านัน้นแต่เรายังมองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะเรายังไม่วิเคราะห์มันด้วยปัญญาเมือเราวิเคราะห์มันด้วยปัญญาเราก็เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าให้ความสุ ข, ขกับเราเนี่ย เ, เป็นความสุขชั่วคราว เพราะสิ่งที่ให้ความสุขเดิ่ยมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเมื่มันหมดไปเพราะสิ่งนั้นมันหมดไปเปลี่ยนไปมันก็ทําให้เราความสุขนั้นก็หายไปพอความสุขหายไปควัมทุกข์ก็เข้ามาแทนที่นั่นต้อเห็นตัวหลงนั่นต้องเห็นต้องรู้ว่าเราไปเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นนิจจังสุขังอัตตาเนี่ยนี่ก็จะเป็นตัวหลองนะเนื่องจาสิ่งนั้นจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดนี่ก็แสดงว่าหลงนะ มันไม่มีอะไรไป็นของเราไปตเอดไม่มีอะไรไม่เปลีป่ยนแปลงที่อยากในการเปลี่ยนแปลงมันธรรมดามีเพิ่งมีเข้ามาอีกเจ้าค่ะจากคุณทีเคเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าที่บ้านมีใ ย, ยแมงมุมแต่เราไม่อยากฆ่าสัตว์เราจะทําอย่างไรดีคะก็ปล่อยไว้เลยได้ไหมนะครับวันนี้เราเอาเอาใยแมงมุมออกก็ไม่ได้ไปฆ่าเขาแล้วก็ เราทำแบบค่อยๆเบาๆออไปพอเขาพอพอเขารู้ว่ามันมีภายมาใกล้ตัวเขาก็โดดหนีแล้วมีอีกสี่คำถามเจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณสุขทุกข์อยู่ที่ใจทุกขังมีความหมายอย่างไรครับพระอาจารย์เราเร า, าไม่ตีหัวดู <c oughs> เลยจะเรื่อทุกข์ทีสุดนะ ทุกอย่นแล้วมันเจ็บมันปวดมันทรมานเนี่ยเรียกว่าทุกข์คำถามต่อไปจากคุณบัวอยากถามเจ้าค่ะว่ามีอาการเฉยเฉยแทบทุกเวลาอะไรก็เฉยเฉยแม่ต้องทํางานอยู่ค่ะอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําเจ้าค่ะเฉยเฉยได้ก็ดีพวกมันจะไม่เฉยไปตลอดเดี๋ยวพอเห็นของที่ชบาบกำลังก็อยากจะได้ขึ้นมา เนพอเห็นเศษที่ฉันก็อยากจะอยากจะหนีก็อยากจะโยนทิ้งไปต้องเฉยเฉยต้องเฉยได้ตลอดเวลาใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยแต่แต่ถ้าเฉยว่าอยู่คนเดียวยังไม่มีอะไรมากระทบเองก็ยังยังไม่น่ามันจะเฉยไม่น่าตลอดหรือเปล่าถ้าเวลามีอะไรมาสัมผัสมากระทบเราดูสิว่าเรายังเฉยต่อไม่ได้หรือเปาคำถามต่อไปจากคุณวิไลค่ะ ระหว่างถวายพัตาหารเช้ากับการใส่บาตรต่างกันไหมเจ้าคะนันเดียวไปแหละพัตตาห์กับใส่บาตรมันก็เหมือนกันคำถามสุดท้ายจากคุณหมีนมัสการครับเวลาโกรธควรระงับอย่างไรให้หายโกรธทันทีครับต้องพุโทโธเพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์หรือบุคคลที่ทําให้เราโกรธให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวห้านาทีก็หายโกรธ มดแล้วเหรหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคหมดแล้วก็แค่เอาแค่นี้ก่อนนะใกรยังหมดเวลาพอดีเราสมควรแก่เวลาเท่านั้นได้เกือบสามชั่วโมงก็น่าจะพอเพียงสำหรับสำหรับอ า, าหารอาทิตย์นี้อาหารใจอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์หน้าก็่ากินอาหารรอบใหม่ต่อไปมาขอให้ท่านยอมรับสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดนิพิจนาะ